จยลอพอรท่านผู้มีจิตศรทัทธาทุกๆ ท, ท่านอันนี้ก็เป็นการพบปะกันสนทนาธรรมกันถามตอบคำถามกันใครมีคำถามอะไรอยากถามทางด้านการปฏิบัติถ้าอจขอเชิญเข้ามาคุยมาถามกันได้ คนแรกที่มคืนนี้ที่เข้ามาก่อนก็คือคุอคณบุณยนุชจากกรธโมโช่คุณปุณยนุชลูกไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ลูกเข้ามาร่วมแล้วฟังค่ะออไม่มีคําถามเล ย, เลยมีเียงฟังอย่างเียวเลยค่ะตอนนี้ฟังค่ะแต่ก็จะพยายามใช้สติคุมใจแต่เวลาทํางานนะคะพระอาจารย์มันก็จะมีปัญหาเรื่องใจของเราเนี่ย มันก็จะไปกับงานแต่บางทีเนี่ยเราคุมอารมณ์ไม่ได้คือมันก็ไปแล้วแต่ก็จะพยายามกลับมาลูกตั้งนาฬิกาปลุกกะะับค่ะพระอาจารย์เป็นแบบรายชั่วโมงอะค่ะพอนาฬิกาปลุกมันดังก็ให้เรากลับมาพุโทโธคะ่ะพระอาจารย์เอาดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะก็คือยุ่งกับคนน้อยลงแล้วก็เวลาที่เรามีอารมณ์โกรธเนี่ยก็จะพยายามกลับมาอยู่ที่ตัวเองเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไม่ให้ยุ่งกับใครเลยให้อยู่กับตัวเองคะ่ะพระอาจารย์อเอาพุโทโธกลับเข้ามา ไม่ต้องดึงใจไม่ต้องไปเอาแพร่ชนะใครไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะพรชนะความโกรธดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะลูกก็ยังใช้วิธีการฟังธรรมเป็นหลักค่ะพระอาจารย์อแพรเป็นพระพระชนะเป็นมาจได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบขอบขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณพิ่เชษฐ์ขอโทษครับก่าในมรดกการพระอาจารย์ครับ เออก็ไม่ทราบพระอาจารย์ได้ยินไหมครับเด้ยนได้เชิญโอเคครับก็เอ่อะจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องรูปฌานและอรูปฌานนะครับแล้วเวลาที่บําเพ็ญสมถาภาวนาจนเอจิตรวมจนเป็นอัปนาสมาธินี้เนี่ยจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานครับพระอาจารย์ ปัปปนาสมาธิที่ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงวันนี้คือว่าอยู่ในระดับรูปฌานสี่นะรูปฌานสี่จิตสงบรวมรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่าเรามีแต่องเบคาาอันนี้เป็นคุณสมบัติของรูปฌานสี่ครับส่วนรูปฌานหนึ 4, ่งถึงสี่แอ่ที่ที่ละเอียดไปกว่านี้ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยได้ พูดถึงกันเพราะพระพัทเจ้าไม่ได้ทรงเน้นให้ไปถึงระดับนั้นสอนแค่ระดับรูปประชาญสี่สำหรับผู้ที่ต้องการเจริญมิตต่อแต่ถ้ามีความสามารถที่จะทำจิตให้สง บ, บได้ลึกให้นิ่งได้มากกว่านั้นก็ก็ไม่ขัดขัดวามไม่ขัดข้องแต่ผลที่ได้ก็ไม่ต่างกันจากรูปประชาญขั้นที่สี่ คือสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาใ่าปล่อยวางักขณะเป็นกลางไม่รักไม่ชั่ไม่กลไม่แุอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้ต้านกิเลสได้ต้านกิเลสต้านความอยากต่างๆได้ถ็ได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ให้พยายามใช้สติคอยรักษาให้มันอยู่ในสภาพนั้นนา น, น อย่าให้มันถอนออกมาอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งเมื่อถ้ามันถอนออกมาก็พยายามกลับเข้าไปใหม่ถอนออกมาเราก็มาเจริญสติต่อแล้วก็พอพร้อมก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายามหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าการหาความสุขจากทางการทำกิจกรรมอย่างอื ส่วนถ้าอยากจะลอรารูปประชานี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงก็ถ้าถาม่าคิดว่าคงจยาให้มีสติให้พยาควบคุมนามขันคือวิทนาใ ห, ให้ให้ระงรับลงแต่ถ้าที่ได้ได้ปฏิบัติขั้นรูปประชานี้ก็ให้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่อง ควาจิตเข้าไปอารุปจานไม่คก็ยได้ยินเข้าพูดกันเท่าไหร่ครับครับไม่ต้องกังวลนะครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับอาจารย์จามัตย์กับแจทีสาธุจานั้น์แอนจทีจากศีราชากลางน้มาสการพระอาจารย์ครับ มารายงานผลครับเกี่ยวกับ Invisible Man ครับอ่าเป็นยังไงก็คือ Invisible Man นะครับเราต้องใช้สติเพื่อควบคุม Invisible Man เพื่อให้ควบคุมใช่ตเราก็เหมือนว่าใช้สติควบคุมเขาเพื่อให้ห้ามตัวเองไม่ให้ไปทําในสิ่งที่อยากทําครับคล้ายกับแบบอยากจะเล่นก็อยากไปเล่นอ ถยังไม่ถึงเวลาเล่นก็ห้ามเล่นถึงเวลาที่ต้องเรียนน้องเสือก็ต้องทําการบ้านต้องน้องเสือก็ต้องคอยควบคุมตัว invisible man ที่จะหนีไปเล่นเกมหรือไปดูอะไรต่างๆต้องใช้สติเวลามันจะไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงเอาไว้ก็ได้พุโทโธดึงเอาไว้ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็ไปไม่ได้ พระอาจารย์คะแล้วแบบนี้สอนเขาว่าถ้าจะดู Invisible Man ของตัวเองให้ดูจากอารมณ์ที่เขาแสดงออกมาได้ไหมคะอารมณ์ก็ไม่ใช่ตัว Invisible Man ตัว Invisible Man นี้ต้องใช้นั่งสมาธิไห้อยู่กับพุทโธพุทโธไปจนกว่าทุกอย่างสงบตัวลงตัว Invisible Man ก็จะปรากฏชัดขึ้นมาแต่ไม่จำเป็นจะต้องเห็นตัว Invisible Man ที่ยาไป น, น็คือต้องรู้จักหยุดอินวิสโซแมนให้ได้หยุดความโลภความโกรธความหลงในตัว Man. กกตอินวิสโซแมนใเรลอกมันกำลงบอกว่าเอาไปทำไมเอาไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ย ว, วหายไปก็เสียใจได้มาก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยกวัวล ถ้าไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรอยู่นี่เฉยแสนจะสบายเ mm hmm. วลาโกรดใครก็พยายามหยุดความโกรธดกรธเป็นเหมือนไฟเอาใจให้ร้อนความโกรดด้วยทำพุโทโธพุโทโธพุทธไปอย่าไปเอาชนะคนที่เรากรวอย่าไปเอาเรื่องเวลากับเขา ไปเข้าไปครับครับอันนี้อาจจะยากหน่อยตอนนี้เอาแค่พยายามหยุดทำบาปคืออย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้คนถึงแม้จะเป็นสัตว์เล็กๆเช่นมดแมลงอะไรก็ อ, อย่าไปทำร้ายเขาครับ อ, อย่า้วอย่าไปขโมยข้าของเขาก็ได้ อะไรที่ไม่ใช่เป็นของเราเราอย่าไปเอาถ้าอยากจะได้ถามเจ้าของเก่อนขอเขาก่อ น, อออนถ้าเขาไม่ได้พยายามถ้าเขาให้ไม่ออกไปได้แล้วก็ขอบคุณอย่าพูดปลดถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยๆไว้ไม่ต้องพูดอะไรผมตอบไม่ได้คาถามนี้ผมตอบไม่ได้ ไม่ต้องพูดปลดไม่ต้องหว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำนี่ถ้าทําไปเล่าไปบอกผมไม่ได้ทํานี่ใช่ไหมครับเรพูดปลดกขาบอกผมพูดไม่ได้ผมตอบไม่ได้เขาจะว่าไงเขาเลือกแต่คำเดียวผมไม่ตอบคอย่างน้อยก็ไม่พูดปลดลองฝึกนะลอาฝึกคอยควบคุม เวลาอยู่เฉยๆก็ถ้ามันจะคิดเรื่องนุ้นคิดเรื่องนี้ก็หยุดความคิดไว้ให้ทาพุโทโธพุโทโธไปได้วยดีกว่าต่อไปเราจะควบคุมตัวอินวิสิเบลแมนได้ครับ <Okay. S 1> อันนี้เอาศีลหน้าเอาศีลสามสีสามข้อนี้ก็ได้กันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดปลด มีอะไรไหมผมลองเดินจงกรมแล้วครับเดินยังไงนะเดินจงกรมเดินเดินเใจดูวีซิลเวอร์แบนอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อยู่อยู่กับเท้าหรือเปล่าอยู่กับพุทโธหรือเปล่าอยู่ครับ เวลาเดินต้องมีพุโทโธพุโทโธคอยคํากับการเดินอย่าให้เอ็นดิสปรแมนไปที่โน่นที่นี่อย่าไปที่โรงเรียนไปที่เพื่อนไปที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเดินให้ดูทางเดินที่เราเดินอยู่ต่อไปก็ใช้พุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธพุโทโธเดินไว้โปรดอย่าไปอยู่ตรงนี้อยู่กับการเดิน ครับเดินได้กี่นาทีอะประมาณห้านาทีห้านาทีอะห้าถึงสิบนาทีครับแล้วนั่งสมาธิต่อได้ไหมเดินแล้วกลับมานั่งได้ไหมน่าจะได้ครับนั่งสมาธิได้กี่นาทีสิบห้าครับนั่งได้สิบห้าเลยนะเนาะเวลานั่งนั่งยังไงนั่งรับพุโทโธหรือเปล่าหรือนั่ง แล้วใจลอยไฟลอยมาหรือเ่าก็คือของจัดเตี้ยค่ะเคยให้นั่งแล้วเขาก็จะค่อยๆเลื้อยหลับอะค่ะก็เลยเปลี่ยนหมายว่างั้นทดลองใช้ของหลวงพ่อเทียนดีไหมอาจจะเหมาะกับเด็กสิบสี่จังหวะค่ะให้ยกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะเขาก็จะทําได้ไม่หลับอะค่ะโอเคได้ไปยังไงก็ต้องก็ต้องมานั่งหลับตามดูลมหายใจต่อ อ, อันนั้นก็ไปเหมือนเดินๆจงกรม ท่านี้ย่าเดินก็ใช้แขนใช้ดูดูแขนเป็นดูมือเป็นการเดินจงกรมแทนนะเหมือนกับการเดินจงครมแต่จิตจะไม่เป็นสมาธิไม่นิ่งถ้าไม่นั่งเฉยๆไม่ดูลมห า, ายเขาออกมัคโับน้ององหลังจากดูดูมือเสร็จแล้วก็ดับตาดูลมต่อ ถ, ถ้าหลับก็ลืมตา ม, มาดูดูมือใหม่เรื่อางา น, นลูกขาเดานจองวามใหม่ก็ไดานจนนองงมทางกันได okay, นะ้พยายามทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเวลาไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจอย่างน้นถ้าเรา็นความพยายามนี่เราก็เราได้กำไรนะ ดีเราไม่ทำเลยเริ่กทำไม่เอาเลยขัดทุนแต่ไม่ไะ้ทำไได้บ้างไม่ได้บ้า ง, ม า, งมาทำไปมันดีคือในอยาจจะได้ฝนขึ้นมาจะมหาส า, ารใจขึ้นมาก็ได้นะขอบคุณคระอาจารย์ครับคุณสาธกาจากไชน่าในอามนี้ อ๋อลงไปสองครั้งค่ะอาจารย์ <Yeah. S 2> อขอขอขอขอเขาแล้วก็บอกตุลาลกก็เลยเสริมเข้าไปอีกรูป <laughs> แอ บ, บอีกหนึ่งขันสองขันค uh ่ะ huh. ก, ก็ปฏิบัติทุกวันนะคะอาจารย์ตาม uh huh. ที่สอนนี่เราปฏิบัติไปนี่เราไม่ปฏิบัติอย่าไปเลือกที่จะท่องไม่ปฏิบัติอ่าค่ะ มีไหนก็นองปฏิบัต<ว>ินั่งว่างก็ทําไปเวลาบางว่างมากเลยค่ะเพราะว่าอนอกจากขี้เกียจอย่างเดียวอะค่ะอาจารย์เวลาเป็นว่างเยอะค่ะก็เลยส่วนมากก็จะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ฟังเทศแล้วก็อยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็พอเวลานั้นก็ระหว่างระหว่างอยู่หน้าร้านก็นั่งสมาธิไปด้วยอ่ะค่ะอาจารย์ ให้มีเจริญสติอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจลอยอย่าให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันเลยค่ะค่ะอาจะค่ะปฏิบัติต่ตอนเนื่องครับอาจารย์สาธุคุณคิตตอันเดชคนนี้ไม่ได้ทำงานเนี่ยอาจารย์มัตส卡尔อาจารย์ครับอืมสุดอันนี้คืองานเริ่มซาลงแล้วครับอืม ครับก็แต่สัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างเลิกตึกครับกับสามสี่ทุ่มทุกวันครับแต่ก็กลับมาก็ภาวนาครับถึงจะเหนื่อยหรือหลับไปบ้างก็ทําทุกวันครับอาจารย์ hmm. ครับอวันนี้ก็อยากจะมีคำถามนะครับอาจารย์อประเดีว่าเคยเคยจัดกิจกรรมที่ทํางานคือคือที่งานเคยให้ไปจัดกิจกรรมออกบูธนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสแกนลายมือครับอาจารย์ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องลักษณะบุคลลักษณะบุคคลอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคนหลายก้นหอยจะเป็นลักษณะผู้นําเป็นคนใจร้อนคิดเร็วอย่างเงี้ยครับอยากจะขอคําแ น, นะนําพ้าอาจารย์ครับว่าถ้าต่อถ้ า, ถ, าถ้าในอนาคตมีการจัดกิจกรรมอีกผมอยากจะแบบจะเสร์มเรื่องที่พ้าอาจารย์สอนครับอย่างเช่นคนคิดใจร้อนคิดเร็วทําเร็วอย่างประเภทลายมือก้ น, นหอยเนี่ยครับเขาควรจะมีคติธรรมยังไงปฏิบัติธรรมยังไงครับอาจารย์ อ๋อทุกคนเหมือนกันหมดมันไม่ได้อยู่ที่ลักษณะของร่างกายเพราะจิตของทุกคนนี้มีกิเลสเหมือนกันหมดสิ่งที่จะปักกิเลสได้ก็คือสติกับปัญญาสองอย่างาออย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดคนที่ใจร้อนเขาจะภาวนาพุทโธก็ทําทได้ใช่ไหมพระอาจารย์คือแล้วแต่เขาจะถนัดอย่างไรก็ได้ในเรื่องมันอยู่ที่ตัวเขาเขาจะพุทโธก็ได้ วก็จะดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้วเวลาที่ไม่ได้นั่งนี่พูดถึงเวลาไม่ได้นั่งเวลานั่งก็จะใช้พุโทโธก็ได้ทีจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วถ้าเกิดคนที่เป็นคนประเภทที่ชอบคิดเยอะคิดฟุ้งนะครับควรจะนั่งหรือว่าควรจะเดินจงกรมครับอาจารย์แล้วแต่เราเขาชอบยางไงก็ เขาทำอะไรมันทให้ใจสงบได้ก็เอาไปเห็นมัน mm. อั น, นี้มันไม่ได้อยู่ที่ลักษณะมันอยู่ที่ว่าทําหรือไม่ทํามากกว่าถันนเาเจริญสติมันก็แล้นก็จะทําให้ใจสงบได้สง บ, บมากสง บ, บน้อยก็อยู่ที่เรียบถ้าเนิร์ดังเคลอนหอยู่ก็ยังสง บ, บไม่ได้เต็มที่ถ้านั่งนิ่งเฉยๆถึงเนี่ยสงบได้เต็มที่เหมือนกันทุกคน มันได้ได้ยินเลยว่าเป็ น, นคนแบบไหนมันต้องใช้สติกันทุกคนนครับก็แสดงว่าทําได้ทุกคนครับเพราะผมก็เป็นสไตล์ที่ก็ได้ทําแบบอาจารย์แล้วก็ได้ผลครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วถึงจะงานเยอะแต่ว่ากลับมาก็ยังทําครับเช้ามาก็้าสึเราก็ไม่รู้สึกว่ า, วามันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยครับเดินก็พยายามเหมือนที่คุณหมอวีบอกก็คือ มันจะมีสติแล้วก็จะลหลบมดเดินก็จะไม่ลม้มไม่ชนนู่นชนนี่ครับอาจารย์มันจะนู่มันจะเห็นสึกสิ่งทุกอย่างที่ที่คนจะเรื่ควรจะเห็นแม้ขนาดงานที่ว่ามันเล่งๆแล้วรู้สึกว่ามันก็เราก็จะทําตามแบบหน้าที่ไปแล้วรู้สึกเราก็จะมีสติกับตัวเราอะมันก็รู้สึกมันไม่ได้ถูกขับอาาร แล้วก็มีนี่ครับมีเหตุข่าวที่เอคุณแม่เขาเสียลูกสาวครับลูกสาวอายุแปดขวบชื่อน้องผมผมจําชื่อทำไมแต่ ว, ว่าเป็นมะเร็งกระดูกนะครับก็คุณแม่ท่านสอนเหมือนที่อาจารย์สอนพวกเราเลยครับว่าเอทุกมันเหมือนแคปการเปลี่ยนเชื่อผ้ามันหมดหมดภาระทั้งโลกทิ้งร่างกายไว้เอทิ้งธาตุไว้ก็ไปสู่ครอบครัวใหม่ที่ดีต่อไปครับ รู้สึกว่าเออครับเขาก็ไม่ภูมิไฟล์ไม่ไม่เอ่อคุณแม่เขานะครับไม่ไม่ภูมิไฟล์เขาเข้าใจสัจะทําดีครับได้ได้ผลจริงๆครับพ่าจะก็จะดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่บนไม่บาลด้วยไม่ได้ว่าทุกคนจะไปดีเสมอไปถ้าทําบาปมันไปมันก็ไปดีไม่ได้ไปสู่สุกติไม่ได้มันต่องไปสู่ทุกติถึงต้องแน่เรื่องของการไม่กระทําบา เมื่อกี้ก็สอนเด็กให้สามก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไม่ทูดปดจริงอย่างที่อาจารย์ว่าครับเตรียมตัวไว้เรื่อยๆครับเพราะถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆมันไม่คิดไม่ทันจริงๆครับอาจารย์วันนี้ผมไม่มีคําถามต้องฝึกต้องซ้อมเหมือนนั่งงวยไม่รู้จะขึ้นเวทีเมื่อไหร่ต้องซ้อมไว้พอถึงเวลาขึ้นเวทีก็ยัได้ไม่ถูกก็สั้น ให้นั บ, นบสินับแปดับก็พยายามผมก็ไม่เอาอะไรมาพิงเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือให้สู้เอเวทนาไปให้ได้ฝึกซ้อมซ้อมไว้ก่อนครับอาจารย์ครับแล้วก็หนังสือที่วิสาชนารมก็ได้รับมาแล้วครับก็ขอขอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็คนที่ส่งคนที่จัดพิมพ์ด้วยครับอาจารย์เออจะเป็นเรื่องของคนที่เขาทำเราไม่ได้มีส่วนแล้วพียง พูดธรรมะแล้วเขาก็ไปถอนออกมาแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสืออันนี้นเรามีหน้าที่พูดยเดยอะๆส่วนหน้าที่อย่างหน่งก็เป็นผู้มีจิตศรัาทธาร่วมทำกันอนุโมทนาโมทนากับทุกท่านที่ทําให้มันสําเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นผ ง, งานของหลายหายคนร่วมกันมาถึงจะสําเร็จได้เราคนเดียวทำํำเองไม่ได้ รลูกไม่มีคำถามนะครับะอาจารย์ยอาจารย์ุกทัานครับคุคณนันทัทรจากอุบราชธานีกราบนาัสการเจ้าค่ะพระาอาจารย์วันนี้ลูกเขาการมีคำถามสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกค่ะที่พระอาจารย์ได้ตอบคำถามลูกเมื่อคืนเกี่ยวกับ invisible man แล้วก็ให้อัพเกรด Invisible Man ตัวเองด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามอย่างข้อหนึ่งข้อสองคือระบแบทําบุญใช่ไหมเจ้าค ะ, ะส่วนเ u r i f y the Mind เนี่ยใช่สติสมาธิปัญญาหรือว่าสมถะกับวิปัสสนาไหมคะเหอือนกันสติสมาธิปัญญาก็มีเป็นสมถาะาสติกับสมาธิก็เป็นสมถะสติกับปัญญาก็เป็นวิปัสสนาอ๋องั้นลูกก็เข้าใจถูกแล้วจ้าค่ะค่ะแล้วก็อีก ข้อหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกพยายามนั่งสมาธิให้ได้ตามที่พระอาจารย์สั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะพยายามมามาทำสมาธิแบบนั่งให้ได้เพราะปกติที่ลูกกับเรียนพระอาจารย์ว่าลูกส่วนใหญ่จะจะเดินจงกรมเจ้าค่ะก็ลองนั่งดูก็เริ่มจากสวดมนต์ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก่อนหน้านี้เท่าที่ลองดูมันนั่งได้ประมาณแค่หนึ่งชั่วโม ง, งเจ้าค่ะพระอาจารย์ ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสวดนะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งพุทโธไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เมื่อสักระยะหนึ่งลูกพบว่าตอนสวดมนต์มันจะมีสวดบทกายคตาสติอ่ะเจ้าค่ะพระจันทร์อยังโคมีกายอยู่อ่ะเจ้าค่ะแล้วพอสวดไปมันมีการใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็พิจารณากายแต่ละส่วนไปด้วยว่ามันแยกกันแล้วมันก็ มีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่เราแล้วมันทําให้สงบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าลูกจะใช้อันนี้มามาประกอบการการสวดหรือว่าการพิจารณาในตอนนั่งสมาธิด้วยได้ไหมเจ้าคะเพราะมันทําให้สงบมากขึ้นเจ้าค่ะก็ดูว่ามันสงบได้เท่าไหร่สงบแล้วท่านจิตรวมได้ด ห, หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องหลังจากที่สวดไปแล้วอะไรไปแล้วก็ลองต้องหันมาดูลองต่อต้องเพ่งต้อ ง, องไม่คิดอ่าต้องคิดอ๋อ ก็ก็ยังใช้กายคตาสติเหมือนกับบทสมมตที่มันทําให้จิตผักผ่าของเพ่งคงกระดูกอย่างเดียวก็ไหนอยให้มันเอาชิดดชน้นได้ชิ้นหนึ่งอันใดอันหนี่งเป็นจุดเพ่งให้มันนิ่งถ้ายังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังเคลื่อนไหวไปอาการต่างๆอยู่มันก็จะมันก็เป็นการเจริญสติแต่ยังไม่เป็นการที่จะทําให้จิตนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้ แต่ก็เบื้องต้นก็ถ้าจิตมันไม่ยอมอยู่ับบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้การให้มันเคลื่อนไหวไปกับอาการสามสิบสองปอดก็ได้หรือเคลื่อนไหวไกับกับกบทสวดมนต์ไป ก, ก็ได้แต่ทั้งจุดเนี่ยมันต้องหยุดมันต้องหยุดดูลองดูพุโทโธอย่างเดียวหรือ ด, ดูกระดูกโครงกระดูกอะไรอย่างเดียวนี้มันถึงจะได้เเจจจ้้าาาค่่ะะ มันวันนี้มีคําถามเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์คขากลับขอบพระคุณเจ้าค่ะออกจากงานมากี่เยงเรื่อง น, นี้เอ่อลูกกลับมาเอ่อออกจากงานเนี่ยก็คือไม่ได้ทํางานตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาเจ้าค่ะพรอาจารย์แต่แต่กลับมาบ้านนี่วันวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเจ้าค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงหนูสภาพจิตใจดีขึ้นกว่าเดิมไหมสภาพจิตใจดีดีขึ้นมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ที่กลับเรียนพระอาจารย์ว่าเอ่อ ได้ได้มาเป็นคนรับใช้ของพ่อแม่อันนั้นคือสบายใจเรื่องเรื่องของหน้าที่อย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือได้ได้เจริญสติมากขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะกว่าที่ตอนทํางานเพราะว่าเ อ, อตอนที่เราไม่ได้ทํางานบ้านให้พ่อแม่เรามีเวลาเดินจงกรมคืออย่างที่กับเดียมพระจานทร์ว่าลูกถนานเดินจงกรมใช่ไหมเจ้าคะ่ะลูกก็เลยใช้วิธีการสวดมนต์ระหว่างเดินจงกรมไปก่อนช่วงแรกๆมันก็จะ พอดีโชคดีที่ได้ไปสิบวันสิบคืนที่ที่เขาชีโอนมาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้ต้นแบบการปฏิบัติมามาบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ใช้การสวดมนต์เดินเดินเป็นเวลาตามตารางแล้วก็ถ้าวันไหนมีธุระจาเป็นก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเจ้าค่ะมันทําให้เรามีสติมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอเราจะพุทโท ร, ระหว่างวันมันก็ทําให้มา เพิ่มเพิ่มการเข้าไปในพุทธโถได้มากขึ้นเรื่อยๆ เ, เจ้าขาพระอาจารย์ครับเพราะอะไรเขาไม่งงเขอยู่ดีๆเขาออกางานแล้วก็มาอยู่บ้านมาเขาเขาเห็นลูกทํางานหนักเขาเห็นใจลูกเจ้าขาพระอาจารย์เขาเข้าใจเจ้าค่ะ mm hmm. คืออย่างอย่างงานของลูกเนี่ยจะเป็นงานที่เสาร์อาทิตย์ก็โดนโทรมา ก, กวนโดนให้เปิดคอมเปิดโน้ตบุ๊กทํางานหรือว่าเคยทํางานถึงตีสามตีสี่สิ สี่ห้าทุ่มค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันค่อนข้างหนักเขาก็เลยเห็นใจอยู่เจ้ า, าค่ะเขารู้ว่าทํางานหนักมากเจ้าค่ะเขาก็ไม่กังวรว่าเรื่องรายได้อะไรอะไรจ่ายอะไร น, นี่เ อ, อเรื่องรายได้เนี่ยลูกวางแผนพอดีตอนออกมาจากที่ทํางานลูกได้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาพอสมควรแล้วก็แล้วก็ในส่วนของของในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้เงินบํานาญจาก ประกันสังคมอ่ะเจ้าค่ะเงินบำนาญประกันสังคมเนี่ยจะได้จะได้ตอนอายุห้าสิบห้าใช่ไหมเจ้าค่ะลูกอีกเจ็ดปีอีกเจ็ดปีถึงถึงจะได้บํานาญจากประกันสังคมมาบ้างเนี่ยเจ้าค่ะลูกก็ใช้วิธีการคือผ่านเงินอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ให้ใช้วิธีคือมันจะมีที่อยู่ที่หนึ่งที่สิบไร่แล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องแบ่งให้ลูกสามคนลูกก็เลยขายให้เขาเจ้าค่ะพระอาจารย์และให้เขาผ่อนเป็นรายเดือนให้มีรายได้เข้ามาเจ้าค่ะพระอาจารย์ ไคิด okay, ว่าไม่มีปัญหาทางด้า น, นการเงินการทาวาก็ตอนนี้เท่าที่ดูไม่น่ามีปัญหาเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่บ้านลูกเป็นคนที่กินอาหารก็ใช้สามคนพ่อแม่ลูกก็ประมาณสองร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเป็น mm hmm. อยู่สมรรคมาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วเสือเส้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ซื้อใหม่แล้วก็ แล้วก็ในส่วนของบ้านก็ไม่ได้เช่าแล้วก็ไม่มีหนี้อะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เช่าบอกไปรับประทานตามอาหารร้านอาหารต่างๆโอ้สูชอะไรไม่ไม่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างล่าสุดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งผานวันเกิดคุณแม่มาแล้วน้องชายจะไปเลี้ยงอาหารคุณแม่ยังบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องไปเลี้ยงก็ได้ไม่ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาเป็นสไตล์แบบสมัทอยู่แล้วเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ อย่าไปหลงกับสมัยใหม่นี่คนบ้าเรื่องมเรื่องกินเรื่องอะไรรับค่ะเขาเขาก็กินง่ายๆอย่างซื้ออาหารมาเป็นคนรับจัเขาขายอาหารถุงละยี่สิบาทตามสิบาทใช่ไมเจ้าคะก็สั่งมาตอนเย็นแล้วก็กินได้จนถึงเที่ยงเลยเจ้าค่ะอาจารย์กินง่ายๆข้าวทิ้งถ้ามันลงเรื่อ ง, งอาหารก็ไปชนาปฏิคูณของอาหารว่าเวลามันเข้าไปในปากเวลามันออกมาจากร่างกายเราเป็นยังไงบ้าง เจ้าค่ะก็พอดีพอดีคุณแม่เขาในส่วนที่คุณแม่เขาดูแลอ่คาค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ยเขาก็เขาก็มีที่เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เขาหลอกขายด้วยเหมือนกันก็ตรงนั้นก็จะเอามามาใช้จ่ายในบ้านได้ในอนาคต ด, ด้วยเจ้าค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกั ง, งวลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์ okay. Okay. ลูกจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ค่ะลูกก็มีมีแค่ที่เคยกลับเรียนพระอาจารย์ว่า มันก็จะมีเวลาน้องน้องชายมาบ้านอาจจะกินต้องอีกอาจจะมีกินร่วมกันแล้วกินเลยเวลาบ้างหรือว่าเราต้องรับรู้เรื่องปัญหาชีวิตเขาบ้างอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ลูกก็ตั้งแต่สมัยทํางานลูกเป็นคนไม่ค่อยเก็บเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาคุยกับใครเป็นเรื่องโชคดีมากก็เลยไม่ค่อยเอามากังวลเกี่ยวกับการภาวนาเท่าไหร่เจ้าค่ะอ่าฟังเขาใ้ของผู้าไปก็ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ามีสติอยู่ในปัจจุบันแนะอะไรเกิดขึ้นปั้งแล้ก็ผ่านไปแลนะ้วมันมันมันมันมันไม่เก็บจริงๆไม่ค่อยเก็บมากเจาก้าค่ะตอนที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็เพื่อเพื<ๆ>่อนๆยังงงเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่ต้องทํางานแทนสามคนอย่างเงี้ยเจา้าค่ะพระอาจารย์ทําได้ยังไงอะไรเจ้าค่ะแล้วมันนอนดึกนอนอะไรเขาก็คือลูกไม่ค่อยเก็บกลับมาเจา้าค่ะงานงานที่ทํางานหรืออะไรที่ผ่านไปแล้วโอเคอันนี้ก็อันนี้พยายาม ทำใจให้ว่างให้ว่าที่สุทธอย่าให้มีอะไรในใจในอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันก็อยากไปบูมแต่งนั่นแหะทันปฏิบัติค่ะแต่มันมีคิดวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปซื้ออาหารหรืออะไรเงี้ยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ลูกคิดให้จบแล้วก็มันไม่ได้คิดจังหวดเลยค่ะใช่ค่ะมันลูกก็คือคิดให้จบวางแผนให้จบแล้วก็ปัดไปแล้วก็มาภาวนาต่อยังไงก็เท่านั้นแหละคิดแค่นาทีสองนาทีมันจบแล้ว ค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพระอจากแต่อย่างที่กล่าวเลี้ยงพรอาจารย์ยังยืนยันเจ้าค่ะว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่เสียใจไม่ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะพราจารค่อนข้างมั่นใจว่าดีค่อนข้างเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเจ้าค่ะอาจารย์น้อสภาพจิตใจนี่หายเครียดไปเยอะนะไม่ต้องเครียดจกการงานงานค่ะก็คือเพื่อนลูกเขาคุยกับลูกเขาสังเกต น้ำเสียงลูกเขาบอกโอน้ำเสียงดีขึ้นมากเจ้าค <_ d ata> ่ะเขาบอกว่า ส, สมัยทํางานคือเวลาคุยกันเนี่ยเวลาคุยเรื่องงานมันจะมีน้ําเสียงที่ที่มีความเครียดเจ้าค <_ d ata> ่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะผ่านผ่านเรื่องการงานไปได้แต่มันมีน้ําเสียงที่มีความเครียดอยู่เขาบอกค่ะแต่พอเรามาอยู่บ้านเขาบอกว่าเขาจับได้เลยว่ามีความสุขในการในการใช้ชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นการสอนคนอื่นไปในตัวสอนด้วยการกระทําของเรา เขาเห็นดีเดี๋ยวเขาเขอยากจะทำตามอะไรมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเขาเขาตัดสินใจกลับไปอยู่เชียงใหม่กับพ่อเขาเห็นลูกกับพ่อกับแม่พ่อพ่อแม่เขาอยู่สองคนเหมือนเหมือนของลูกเลยเจ้าค่ะคือคนแก่อยู่สองคนเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาก็ตัดสินใจกลับไปอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวกําลังจะเดินทางกลับเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะการสอนนีที่สุดก็คือการทําตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นแหละค่ะ คนก็จะเอาไม่ไเอาก็อยู่ที่เขาจะไปพูดไปบอกไม่ได้ค่ะค่ะอย่างอย่างที่พ่อจย์บอกลูกว่าอยู่กับพ่อกับแม่ให้เป็นคนใช้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เถียงเขาไม่ต้องเถียงเขาก็ได้ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นจาค่ะพ่จัะะจนแต่บางทีก็มีมีมีม มีเสนอความคิดเห็นไปบ้างแต่ก็ถ้าไม่โอเคก็หยุดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เขาเขาก็เกรงใจเราเองนะเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ไม่อะไรกับเราเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราแบบเป็นคนที่ไม่ไม่อะไรกับเขามากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะอย่าไปก้าวไกลในชีวิตของเขาค่ะส菩萨วจุนก็อย่าไปเสือในชีวิตของเขาเจ้าค่ะค่ะดีค่ะค่ะ ทำหน้าที่รับใช้ เ, เข้าไปต้าถการเนื้ออะไรต้องการให้ทําอะไรก็ทำไปอย่าไปเป็นเจ้าก่าเงายังไงเข้าเนี่ยค่ะไม่จะนเขาห่วงเขาามันจะนันผิดนะแต่แต่เท่าที่ลูกเจอที่พระอาจารย์บอกลูกว่าไปยุ่งกับคุณพ่อเรื่องต่อไฟอะค่ะซึ่งมันเป็นอันตรายถึงชีวิตลูกก็ยังพอได้ข้อคิดตรงนั้นลูกก็คือเรื่องอื่นยิ่งไม่ต้องยุ่งเลยคือต่อไปนี้ก็คือไม่ยุ่งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาจะทําอะไรปล่อยเขาเลยค่ะเออค่ะ คนเวลาเขาบอกปูอาบน้ำร้อนมาก่อนมือใช่ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เขาก็เขาก็มีความคิดว่าเขารู้ดีแน่นอนเขาถึงทำค่ะพระอาจารย์เาเงเรามาได้แล้วเราจะไปกังวลอะไรกับเขามากนักเลยใช่ไหค่ะใช่เจ้าค่ะแต่ก็จริงๆเขาก็เขาก็ฉลาดพอเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเรื่องต่อไฟขออนุญาตนะเจ้าค่ะเขาก็ให้น้องชายที่เป็น อยู่การไฟฟ้ามาต่อเชื่อมเข้ากับระบบให้เจ้าค่ะเขาก็ไม่ได้ต่อเองเข้าไปทั้งหมดก็ค่ะค่ะอาจารย์ hmm. เขาก็มีความฉลาดในการทําของเขาคือเขาก็อยู่ได้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ค่ะคโอเคนะทำต่อไปค่ะ ก, ก็ก็ตั้งใจที่ได้การบ้านจากาอาจารย์ก็ยังระลึกอยู่ในใจนเสมอเจ้าค่ะว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องพยายามอยู่กับพุทโธให้ได้แต่มันยังไม่ได้นะคะพอาจารย์ hmm. ก็พยายามทําต่อไปค่อยๆทําทไป ม, มีโอกาสก็ขอไปไปิดไวิแวกเป็นพักๆไ ป, ไ ป, ไป ค่ะก็ก็กําลังกําลังพยายามให้ให้ทุกอย่างที่บ้านเข้าที่ระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามไปปิดวิเวกดูเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าอยากจะพัฒนาอยาจะให้มันก้าวหน้ามากขึ้นก็ต้องไปปิดวิเวกค่ะโอเคค่ะนั่งคุณต่อไปคุณกอลจากสุราษฎร์ธานีครับพี่น้อมสักการครับอาจารย์มาเลย อ่าผมมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องงานนะครับที่จะผิดสินรมก็คือว่าแบบเหมือนเราทํางานให้หน่วยงานของรัฐเนี้ยฮะเวลาแบบไม่รู้พูดได้ไหมเวลาเข้ามาเบิกเนี้ยฮะสมมติเขาจะเบิกขึ้นไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยให้เราเขียนเป็นให้แต่ว่าจ่ายจริงก็คือว่าไม่ถึงเลยเนี้ยฮะคือผมกลัวว่าแบบว่าคือมันเป็นทำในปกติของแต่ผมกลัวว่าเออผมจะผิดสินข้อไหนไหมผมก็ ไม่ดหรอกเราไม่ได้เป็นลักทรัพย์ของใครคนที่เขามาสั่งให้เราทําเราก็เพียงแต่เป็นคนขายแล้วก็ขายไปแล้วก็ใช้เขีนบินราคาเท่าไหร่ก็้ลยงเขาเอครับครับก็ไม่มีคําถามครับมารับฟังช่วงนี้ก็รำลึกถึงอาจารย์ตลอดครับถ้าอยากจะให้มันบอยสุดทธิ์ก็อย่าไปขายเท่ากับตางโบา ง, บางคือจริงๆพออย่างนี้มันมันก็จําเป็นนะครับคือผมไม่เคยไปหาไปเรียผู้ใหญ่หรือเงครับแต่เนาะ พอผู้ใหญ่เขาสั่งมาว่ามาที่นี่แล้วเขาเราก็เลยแบบว่าต้องต้องแบบทำให้เขาว่าครับมันก็ไม่ขาวทีเดียวมันก็ไม่ดำมันกรแบบีเทาๆเดี๋ยวจะหาว่าส่งเสริมแล้วก็บางทีอยู่ในโลกของการเป็นจริงใช่ไหมสังคมเรามันเป็นอย่างนี้มันชอบสีเทากแต่ใต้ผมก็แบบว่าคือเราเจตนาเราไม่มีนะครับอาจานเรารักษาจิตใจตัวเอง ว่าเออเราได้ทํางานแต่ว่าเออไม่ให้ผิดศีลธรรมแบบว่าขอ้อก็ก็คือก็คือเราจะมีความสุขแลครับอืมครับ เ, เรื่องอื่นก็มีครับแต่ว่าแก้ปัญหาได้ครับผมกขอบคุณครับอาจารย์พรพิไลอาจารย์เป็นงคนนั้นกวนอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะกำลังมรดการค่ะเดีย๋ยวมรด ก, การพอา ก, การครับอ่าเป็งไงวันก่อนย<อ>ังไปไปร่วมรุ่นอยู่เหรอไป เป็นร่นรุ่นใช่ครับวันที่แล้วมีมีฮาบินเดอร์ฮา์บินเดอร์ฮอืมเพื่อนรุ่นรน่ก็เออเปิดตัวหลังโควิดอันนีนานๆจะได้เจอนาทีนะอาจารย์ทราบข่าวจากที่ไหนก็ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาก่อนขอโทษกันนะ ตอนที่เข้าไปร่วม่าถ่ายรูปโพสขึ้นมาให้ดูไม่ต้องไปไหนนะเป็นวันเกิดของฮางบินเดอร์ขอ ง, งป้ากันออเป็นนี7เจ็ดส <laughs> ิบปาครับแต่วนตี้ครับ almost 80 g h t y นะคะทุกคนี <laughs> ย <laughs> แต่เที่ยวนี้ไป อ, อ, อาหารแขกอะอาหารเหมือนกันอนะมันก็มาจากตลาดนันเดียว่นนะ เห็นว่างแผนจะไปกราบพระาจ่ายกันไหมคะอด็กได้หินอีกลุ่มอีกลุ่มนึ่งค่ะแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันเขาจะต้องมาถามนะื่องค่ะเห็นบอกบางบางคนก็อยากจะไปไปตักบาตรบางคนก็อยากจะไปไปกราบก็ยังไม่ทราบแล้วแต่ามาให้โน้ตตกลงอะไรอ่างเงีค่ะนี่ไงคุณวันนี้ไม่มีคําถามาค่ะรับฟังค่ะ ไ ด, ได้ได้ประโยชน์หลากหลายค่ะโอเคสาธุนะบายสวัสดีค่ะคุณยินดีต่อไปอเมริกาทนี้เดียวห่งต่ออเมริกาแล้วเช้าเพลินอร่ยนะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะแล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงท่านอาจารย์เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกลับท่านอาจารย์แล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์เช่นเดียวกันนะบายทุกคนในความสุขนะ ค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์อาทิตยหน้าโมตานะโมนี่มีอะไรเห็นก้ก็ดูว่าลืมลืมพอก็ดูไม่เยรอก็พระอาจารย์ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฝึกกระดูกเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทำพุทธานุสติสลับกับ อ, อาณาปานาสติครับแล้วแต่วันพระอาจารย์ถ้าวันไหนที่ ส่วนใหญ่ก็จะใช้พุทธานุสติคับอาจารย์แต่ว่าถ้าสติมันค่องแคล่วอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้พุทธานุสติเพื่อจู น, จนให้มันคล่องแคล่วครับอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสติผมมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนครับอาจารย์มันสามารถเห็นอารมณ์ที่วิ่งเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่ยอมเป็นของปมะจุนะ ้เมผมแม่บ้านเขาว่าทําให้ผมรู้สึกโมโหอะค่ะผอาจารย์ผมก็เห็นถึงความโมโหแล้วก็เห็นมันเป็นแบบอารมณ์แบบจี้ขึ้นมาอย่างนี้ลยค่ะผอาจารย์พเราพยายามเขาทําอะไรเขาไม่ทำตามที่เร า, าอารยากแล้วก็เวลาเพื่อนพิมพ์มาแบอบกว่าติดโควิดอย่างเงี้ยค่ะผอาจารย์ผมก็ จะรับรู้ได้ยินออ่พอได้ยินข่าวแล้วก็จะรับรู้แล้วก็วางปล่อยวางครับอาจารย์ก็จะไม่มีอะไรครับอาจารย์ hmm. ใช่ครับมันก็จะรับรู้ได้ไวขึ้นครับแล้วมันก็จะวางเรื่อยขึ้นครับโอเคครับอาจารย์วันนี้มีคําถามอยากจะมาสอบถามอาจารย์ครับคือ คำถามแรกก็คือเราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไงครับอาจารย์ว่าคนรอบข้างเราที่เข้ามาหาเราเนี้ยครับเป็นกัลยาณมิตรที่เออ่ดีและจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยครับไม่ได้จะพาไปในสิ่งที่แย่ครับจก็ดูพฤติกรรมของเราเลยเขาทำอย่างไรขเขาดื่มเหล้าหรือเปล่าเขาสูบบุหรือเปล่าเขาเล่นการพนันหรือเปล่าเขาเที่ยวบาเที่ยวผังหรือเปล่าเขาโกหกหรือเปล่าก็ดูอย่างนี้ เขา็มีสีหรือเปล่าหรือ ว, ว่าเขาเขาหมกมุ่นกับพวกาาอาวัยวะต่างๆหรือเปล่าอันนี้นคุณสมบัติของคนที่ไม่น่าจะครบด้วยเพราะเขาจะชวนเราไปทําสิ่งที่เขาชอบทําเขาเข้าวัดหรือเปล่าเขาฟังเทศฟทำธรรมทำบุญชัยบาตรหรือเปล่านี่นี่เป็นคุณสมบัติของคนต้องดูเฉั้นถ้าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขา คนจะครบแล้วไม่คนจะคร บ, ม, บมีเพื่อนบางคนต้อ ง, <า>งใช้เวลา<น>ศึกษาใช่คเพราะว่ามีเพื่อนบางคนนะครับอาจารย์ที่ดูตอนแรกก็ดูเหมือนเข้ามาทางธรรมคับอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้แบบว่าบรทธิษตแบบดีขนาดนั้นจิตใจเขายังขุ่นมัวอยู่ก็เลยห่างเหินกันไปครับอาจารย์คนเราก็ต้องค อ, อยดูไปเรื่อยอย่าพูด ไ่ไว้ใจคนพบกันใหม่ๆเขาอาจจะแสดงตัวดีก็ได้ต่อไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเคื่องพิสูจน์คนมานี่เวลาเริ่มต้นวิ่งมันจะวิ่งแล้วแต่วิ่งไปนานๆเันจะเริ่มแผ่วมาติดต้นกับมาติดปลายคนนีอเหมือนกันคนใหม่ๆเขาอาจจะดีทุกอย่าง แล้วต่อไปก็าจะกลายเป็นอย่างอย่างก็ได้พระอาจารย์แล้ว ก, วแวก็แล้วก็มีคําถามหนึ่งครับพระอาจารย์คือคุณยายผมะครับชอบบ่นว่าปวดขาคือจริงๆแล้วอะ่ะคือดูแล้วเนี่ยคือคุณยายเราไปหาหมอแล้วว่าหลายรอบเลยคุณยายเขาชอบไปหาหมอฝังเข็มนะครับเหมือนมันเป็นจิตวิทยาของเขาอะครับว่า ถ้าเขาไปหาหมอแล้วคืออย่างน้อยมันได้ทําอะไรบางอยา่างเขาก็จะรู้สึกเหมือนอาการเขาดีขึ้นนัทนนที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยอะครับอาจารย์เราจะรู้ได้ไงเขาไม่เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นตัวามากขนาไหนไปรู้ได้ครับคือเขาก็แค่เหมือนลบเร้าอยากไปอะครับแต่เขาก็อพอไปตรวจก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วถามเขาเขาก็บอกเขาก็เหมือนไม่มีอะไรอะครับอาจารย์แต่เขาแค่ รบเราก็อยากไปอ่ะครับแล้วคุณแม่ก็เป็นคนกลัวโควิดนะครับแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าวโรงพยาบาลอย่างนี้ที่มีผู้ป่วยเยอะก็เลยอ่าแล้วพอคุณแม่บอกคุณยายว่าขอไม่พาไปได้ไหมเพราะกลัวโควิดคือพูดไปตามตรงนะครับอาจารย์เพราะคุณแม่ก็ไม่อยากโกหกคุณยายก็จะเหมือนน้อยใจแล้วก็บอกหงเงี้ยครับผมก็ต้องเป็นคนที่คอยไปอ่าเหมือนแบบ เกี่อวคุณยายให้คุณยายหายโกรอนะคะพระอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าพระอาจารย์มีความเห็นอะไรอยากจะช่วยอ advice ไ, ไหมคะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะโกรธก็โกรธไปแล้วก็อยู่ให้ชใช้เราไปครับพระอาจารย์เราก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวทะเลาะกันนะครับเพราะคุณยายมันก็รู้ก็เขาจะทะเลาะ ก, กันแล้วเราเป็นไม่อยากให้ทะเลาะ ก, กันได้เลย ครับอาจารย์พอเราไม่อยากแล้วก็เดือดร้อนไม่กับเขาถ้าเราเฉยๆมันก็ไม่เดือดร้อนเขาจะทะลเลาะกันก็ปล่อยว่าทะเลาะกันน่ปเขาจะรักกันก็ปล่อยว่ารัก ก, กั น, <c oughs> นที่เรื่องของเราหน่อยครับอาจารย์น <c oughs> ั่นคไฟปีสด็จครัอาจารย์อยู่มันความจริงเลยอย่าไปอยู่มันความเจริ <c oughs> อยู่มัน <Yeah. S 1> ความจริงเป็นยังไงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นความจริงเขากโกรธกันเขาทะล K เลาะกันก็ก็อยู่กับความจริงนั้นไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ทะเลาะกัน เมื่อเราไปอ้างก็ไม่ไ ด, ได้ครับอาจารย์ได้ครับต้องคิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปทบทวนเรื่องพิจารณากายครับพระอาจารย์แต่อย่างงั้นว่านึงให้นึกถึงโกงระดับสัตต่างๆถึงไม่เห็นดีเลยไม่เลยเลยหรอมันพระอาจารย์ร <c oughs> ู้อ่ะถ้าเธอรู้ได้ไงนี่ดูสนิทเลย ก็มันก่อนต้นที่พูดถึงกองะดูกใหม่ๆเขาคิดว่าง่ายเหมืนน่ว่ามันกองกระดูก ใ, ใช่มันเห็นปั๊บแต่มันก็เห็นได้แต่มันเห็นไม่ได้ตลอดหรือเปล่า<ะ> น, นั่นแหะคือปัญญาอยนางเขาเรียกว่าสัญญาอะไรนะถ้าปัญญามันจะไม่ลุด ม, มันจะเห็นทุกวันเห็นทุกเวลาอ น, นี้สัญญาสัญญาคือความจําจําได้ก็ลืมได้ใช่ไหมความจำนี่ยังไม่เป็นปัญญา ถ้าเป็นปัญญามันจะไม่เล่เห็นใครมันก็จะเห็นโครงกระดูกเขาก่อนครับคุอาจารย์ที่ได้ครับต้องกลับไปฝึกต่อนลครับอาจารย์อันนี้หมดคําถามแล้วครับขอบคุณอาจารย์ครับไปอยู่กับเรื่องชาวบ้านของเราไม่ยุ่งขอโทษครับอาจ า, ารย์ <c oughs> เรเวลามายุ่กับเรื่องของเราเลยครเอาเวลามาดูโครงกระดูกของของแม่กับของยา ย, ยค่ะ ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเดินออกไปจากห้องดูเลยครับอาจารย์อยู่ในซูมดูทุกคนเลยครับ ด, ด, ดูของเราด้วยได้ครับอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ขอบคุณภ <All S 2> ราจารยครับ uh, อคุณอาจารย์สายทิพย์เชิญกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นแบบค่ะสิงห์แตงอยู่นะ เอ่อวันวันนี้ไม่ได้ถือสินแปดค่ะพระอาจารย์สินแปดเริ่มเริ่มหายไปเริ่มแผวมแผ่วค่ะเพราะว่าช่วงนี้เตรียมสอนแล้วก็หมดแรงค่ะพระอาจารย์<ม>บางวันอยู่ดึกมันจะมีคําถามตรงนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์เรื่องสินแปดงั้นถามเลยเอ่อช่วงนี้จะสอนเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็จะขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าจะลดลมก็จะคิดว่าอยากจะเหลืออาทิตย์หนึงสักสามวันค่ะพระอาจารย์ ก็อยู่ที่เร า, าเราจําเป็นจะต้องลดได้มากน้อยเท่าไหรก็จ่ถ้าเราล่นลดได้เท่าไหร่ยิ่งดีใัในเช่นปฏิบัตินะลดเราจะได้มีเวลามาใช้กับการปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าที่นี้พอตารางสอนเต็มเลยค่ะพระอาจารย์อนนี้ก็อัน น, นนี้ก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าปีหน้าเทอมหน้าก่อนบอกเขาว่าแล้วมาตการจะลดลงอันนี้มัน อันนี้ก็ต้องรับแบบวิบากรรมไปแบก่อนค่ะเหมือนเราอาจจะใจดีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาช่วยสอนอก็ได้เราไอ้ก็ได้แล้วก็เลยมาแบกของตัวเองค่ะก็มีขอบเขตีย่าไม่ใช่ก็ได้ทุกครั้งแบบครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่มีแน่แน่หรือไม่หรือไม่งั้นก็คือ เราก็ถ้าถ้ามันวิชาเราสอนซ้ําๆบ่อยแล้วอาจอาจจะทําให้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าไม่ต้องเตรียมนานใช่ไหมคะพระอาจาใช่อาจจะไม่ต้องเตรียมเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามให้ความจําให้มันดีขึ้นแน่นขึ้นหรือว่าใช้เวลาให้ไม่มันน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไหลๆอยู่คะ่ะพระอาจารย์อีกอีกเรื่องนึงคะ่ะพระอาจารย์ ก็คือเรื่องของสินแปดนี่ยหละค่ะเรื่องที่นอนค่ะพระอาจารย์หนูไม่แน่ใจว่าตัวเองนอนพื้นแข็งแล้วมันทําให้ปวดเอวแล้วมันล้าไปที่ขาหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้ปวดเอวแล้วก็ล้ามาที่ขาข้างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็นเรื่องของสังขารมากกว่ามันสังขารไม่เที่ยงนะไมันชื่อเรื่องที่ที่นอนไม่ไม่ได้เกี่ยวใช่ไห ม, มคะพระอาจารยไ์ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ แต่ว่าหนูก็ยังนอนที่เป็นพื้นแล้วเอาผ้ามาปูให้มันหนาขึ้นหน่อยนึงค่ะยังยังไม่ยังไม่กล้านอนฟูกยังไม่เอามาค่ะมาถามพอาจารย์ก่อนหลวงปู่หลวงตาท่านอยู่มันเป็นเก <c oughs> ้าสิบน้อยปีท่านก็นอนกับพื้นมาตลอดได้นกสงสัยส <c oughs> งสัยกิเลสมองเห็นฟูกนาะนๆจะเอาผ้ามาใหม่โอปทานม <c oughs> ากกว่าค่ะงการกมันก็ต้อ ง, ม, อง ม, ม, มันก็เจ็บบ้างปวดมากก็รักษาไปเร ไันนวดไปอะไรไ ป, ป น, <า>นวดไปนวดมาสองรอบแล้วค่ะอาจารย์แต่ก็ก็ดีขึ้นค่ะหรือไม่งั้นก็ทุกทีค่ะอยู่กับมันไปค่ะอยู่กับความเจ็บไปมันจะ<ม>วปวดก็ปวดไปเจ็บก็บเจ็บไ ป, ปอไปืปมค่ะงั้นงั้นจะจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะปฏิบัติอย่างเรื่องที่นอนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์มพยายามที่รย์พยายามจะหาช่องทางกลับไปสู่ความสุขความสบายนะ มันมันจะดึงถอยคืนไปก <l ots> ิเลสมันมันเก่งๆค่ะพระอาจารย์ <l ots> ตอนนี้เรื่องอาหารมันก็ดึงไปได้บ้างแล้วค่ะ <l ots> พระอาจารย์คะมีมีสภาวธรรมหนึ่งที่จะถามพระอาจารย์ค่ะมีวันหนึ่งนั่งฟังนั่งฟังธรรมค่ะแล้วก็เหมือนอาจจะหลับตาแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยแต่ว่าจําจําได้ไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเอาเอาหลังพิงพิงหัวเตียงอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆ ความคิดมันดูเหมือนแบบเบาแล้วก็ลออยู่กยไกลๆเหมือนไกลๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็หยุดทุ๊บไปเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนหยุดแล้วก็ล่องแล้วก็ว่างว่างแบบว่างเหมือนแบบเป็นอากาศเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบไม่มีอะไรไม่มีลมหายใจด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยบบแบบเราก็มองมันอยู่พักนึงแล้วก็เออแปลกใจมันดำไปคิดไหมค่ะพระอาจารย์เอะแปลกดีอยู่ๆก็ก็ว่างไปเลยความคิดก็ ดับไปเลยลมหายใจก็ไม่มีอันนี้มันกันนิกะสมาธิคันนิกะสมาธิมาแป๊บเดียวเพอทุกอย่างมันลงตัวมันพอทุกอย่างมันลงตัวก็เลยมันไม่ก่อซุปได้เป็นเพราะมันไม่อยากด้วยมันงคะพระอาจารย์อาจจะนิร้ายนั่งในท่าแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะสงบสงบไรือยังได้ได้ดูนังตัวอย่างของความสงบว่าเป็นยังไง ค่ะคราวนี้นานขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยจากที่ที่เคยผ่านมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะจะสังเกตทุกครั้งที่ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ความคิดก่อนที่มันจะเข้าคณิกะค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเบาๆแต่เหมือนมีความเหมือนมีคิดนิดนึงแล้วก็หายไปเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจำจะพาวระก่อนเข้าไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อย่าไปเรงอย่าไปแรงถ้ายิ่งแรงมันยิ่งไม่เข้า ค่ะต้องทําแบบตอนที่เราไม่ลืไม่ชี้ไปเหมือนเมื่อเมื่อกี้ที่แบบที่มันที่ที่ได้เมื่อกี้คือไม่ทันคิดอะไรค่ะอาจารย์เพลนเพลินแล้วก็แบบมันสบายสบายก็ต้องทําแบบนั้นทํายากจังเลยค่ะพระอาจารย์ไปเริงไปจังวะไปเมื่อไหร่มันจะเข้าเมื่อไหร่มันจะเป็นไปเป็นเรงไปจ้างไปเฝ้าไม่เข้าอเพราะมันจิตนั้นมันมันไม่ไม่ปล่อยไม่ ใช่ค่ะอาจารย์ติดตรงนี้เลยค่ะแบบว่าโอ๊ยที่ทับใจจะไม่อยากหรือไม่เป็นจ้องนี้มันยากกอะไรเราจะทําเหมือนเนียนแบบไม่ได้สนใจนะแต่ว่าสนใจนะ<ม>อะไรเงี้ยค่ะว่า ก, ก็รู้ว่าอยความอยากนี่เนาะอะไรเงี้ยค่ะ<ช>ค่ะความอยากจะเป็นตัวขวางผลที่เราต้องการอืมค่ะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนน้องนณโมนนะคละค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ดูกระยูก ไปด้วยกันแต่ว่าดูลมหายใจค่ะพระอาจารย์มีมีวันนี้ค่ะพิจารณาว่าลมหายใจเข้ากับออกเอ๊ะที่เราก็ตายทุกระยะลมหายใจเลยนี่นะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอมันเห็นแบบนี้ปุาาา๊บอ้าถ้าอย่างนี้เราจะอยากได้อะไรเดี๋ยวก็นี่มันก็ตายพอมันอยู่กับตรงนี้ปุ๊บค่ะพระอาจารย์มันเหมือน ก็ไ ม, ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดว่าเราเอ้มันก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนี่นะเดี๋ยวก็แบบปดลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตันนี้ก็มองมองเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าเรื่องอื่นๆมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยการจะเจริญปัญญานี่มันไม่ง่ายมันพูดง่ายแต่ถึงเวลาทําจริงๆมันทําแป๊บเดียวหายไปเลย เปลี่ยนไปเรื่องอื่นนะค่ะพี่อาจารย์การที่อยู่กับเรื่องปัญญานี่ต่อเนื่องม่ค่อได้นานเท่าไหร่อันนี้ไม่ดีหายไปเป็นวันเงี้ยคงกระดูการการที่เสานี่หายไปเลยใช่ค่ะพีอาจารย์เดี๋ยวตั้งหลักใหม่ได้เรื่อยคะว่าหเราต้นไงก็รองอยู่ดีต้าไงก็ร้องอยู่เลยไม่ยอมไม่รับต้านง่ายๆหรอกเพราะถ้าเราต้นได้ง่ายๆมันมันรู้กันหมดแล้ว ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพยายามต่อไปค่ะโอเคค่ะพยายามมีหลายทําจาเนียรที่ได้กาลรักษาแน่จริอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุคุณหมอภาสนาเชิญก่อนละมอสการพระอาจารย์ค่ะก็ยังรู้สึกดีอยู่ค่ะพระอาจารย์มีคําถามนะคะก็คือว่าการรักษาความสงบของใจหลังจาออกสมาธิใช่ไหมคะเหมือนที่ พระอาจารย์ให้อุบายเรื่องของการเจริญพรหมิหารศีลค่ะพอเอามา <ert> มันเหมือนกับว่ า, าการที่เราเจริญพรหมิหารศีลเนี่ยใช้เมตตาในวิธีดาเวเบกขานเนี่ยกับไตรักกับปริยสัตว์เนี่ ย, ษษยมันทําให้เราเหมาะแล้วมีอารมณ์มันคืออันนี้มันคือเป็นการที่เราดูใจตลอดทั้งวันได้ใช่ไหมคะ เ, เ, เขาเรียกว่าอะไรเป็นการทาให้และคือทําแล้วเนี่ยมันทาให้เราสงบอ่ะมันเป็นการจเจริญปัญญาแบบว่าใช้ดูดูอารมณ์กับดูธรรมใช่ไหมคะพระอาจารย์ เป็นอารมณ์เดียวอย่างน right? ี้ใช่ไหมคะคือการนั่นแหละเป็นการใช้ทำเพื like <sm> ่อรักษาใจให้อยู่ในเบคาตลอดเวลาเพราะว่าเราถ้าเรามองว่าทุกอย่างเหมือนกันเป็นจิตเหมือนกันเราอยากให้เขามีความสุขแล้วเราโอปปัญโกเราช่วยเขาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจริงแล้วพระอาจารย์ใช่แล้วใช้พรอมหันสี่เวลาเราเกี่ยวข้องกับคนแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ใช้เบขาอ่าใช่ อยู่คนเดียวอุเบก ค, ค่แต่เราก็ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ได้นั่งสมาธิมันก็จะเห็นรับๆตัวแล้วก็ดูรอบๆได้ถูกไหมคะก็ดูพวกเอเหมือนสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมค ะ, ะหรือไม่ต้องดูหรือว่าอุเบกค่อย <c oughs> ่างเดียวเราแต่เราดูทําไมมันต้องมีเหตุผลในดูอ๋อก็ดูแบบคือมัอนก็จะไม่ได้เตะนะฝึกสติตลอด <c oughs> คือพยายามค อ, องสติไว้ไงพระอาจารย์ให้ดูแบบอารมณ์เดียวอย่างนี้ไม่หรือไม่ต้องมาหรือว่าถ้าดูไปนักที่จับทุกข์ขาหน้าตาเนี่ยก็เป็นปัญญา พยายามดูลบล้อมใช่ไหมคะอาจารย์พยายามก็แล้วแต่มันจะว่าพยายามพยายามให้มันเป็นตายรักพยายามให้เห็นว่าเป็นธาตุธาตจะเห็นอะไรให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นธาตุการเห็นเห็นเป็นธาตุอาจารย์เขามีความรู้สึกว่าพอเราทําให้เลิกพมทธิหารสี่มันทำให้เหมือนกับเหมือนกับว่าพอมันเห็นว่ามันเหมือนการมันลดมันเหมือนกับลดอัตราในจิตได้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ามันยังหรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันมันมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมัน มันมันยิ่งได้มากขึ้นอย่างนี้อันนี้มันช่วยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันลดอัตราได้ช่วยใช่ไหมคะเพราะมันเห็นเหมือนกับเท่ากันเลยอะ่ะเป็นไหมคะหรือว่าก็ก็ดูไปก็แล้วกันดูว่าตาเราๆๆๆว่างหรื <c oughs> อเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อค่อยๆดูของตัวเองไปแล้วก็ใช้ความยืหันติเจริญ <c oughs> อันนี้เป็นดีมากเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันช่วยให้สงบจิง แล้วก็ทำงานได้คือจริงๆตอนแรกเนี่ยละลดงานแลยนะคะอาจารย์เหลือแค่งานเดียวตอนแรกว่าจะออกมาแลนน้วแต่คณิอาจารย์้ยังช่วยอยู่เพราะว่าเราทํางานประสานงานนะก็ใช้อันนี้ยช่วยได้เยอะก็รู้สึกว่าเออเราช่วยเขาไปก่อนแต่ว่าเราเราเวลาเราช่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจริญปัญญาแล้วก็ปฏิบัติทําได้ในระหว่างทำํำลนความเห่นแก่ตัวลงไปก็ทลลก่าเราลดอัตราใช่ไหมทำอะไรให้กําลังน้อย <รบ S 1> ให้น้อยลงไปใช่ก็ใช้ผูอื่นอ<ะ>๋อ ล, ลดอัตราได้อาจารย์เข้าใจแล้วค่ะ แตใช่เป็นรับใช้ผู้ยนเดินงานของเราไปเพราะเราเร า, เราก็ต้องทำแต่ ถ, ถ, ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนก็ก็้ เ, เขาเป็นที่ตั้งอย่าง เ, เราเป็นที่ตั้งพ อ, พอเรื่องเข้าใจแล้วจ้ะเดี๋ยวทําต่อแล้วเดี๋ยวที่หน้าไปเขาชีโอนคอาจารย์เกินหน้าเกินหน้านี่ได้ไปวัดนานหน่อยเพราะว่าลูกไม่อยู่เราก็ไปวัดนานเลยเดี๋ยวไปเขาชีโอนก่อนนะคะพอาจารย์เราจะไปทับดาวค่ะ ว่าจะไปท้ำเต่าก่อนเพราะว่าพาะอาจาจะเทศทุกวันไปถ้ำเต่าก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็จะไปสารน้อยสารน้อยก็เตรียมกำลังไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าวอดถ้ำเต่ามันก็ถือว่าเออสถานที่เราชินแล้วแล้วก็เดินปฏิบัติได้เราตื่นตีเราตื่นแล้วก็มาทำครัวด้วยนะคะพระอาจารย์แล้วก็เจริญปัญญานั่งสมาธิได้แล้วก็ไปกวาดตากวาดตาก็คือกวาดใบไม้แล้วก็สวดมนต์แล้วก็นั่งคือมันทำได้มันทำได้คล่องตัวแล้วก็แล้วก็ไม่มันไม่มีอะไรที่ต้องระวังแต่ว่าแค่สารน้อยยังจะมีสุนัขเดี๋ยวต้องเอาคํา คืออกว่าเดี๋ยวพยายามว่าแล้วบ้านมันจะค่อนข้างแบบว่ามันจะรู้สึกว่าจะโหดสุดในบรรดาสามวันแต่ตัวชอบนะคะเพราะพระจันทร์นิพนธ์ท่านจะแบบรื้อซึ้งมากเลยชอบมากๆเลยทํำแบงท่านโอเคแล้วทุนลงไปได้เรื่องเปยนที่ไปได้เลยค่ะเริ่มชอบวัด ป, ป, ป่ามากพระอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลับมาบ้านแล้วรู้สึกคิดถึงป่าของวัดใช่ครับคุณธรรมวันเชิงสัมเสน นวัฒการเจ้าค่ะพระอาจารย์มามาพระอาจารย์คะยมมองอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะคื อ, อสังโยชน์การลาสังโยชน์เนี่ยเป็นผลแต่เหตุที่จะทําเหตุให้ได้ลาสังโยชน์คือเทำ ม, มักแปดอริยมักมีองแปดให้บริบูรณ์ทั้งแปดข้ออีกนี่ใช่ไหมคะแล้วก็แข็งขัน้นก็ต้องค์ข็งขั น, งขนสมาธิปัญญาค่ะทีนี้ก็ ก็คือถ้าเป็นเป็นมรแปดเราก็ไปทำที่สัมมาสติโดยใช้สัมมาสตินี่ก็คือก็คือสติปัฏฐานสี่เราก็ต้องทำสติปัฏฐานสี่คืออย่างนั้นใช่ไหมคะแลสติปัฏฐานสี่ก็เป็นวิธีละสังโยชน์อ๋อค่ะให้ละกายให้เวทนาแล้วละสังโยชน์สักกายพิจิต น, นเราก็ เน้นสติประฐานสี่อย่างเดียวเลยอย่างนี้ใช่ท่านพระญาติหลวงท่านจะเรียสติประธานสี่ได้ก็บรรลได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ้าค่ะยอมจะลองมาทางนี้หน่ค่ะอ่าจะไปทางไหนอนะ่ะทางสติประฐานสี่เนี่ยค่ะเพราะว่ามีทางเดียวพระญาติครับนี่คือทางเดียวคื อ, อยอมไม่ค่อยได้ พิจารณากายเวิทนาจิตธรรมยาวๆอย่างเนี้ยค่ะรวมพิจารณาแต่กายวิทนากายวิทนาธรรมกายวนาธรรมเวลาทำ<ม>จริงๆ ม, มันไม่ทําแบบมันไม่ได้ทําแบบรวมกันนะมันเอาทีละตทีละขั้นไม่ใช่ทำแบบเวลาทําสติก็ไม่ยุ่งกับการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเลยให้ฝึกสติให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันให้นู่นอยู่กับอารมณ์ที่เรานั่งไว้อย่างเดียวก่อนอ เราเวลานั่งสมาธิก็ให้มันรวมเข้าไ ป, ไปเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนอันนี้มันทําทีละอันนะไม่ใช่แบบเ ม, มาเมาใจทีเดียวทําทั้งหมดทั้งสี่ไม่ใช่นะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดทั้งสี่ ส, สติปัฏฐานสีนี่คือทําทีละอันในใจก่อนทำสติก่อ น, ในใทาสติก่อนถกสติแล้วก็พอมีสติก็ น, นั่งสมาธินะ ให้มันรวมเป็นอภปนาสมาธิให้ ไ, ได้เบเกขาก่อน ไ, ได้เบเกขาทีนี้ก็มาเอากายก่อนพิจารณากายก่อนพิจารณาว่าร่างกายเป็นไตรนละักไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยร่างกายได้แล้วก็มาพิจารณาเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยเวทนาได้แล้วก็ไปปล่อยจิตอีกทีหนึ่งไม่ได้ทําแบบ นั่งอ่านแล้วก็เมาจะทําพร้อมกันหมดไม่ไมใช่เข้าใจผิดแล้วหลังจากจิตนี่พิจารณาจิตแล้วทําทํานี่มันจะมาเองหรือว่าเราต้องเข้าไ ป, ปทำเป็นเครื่องมือที่เราใช้พิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้ทํำเราไม่ต้องไปพิจารณาทำเราต้องสร้างขึ้นมาทําคือมากมากที่นี่ ปัญญาสัจสีสติสมาธิปัญญาอะเป็นมากเธอต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้ในการละกายเวิทยาจิตมากก็คือองค์แปดเนี่ยมากแปดเนี่ยที่คือพูดถึงเนี่ยมันก็อยู่ในสติปัฏฐ า, านสี่ทุกอย่างรวมในสติปัฏฐานสี่หมดทำทุกวันดับก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่ อย่าไปอ่านอ่านแล้วจะงงจะสับสนอ่านแล้วไปแปลเองไปปฏิบัติเองนี่ผิดอั่างหุนแเพราะไม่แน่ใจก็เลยลรีบมาถามพระอาจารย์เออนี่นยว่าเอาขั้นต้นนี้ปอกไก่ก่อนเรียนหนังสือก็อย่าไปอ่านไปเขียนวันแต่งวันคดีอยู่วันรุบาวก็ทําหัดหัดทำปอกอไก่ข้อไขไว้ก่อนหัดสะกดก่อนชะละอาชะละอาไม่ใช่พอเริ่มต้นก็พอปกไก่ขอไขได้สองคำไปแต่งวรรณคดีเลย <c oughs> มันยังไม่ถึงขัง้นนั้นมันะเปไปข้ามขั้นพระอาจารย์คะขอถามอีกคำถามนึงค่ะเวลานั่งสมาธิเนี่ยค่ะโยมไม่เคยแบบตกลุมตกบอ่อหรือลงเหวอะไรเหมือนที่คนอื่นพูดเลยนะคะแต่ของโยมเนี่ยจะเป็นแบบมันจะแบบมันจะเหมือนกับตัววืเข้าไปในอวกาศก็ได้แต่ละคนมันก็มันก็มีลักษณะต่างๆกันไป ขอใหมันสงบนิ่งสักแต่ว่ารูกก็ไม่คิดปูงแต่งเป็นอุเบค่ะมีความสุงมากเจ้าค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะเโยมจะลองเนศชิกเนี่ยค่ะเนศชิกเนี่ยโยมอยากถามว่าพระพระภิกษุเนี่ยเวลาเนศชิกตอนบ่ายพระไปนอนกันหรือเปล่าค ก็แล้วแต่คนที่ถือเขาก็ไม่นอนที่เขาถืออันนี้มันได้เป็นข้อมันคำให้ทําอยู่ที่ตัวเราสมัครใจทําถ้าเขาอยากจะไม่นอนก็อยากจะมังคับให้เขาปฏิบัติให้มากๆเขาก็ถือในสัตชิกถือสาวิเลยียมผลพานที่เขาไม่ถือในสัตชิกเขาจะนอนขี่อยองมงก็ได้ไม่ได้เป็นแล้วพระพุทธเจ้าเคยมีกล่าวไหมคะว่าเนสัตชิกไม่ ต้องเนสศึกษยาวไม่ห้ามนอนอะไรอย่างเงี้ยตอนก็แล้วแต่สมัครใจนี่เป็นข้อที่ไม่ไม่ได้เป็นข้อบังคับเป็นออปชั่นคุณซื้อรถเขาเขาให้มีออปชั่นในคนเดิมจะใช้ล้อมแม็กหรือไม่ล้อมแม็กนี้เพราะมปนบังคับให้คนซื้อล้อมแม็กไปด้วยแล้วอาจารย์เจ้าคะแล้วผลของการเนรศึกษานี่ยคะ่ะก็จะปฏิบัติเยอะขึ้นไงทำเวลามากขึ้นไงมันทำโอ t อย่างเงี้ย พยายาไมแทนที่จะถึงเวลาเริ่มห้าโมงไม่เริ่มทำตอบถึงสองทุ่อย่างเงี้ย<ม>ถึงเวลานอนแทนที่จะนอนไม่นอนทําต่อไปเลยเคค่คือโอทีนี่ดีแน่เนยในสัจจีก็คือการปฏิบัติโอทคคีอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราขอโทษเจ้าค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้นอนแล้วเช้าเราเช้ า, า, ชามืดเราจะปฏิบัติได้ดีกว่าก็ไม่มีใครเข้าบังคับคุณอ่ะ <c oughs> คุณคุณคุณอยากจะนอนก็นอนไปสิไม่เกี่ยววันนี้ก็ไม่อยากจะนอนเขาก็ไม่นอนอมไม่ได้บังคับกัน้บอกว่าเป็นออปชั่นไงเขาบอกทํำไมการซื้อรถเขามีออปชั่นติดแอร์แล้วไม่ติดแอร์ซื้อรถที่เอาเียออโ ต, ต้แล้วเกียร์ธรรมดาเป็นออปชั่นให้เลือก ถ้าจะเอาออฟชั่นก็ต้องจ่ายมากขึ้นคือโยมาเข้าใจว่าเนสัตชิกเป็นการเพิ่มแรงมาก็เพิ่มอะไรก็ทําก็ปฏิบัติมากขึ้นก็เพิ่มสติมากขึ้นเพิ่มพละง้ามากขึ้นนัค่ะยิ่งทามากก็จิตก็มีพลังมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีกําลังเราก็ทําไม่ได้เราต้องทําต่างกลุ่หลังเร า, าไปก่อนไปเราวําลังอ่านเรามากขึ้นมากขึ้นเราจะคิดได้เนสัตชิกนี่หนูแล้วเกิน ลองทำดูนะ ไ, oh. ไม่ใช่เห็นคนอห่นเขาทำแล้วเราจะทำตามเข ท, ทันทีแต่ละคนที่มีระดับของการปฏิบัติมาไม่เท่ากันนะงั้นต้องดูกำลังของเราอย่าไปดูของคนอื่นอันทีสมัยที่สอนกันสอนแบบมั่วกันไปบังคับกันเด็กเรียนก่อไก่กันใ น, ในสัจชิดแล้วพอเข้าวัดป้ากาจำในสัจชิตทันที นี่เป็นเรื่องของของผู้ปฏิบัติจะพิจารณาเองว่าจะถือชุนองข้อไหนบ้างใน ไ, ไม่ถือบ้างแล้วแต่กำลังแต่ละคนให้พิจารณาตัวเองได้แต่ถ้าไปอยู่กับวัดที่ก็มีระเบียบก็อาจจะต้องยอมก็ต้องทำตามที่ต้อมีระเบียบเช่นบางวัดเ้าก็มีเนืสัจชิดทุกวันพระอย่างนี้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็อย่าไปวัดนั้นก็แล้วก็เปลี่ยววัดไป ใช่ไหมก็มีทางนั้นแหละจะทํำไงได้่ะคขอพวกคุณเจ้าค่ะน่าจะน่าจะท่านเราท่านเราคิดว่าไปอยู่วันแบบนั้นก็ดีเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราอยู่ลาพรมทางเราก็ไม่ทําแต่พอไปอยู่วันนั้นเข้ามาก็ไม่ทำก็เลยเราก็เลยต้องทําอย่างนี้ก็อาจจะดีก็ได้ได้ทำทําได้นะไปคไม่รู้นั้นไม่อยากเป็นกังวลนั่นเองว่าเหมือนอยู่ที่กําลังของเราว่าเราทําได้หรือไม่ได้ ขอบพระคุณเจ้าค่พะพระจ้ารักษาแทดขันด้วยเจ้าค่ะสาธุคุณกวีดเชเนอาจารย์หลายท่านเอ็กซตอร์นี้กำลังวุ่นการเมืองมจะวุ่นใหญ่นะที่อทิตย์ครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนไว้สามข้อครับหน้าบาททำบนญทำหน้าจิตใจสามบริสครับแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆครับก็จเจริญ ตามที่หลวงพ่อพูดก็ดีขึ้นครับก็มีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งครับในขณะที่เราปฏิบัติธรรมทาเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จแล้วในขณะที่จิตใจเราสงบแล้วก็ตัวรู้มันบอกนะครับว่าเรารู้อยู่ในธาตุขันของเราอยู่แล้วเราแผ่บุญกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับหรือผู้ที่ออกไปในทางกิจเนี่ย เราจำเป็นต้องเอ่ยชื่อท่านไหมครับผมเอ่ยก็ได้ไม่เอ่ยก็ได้แต่ถ่ายไปก็ ไ, ไปไปมันไปไม่ถึงเขาหรับเขาไม่ได้มาอยู่ในระดับที่จะรับบุญแบบนี้ได้เหมือนเด็กอะ่ะ เ, เด็กเราไปให้เราเอาเล่าไปให้เด็กกินเด็กก็ไม่กินเด็กต้องกินไอตมก็อันนี้ก็ปล่อยวางแสดงว่ า, วา พระบุาบอ้ให้แผ่บุญอุจิบุญในการทําทานสําหรับผู้ที่ลงรับนะแล้วแล้วก็มีขม้อสงสัยคนที่เราตจากการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่แท้ถ้าไม่สอนได้หลังจากเราเสร็จแล้วนอืแล้วก็ก็เรื่องของเราเขอจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปแนละ้วพระพุทธเจ้ า, นนาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมในข อ, ของตนจะทําทกรรมใดไว้ดีจเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถ้า อ, อ, อ, อยากจะแผ่บุญให้เขาก็ไปทําบุญบุญที่สบ่บาสอ๋ออันนั้นอันนั้นทํายอะนะหรอบอริจาคเงินให้กับองค์กรวัดวารามที่ไหนก็ได้แล้วก็พูดถึงบุญนั้นได้อื๋ออ น, นี้อันนี้คือข้อตา่างไม่มีอะไรครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่ อ, อมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มครับก็การปฏิบัติก็ เริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าอยากให้ไปได้มากกว่านี้ครับเมื่อทำมากขึ้นนัทำมากขึ้นความก็มากขึ้นมีก็มีอยากจะถามเรื่องเรื่องวัคซีนบูสเตอร์ต้องฉีดเข็มสองครับบูสเตอร์เข็มสาวหรือไม่ต้องผมผมส่งเข้าไปในเฟซบุกของพ่อครับมอเมื่อคืนนี้แล้วครับอะไร ผมส่งไปที่ไลน์ของพ่อมะคืนครับไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่นี่พูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนครับครับผมครับผมอันนี้ผมผมเพ่งส่งไปที่ไลน์ของพ่อมะคืนครับเขาเขาของเขียนมาว่าคนที่ฉีดช็อตสองเรียบร้อยแล้วควรควรจะฉีดช็อตสามครับแต่ว่าช็อตสี่นี่ก็แล้วแต่ที่ว่า หลังจากหกเดือนแล้วร่างกายเราแข็งแรงพอหรือไม่เราจะรู้ตัวครับออย่างคุณบอกว่าหฉีด<อ>ตัวผมก็ขึ้นบอกมาเมื่อเมืสองสามวันก่อนที่ไปหาที่ชิลโกเช็ครับเขาบอกว่าควรจะฉีดเข็มที่สี่หลังจากหกเดือนครับผมอาอยุมากแล้วครับเพราะผมก็ก็จะเจ็ดสิบแล้วครับก็ก็เข้าบอกว่าเราไม่รู้ว่าไอู้สเตอร์ที่เราได้มันเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ แล้วเมื่อมันหมดไปแล้วเนี่ยไอ้คาว่าติดเชื้อจากไอ้พวกมากลกร่างพวกนี้มันจะทำให้น่ากายเราสู้ไม่ไม่ไม่ทันครับจะเจ็บมากจะป่วยนะครับผมมันจะคนที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันจะอยู่แค่วันสองวันก็หายไปมันก็เป็นปกติแต่ว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าหลังจากหกเดือนแล้วเนี่ยไอ ความต้านทานเราอาจจะน้อยลงในขนาดที่เชื้อมันแรงขึ้นแล้วคนตอนนี้ติดเชื้อกันเนยอะที่คน้มากครับผมม า, มากครับแต่ว<ต>่า ต, ต่ไม่รนแรงอาการไม่นเพราะคนก็ฉีดส่วนใหญ่แล้วเขาฉีดมาสองช็อตมาแล้วครับแต่ว่ามหมอพูดเองนะครับไม่ใช่ผมนะหมอที่ประจำตัวผมบอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยติดมากแต่ไม่มีการประกาศครับผม เพาะว่าไม่ต่องาโรงพยาบาลไม่ต้องรักษาครัรักษาเองครับผมเพราตอนนี้ผมก็ได้ครับผ ม, ม, มแต่ <ผม S 2> ใการที่ประเทศไทยควรจะฉีดช็อตสี่หลังจากหกเดือนครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเราไม่รู้ว่าร่างกายเราแข็งแรงพอหรือไม่ครับผม แต่ถ้าไปติดก็ไม่ต้องฉีดนะว่าติดแล้วก็จะมันก็จะคุ้มครองต่อไป6เดือนนะครับสหรับคนที่ติด ส, ส่งมาให้หลวงพ่อแล้วครับอันที่ว่าคนที่เคยติดมาแล้วเนี่ยครับ <Yeah. S 2> จําเป็นต้องฉีดวัคซีนเพิ่มหรือไม่ภายใน6เดือนครับอันนี้อันนี้ก็เพิ่งส่งไปให้หลวงพ่อที่ในร้านกันครับเพราะว่าเขาเขียนมาว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะรับเชื้ออันใหม่หรือไม่ครับผม okay. อยากจะทราบวิธีปฏิบัติที่ที่ทางนู้นนั่นทํากันอย่างไรครับ <Okay. S 3> แต่ตอนนี้ผมใช้ปฏิบัติใจครับผมเพราะว่าอะไรก็เกิดก็คือเกิดมัน <พอ S 3> ถึงเวลาก็ถึงเวลาครับผมของคุณเอาแค่สามเขีนพอแล้วเขียนสี่ม่แล้ครับผมผมจะไม่เอาอีกแล้วครับอเ <Okay. S 3> ตอนนี้ใช้ปฏิบัติใจแทนครับผมเดเดโอเคไม่ไม่มีอะไรแล้วครับการงดการวระจางครับคุณเอกเชียงรายเชียงเอก การมรสการพระอาจารย์ครับเออวันนี้เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์ไม่มีข้อสงสัยอะไรครับมีแต่ปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับผมปฏิบัติให้มากอยู่แล้วครับวันนี้ก็ถือในสันชีครับเป็นบรรพราครับโอเคปีวันธรรมดาก็ตื่นตีสี่ครึ่งอยู่แล้วครับพระอาจารย์ในสนชีก็คือไม่ไม่นอนเลยไม่เย็นหลังสามีเดียวหมดครับผมไม่เย็นหลังครับไม่นอนนะครับไม่เป็นนอนตอนไหนนอนนอนวันนู้ขึ้น ก็มันก็อยู่ได้ครับอาจารย์ได้อยู่ได้เพราะว่าผ่านมาตอนแรกก็คิดว่าจะนอนอยู่เหมือนกันแต่พระอาจารย์มันมันทําให้เรามีสติเพิ่มขึ้นครับเวลาจะทําอะไรครับอก็จะรู้ตัวได้เร็วกว่าก็เจริญสติในในช่วงกลางวันด้วยครับอาจารย์ได้ประโยชน์นะทําในชั้นชีบนี้ได้ประโยชน์นะมันทําอทีนะครับผมก็ในส่วนของผมเองก็คือพระอาจารย์มัน ตอนเรานั่งนะครับมันมันมันนั่งได้นิ่งนิ่งขึ้นเหรออาจารย์แล้วก็ง่ายง่ายง่ายข<ม>ึ้นไมเสีไม่สับ ป, ประร่องก็ง่ายเลไอ้สับ ป, ปร่องนี่ผมผมไม่ค่อยมีคราาับอาจารย์ก็เพราะช่วงหลังนี้ผมเ อ, อหลังจากที่ผมไปวิเวกมาสัปดาห์ก่อนก็ก็จะมีอริยบทยืนนะฮะอาจารย์ผมยืนสมาธิก่อนแต่แล้วก็มาเดิจุกมแล้วก็มาลงนั่งครับอาจารย์ตาม ดีก็ฝ<อ>ันดอนยโมทนานด้วยถ้าผมก็ผมก็ก็กล่าวว่าประมาณต้นเดือนนี้มีมีที่ก็กล่าวว่าจะไ ป, ปิดวิเวกดูก็ลองดูว่าจะพอได้ไหม <laughs> นี้ครับอือได้ดีไปได้ดีนะครับผมก็ก็หลังจากที่ไปวิเวกมาที่วัดร้ำผาจงก็รู้สึกว่ามัน กับความกลัวอะไรพวกนีมน้มันลดไปเยอะแล้วรอาจารย์ <ะ S 2> เออความมืดความอะไรนี่มัลดไปเยอะก็แบบมันค่อนข้างจะนิ่งๆออกมาแนวเฉยๆพวกบ้ <ะ S 2> บางครับอาจารย์ค<ด>รับ เ, เนีครับผมกาทําไปเรื่อยนะครับผมครับผมกับขอบคุณ พ, พระอาจารย์ครับวันนี้ที่มาฟังแล้วก็กราบอาจารย์ครับคุณกวางนครศรีธรรมราช มาสวัสดีค่ะเอ่อหนูมีคําถามมาค่ะอาจารย์คือว่าการฝึกตัวเองให้รู้สึกว่าเอกระตือรื้นไม่ห่อเหี่ยวใจบางทีทํางานไปก็บางอารมณ์รู้สึกเบื่ออะค่ะหรือว่าพอมีเรื่องแบบมากระทบใจเออ่ไม่อยากทำแล้วคิดว่าไม่ดีเนี้ยก็ก็ทําให้เราบางทีมันก็ต่อเหี่ยวไปเลยอะค่ะมันทําให้ประสิท ธ, ธิภาพในการทํางานอะมันลดร้อยลงเนี้ยค่ะ บางอารมณ์ที่มันรู้สึกอะ น, นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คืออารมณ์นิ่งขึ้นเนี้ยเก็บอโอ้มีความอด ท, ทนได้มากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะ น, นิ่งแล้วก็ไม่พูดมากขึ้นเนี้ยค่ะก็ถูกเวลามีอารมณ์ก็สงบสติอารมณ์ทำพุ่โธรพุ่โทไปสว่วดมนต์ไปก็ได้ค่ะแต่ว่าบางทีแบบเหมือนมีลูกน้องมาปรึกษาอะไรเงี้ยหมือนเองก็ก็พยายามที่จะสกนิ่งนะแล้วก็ หรือทำอะไรให้ไม่พอใจเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็แต่ว่าบางทีถ้าหลายๆฟังแล้ว่าจจะเตือนบ้างโดยโดยใช้น้ำเสียงที่ไม่ไม่ไม่แอกซีฟอะค่ะได้ก็พูดคั้งด้วยเหตุด้วยผลไปเตือนเข้าไปมาถ้าทำงี้แล้วมันก็นจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาต่อไปบ็มีการแต่บางทีก็ยังคงมีความหงุดหงิดใจความเลือ่อความไหนยอยู่ก็หนูก็ ไม่รู้ว่าจะทําังไงให้มันแบบมีพลังกับมามีพลังงานเอ็กซ์คิการสวดมนต์พุทโธไปค่ะแล้วก็อีกคําถามนะะี่ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าคืออะไรนะคะ่ะคนที่เกิดมาล่ํารวยเนี่ยเป็นการเป็นคนที่ชอบการจาคะหรือเปล่าคะแล้วการที่แบบการที่เราแบบว่ารู้สึกไม่ขาดแคลนเนี่ยมันจะทําให้เรา เอ่อก็เรียกว่าอะไรอะเอ่อมีฐานะที่ดีขึ้นอันนี้มันถูกต้องไหมคะคือการมีฐานะดีหรือร่ำรวยเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันไม่ใช่เฉพาะว่ า, าทำามุนทำทานาอย่างเดียวอันนี้ก็มีสว่วนคนที่ทํามุนทำทานมามากแนอดีแต่ชาติมันเกิดมักจะไม่อดอยากขาดแคลนแต่สมัยนี้คนไม่อดอยากขาดแคลนคนที่ร่ำรวยในรวยด้วยวิธีโกงก็มีเยอะแยะ เงมันก็พูดไม่ได้ว่ามันรวยแบบไหนจกจริงอยู่อย่างพระเวสสัมดอนเนี่ยพอตายไปก็มาเกิดมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะมาล่ำรวยก็ต่างนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าการที่เราล่ารวยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราทำบุญทำอะไรมามากในอดีตก็ได้มันก็เลยทำให้เราอยู่ดีกินดีแม่แตาค้านขัดสน อถ้าบางคนมีความเชื่อว่าถ้าอยากร่ํารวยขึ้นก็ต้องบริจาคเงนี้ยถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็ต้องรอชาติหน้าไม่ใช่ชาตินี้เอาแล้วชาตินี้ต้องทำยังไงชาตินี้ก็ต้องเก็บเงินเก็บทองไม่ใชยออกไปบริจาคมันก็หมดนี่มีไปรวยได้ไงหรือหรือต้องขยายทางานให้มากขึ้นขยายสาขาเปิดสาขาให้หลายสาขาอืม เราต่ออีกอย่างไอ้คาถามเนี่ยค่ะการเจริญเมตตาค่ะทําให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาใช่หรือไม่ค่ะก็ใช่เวลาเราทําความดีทําประโยชน์ให้กับคนอ่นคนคนงอก็จะชอบเรารักเราแล้วอย่างเราแผ่เมตตาให้คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ไหมคะ่ะทำเราเลนะเราแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารู้สึกว่าต้องต้องแผ่ตอนที่เจอเขาเขาถึงจะได้รู้ว่าเราแผ่ เจอเขาก็ยิ้มให้เขาถามท่านาลดีไหมคะมีขนมก็แบกเขากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ก่อนลำในความไม่ตาดหรือเขาเดือดตอนขอความช่วยอะไรแล้วก็ช่วยวอย่าเงี้ยเท่านี้ค่ะแต่ว่าไอพลังงานที่ส่งถึงกันอะ่ะช่วย<น>ไม่มีหรอไม่มีหรอคิดไปเองมนโนไปเองอ๋อหนูไม่หนูเคยฟังอืมนั่นแหละก็เป็นเรื่องของมนโนไป ต้องทําต้องทําต่อหน้ากันเวลาเจอกันส่งมาเลยยิ้มให้เขาด้วยพลังพลังที่ดีที่สุดเวลาแผ่เมตตาในแผ่นนั้นรอยยิ้ม่ก็เห็นแล้วก็ชื่นชมก็ดีใจสบายใจอืมไม่ใช่เจอกันหน้าตามึนตึงแต่ภายในส่งพลังไปก็ไม่รู้ห <c oughs> รนะว่ดูที่สีหน้าเรา <c oughs> รอดูอที่การกระทํขาของเราว่าเรามีคาเมตตากับเขาหรือไม่ แล้วการแบกแผ่เมตตาหรือเจริญเมตตานี้ช่วยอะไรบ้างคะถ้าอย่างนั้นอ๋ออันั้นเป็นการสวดเป็นการเจริญสติให้จิตใจเราสงบหรืสอนให้เรารู้จักวิธีการแผ่เมตตาราต้องแผ่อย่งไรบ้างไม่มีเวรกันไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันให้ความสุขต่อกันนี่สวดเพื่อให้เข้าใจความวิธีการแผ่และต้องแผ่อย่งไร แต่ตอนส่วนนี้มันไม่ได้แผลอะไรให้ใครปัญญาอันที่สองก็คือทําให้เรามีปัญญามีความรู้วิธีแผลไม่ตามเวลาเจอกันเวลาเจอใครเวลาเกิดความโกรธเขาให้อภัยเขาเวลาเขาทําให้เราโกรธแค็งแล้วก็ให้อภัยเขาความโกรธแข็งก็จะหายการอภัยนี่ต้องไปฝึกยังไงอะคะก็อย่าไปดื้อโทษใช่ไหมเขาด่าเราก็เราสาธุไปฝึก เราบางทีเราคิดว่าเราไม่โกรธแต่มันยังมีความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ย<น>อก็ก็แสดงว่ายัางโกรธอยู่ก็พู ด, <ม>ดโธรพูดโทรไปอยู่ทีเลยคือบางบางทีแบบอย่างเพื่อนบางทีทําอะไรเนี่ยเรารู้สึกไม่พอใจแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันยังฝังอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยค่ะยังแบบยังเกิดความเสียใจความไม่สบายใจอยู่แต่ว่าเราพูดโจพูดโจอยู่มั้ยลองพูดโจรมาไม่ได้โกรธเพื่อนแต่เรารู้สึก ไม่ดีนั่นแหะก็ทำใจให้สงบแล้วเราก็หายไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นวันนี้หนูขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณจ้าสาธุกลุ่มเนตคุ่มเนตจาก JP ญี่ปุ่นคุ่มเนตใช่ไหมใช่ค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะเออดีมีอะไรมั้ย เมื่อกี้มีคําถามเนี่ยตอนนี้พอดีวันก่อนนะคะพระอาจารย์อวันพราติที่แล้วก็คือที่บ้านที่บ้านนะ่ะมีหนูหนูเข้ามาในบ้านนะคะแต่ว่าเขาเข้ามาได้เป็นเดือนแล้วแตอนนี้โยมก็ไม่อยากจะทําร้ายเขาอ่ะคะ่ะโยมก็พยายามบอกเขาก็อยู่ไปก็อยู่มาได้เป็นเดือนได้ก็ไม่ยู่งก็ไมค่ะคือคือโยมคือคือโยมทํางานแบบว่าทํา ทำเป็นข้าวกล่องค่ะนะคะแล้วบางทีเราทำอาหาะเราก็ต้องเก็บทุกอย่างถ้าเก็บไม่ดีเ้าก็ไปกินแล้วของมันเยอะแล้วทีนี้ลูกแล้วก็แฟนเขาก็เหมือนกับกังวลเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำดัด ก, กำดัดหนักดักแบบที่<ช>ไม่ไม่ไม่ทำให้เขาตายใช่ค่ะ ก, ก็พยายามบอกว่าไม่ไม่ใช้กับดักที่ทำให้เขาตายแล้วโยมก็สวดมนต์อธิษฐานเวลาเปิดทำมาก็จะบอกว่า ให้หนูไปไกลๆนะอย่าอย่าให้เขาอยู่รอดปลอดภัยอย่าอย่ามาอยู่ในบ้านนี้ไม่อยากให้ให้ต้องแบบมาเจ็บตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ดักตัวเขาเส็จดัก ต, ตัวเขาแล้วก็พอจับปปก็าน้าแล้วก็ไปปล่อยใหไกลแล้ววันนั้นเขาติดเหมือนเหมือนเป็นกาวดักหนูค่ะพระอาจารย์โยอก <laughs> นยอก็แบบตกใจแล้ว เป็นครั้งแรกที่โยมเห็นแล้วโยมก็สงสารเขาอค่ะคือมันเขาติดเราเขาออกไปไม่ได้โยมก็บอกแฟนบอกว่าไม่ให้ฆ่าเขานะก็คื อ, อยังไงก็ได้ให้ช่วยชีวิตเขาแล้วทีนี้โยมก็ให้น้ําให้ข้าวเขาอะค่ะแต่สุดท้ายเขาก็แบบไม่รอดอะค่ะพระอาจารย์แลทีนี้โยมโยมก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกครั้งอะค่ะใครเป็นคนทําอะเราเป็นคนเราไม่ใช่ เ, เป็นเราไม่ใช่เป็นคนดักค่ะแต่มันผู้จัดการหมู่บ้านอะคะะ่ะรเจ็นเรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องของ แต่โยมบอกว่าไม่ให้ฆ่าคือโยมเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบฆ่าสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งในบ้านไงค่ะยุงตัวเดียวก็ไม่ตบก็ร้อยข้าวเข้ามาแล้วร้อยร้อยหยอกข้าวให้เข้ามาค่ะคือคุณโยมบอกเขาแล้วค่ะโยมจะบาปไหมคะอาจารย์บอกเข้าก็บาปในการประสารเขาให้ทําหรือเราทําเองก็ทําำนะค่ะแต่เราไม่ได้เขาทําค่ะแต่มันกับเขาก็มีหน้าที่จะต้องแบบมาแค่นะก็ไปบอกเขามันก็เป็นเหมือนกันเป็นการสัตว์ หรือถ้าเราไม่ได้พูดโดยตรงก็อโอเคถ้าเพียงจบอกว่าไอมอาไหีหนูในบ้านแล้วเขาบรรดมาดักเองนี่ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของค่ะแต่บอกเขาแล้วว่าทํางไงก็ได้อย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คื อ, อบอกที่บ้านคนที่บ้านก็รู้ค่ะอืแต่ว่าถ้าโยมแผ่แผลบุญให้เขาเขาจะได้รับไหมคะพระษารทุกครั้งที่เข า, ขาจะโ<อ>มโ<อ>หเราเขาจะไปร่ำ บ, บุญเรา คือยอมเห็นาสายตาเขาแล้วรู้ว่าเร า, เราคนเข้าฆ่าแล้วคนที่เข้าฆ่ า, แ ล, า, า แ, แล้วก็ควาแถนเมตตาให้เราแทนบุญให้เราจะรับหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่เป็นคนทำและะ้วค่ะอาจารย์เขาไม่รู้ว่าสิเขา้าขี้ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านพ่อเหมือนกับฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปิดเปิดธรรมะเปิดเปิดเพลงสวดมนต์สัตว์อะไรทุกอย่างที่เขาก็มารับฟังบางบางทีแบบ เราโยมก็แบบอธิษฐานจีบเขาใ้เขาเป็นเดือนแล้วค่ะก็คือไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งผู้จัดการนะคะเป็นเดือนเลยก็คือแบบบอกแฟนว่าอย่าพึ้งก็ยังไม่บอกเขาเสร็จแล้วก็ดักเองไม่ได้ไปซื้อดักแบบที่เป็นกองใช่ค่ะซื้อมาแล้วค่ะแต่เขาไม่เข้าค่ะพระอาจารย์เขาฉลาดนะคะก็เราไม่มีอะไรร่ายให้เขาเข้าไปมีอาหารเลยใช่ค่ะซื้อแบบที่มันปิดเราไม่มีไม่ให้เขาเจ็บตัวค่ะอ่าถ้าต้อใจเย็นๆเนี่ยมันไม่เข้าคืนนี้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ก็มีมันต้องเข้าสักคืนใดคืนหนึ่ง แต่ตอนนี้มันเหมือนเขาจบชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ถือ ว, ว่าเป็นบทเรียนก็แล้วต่อไปเราก็อยากทำอย่างนี้ออทําแล้วเราก็ไม่สบายใจแล้วคือเหมือนแบบมันก็จะมีรูแบบคือโยมก็จะบอกทุกคนในบ้านนะคะโดยเฉพาะแฟนที่ ท, ที่ที่เป็นชาวต่างชาติก็คือห้ามฆ้ามีงอเข้าบ้านต้ให้ไปปล่อยก็บอกลูกบอกทุกอย่างห้ามตบโยองอย่าแบบคือคือปกติก็เป็นคนที่ไม่ไม่ฆ่าอยู่แล้วแต่ยิ่งมามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือ คือแบบยิ่งไม่อยากทําไม่อยากให้ใครที่อยู่ในในบ้านทําด้วยค่ะคือเราบอกเขาไปได้แต่เขาจะทําให้ทําเราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วพรเวลาเขาทําล้วก็ถือเป็นเรื่องของเขาไปอย่างนี้เราไม่บาปไม่บาปค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเราไปส่งเสมก็ว่า เ, ออเจอตีมันนายนะอย่างเ น, นี่เราก็บาปถ้ า, ามีส่งค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีนี้โยมจะถามว่าลูกก็คือลูกจะกลับเมืองไทยแล้วก็จะไปใส่บาตรพระอาจารย์แล้วก็ดู อเวลาที่พระอาจารย์เริ่มใส่บาตคือตีห้าสีสิบห้านะคะแต่ก็คือต้องเดินทางจากกรุงเทพอะค่ะปกติพระอาจารย์เอเดินก็คือจะเป็นวันตั้งใจไว้จะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะพระอาจารย์กตจการเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งอะคือพอจะเสร็จก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงถ้าคนเยอะถ้าเป็นวันเข้าวพรรษาเนี่คนจะเยอะนั่นก็จะช้าแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาบางทีแค่สี่สิบ้านาทีก็เสร็จ อ๋อค่ะแล้วก็จะไปฟังพระอาจารย์เอ่อที่ที่อะไรนะคะที่ธรรมะบ น, ขนะะเขาอ่ะค่ะคกี่โมงนะคะคือเริ่มต้เนเดือนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายสองโมงวันเสาร์อาทิตย์วันพระค่ะแล<ต>้วโยมจะตามตามไปถวายพตรตทหารได้ไหมคะตอนเช้าตอนเช้าต้องไปวันธรรมดาได้อยู่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงสลารลงไปวันธรรมดา ยมตั้งใจไปวันที่สิบสี่กรกฎาคมอะคะ่ะอาจารย์ไม่รู้เป็นวันอะไรเป็นวันน่าจะเป็นวันพุธหรือเปล่าคะไม่แ น, น่ใจวันธรรมดาวันธรรมดาถ้าไม่เป็นวันหยุดไ ม, ไม่เป็นวันพระก็ลงค่ะถ้าไม่ติดขัดอะไรโยมจะไปกราบพระอาจารย์ค่ะแต่ตั้งใจไว<ะ>้แล้วว่าอาจารย์ครับสาตู ค, ค่ ะ, <ล>ะขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะอ่าสตูชาตูค่ะอ่านี่คุณบรนลิกา อยู่ที่ไหนใช้ยายจา่าธรัมการเจ้าคขาผ้าจาย์อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดดาราที่ว่าเจ้าค่ะาราที่ว่าค่ะก็เข้ามาบวชอยู่ค่ะผอาจารย์ก็อาทิตย์ <m ul ing> ที่แล้วก็เข้ามาค่ะพระ้าจาย์ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัตินะ้วก็ก็ได้ในอยู่ในระดับหนึง่งแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ อารมณ์ยังพุงพุงอยู่มากก็คืออาที่ที่แล้วก็ป้าจาย์ก็บอกแล้วว่าให้มีสติตั้งสติให้ได้ก่อนตอนนี้พยายา่างก็พยายามอยู่ค่ะก็ตลอดถ้าว่างก็จะฟังธรรมค่ะฟังธรรมะตลอดเลยค่ะป้าจานันก็ดีฟังธรรมะจารสตินั่งสมาธิทัท้งสามทั้งสามอย่าง ค่ะส่วนใจะเข้าในสวนเข้าในสวนก็พยายามจัดสังเกตว่าการที่เราไปถักหญ้าถักอะไรตอนที่เราไม่มีสติกับการที่เรามีสติอยู่ผลที่จากการทำงานมันก็จะตามกันแต่ผ้าจา์ก็ได้วหมก็เล ย, ล ก, เล ย, ก, เลยก็ต้องฝึกแต่ว่าก็นั่นก็คือความฝุ้งสิ่งที่มารอบข้างของเรา จะเกิดอารมณ์จริงอยู่ว่าเราก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังสติที่จะให้มันเช่นกันนั่งอดทนนานๆอันนี้ยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะอาจารย์แล้วเราฝึกสติไปเรื่อยๆให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นคถามไม่มีนะคะอาจารย์ก็ขอให้ถาบต่อไปนะสาธุค่ะอาจารย์คุณแม่จ่าอุดร กรรมน้มัศการครับาอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะคไปให้คุณธนพลต่อธ น, นผลอาจารย์กรรมนมัสการครับอาจารย์ก็เข้ามาฟังคำครับก็แต่ว่าพอดีตะกี้ได้ยินบางท่านพูดถึงเรื่องว่าเ อ, อถ้าเราไปแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบก็ควรจะทําต่อหน้าใช่ไหมครับุ้กคนอ่ะชอบไม่ชอบว่าทําต่อหน้าเขาถึงยังไม่รว่าเราแผ่ ใช่ครับมันไม่หลังเขาก็ไม่ร้เลยได้ครับจริงๆถ้าทําต่อหน้าเนี่ยจริงๆมันก็ได้ทั้งอภัยทานได้ทั้งลดอัตราตัวเองแล้วก็ได้ทั้งลดสกยรที่ถี่ด้วยนะครับถ้าทําได้อย่างนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราแค่เมตตาคือแสดงความเป็นเมตตาเขาก็รับอย่างน้อยก็เป็นอภัยทานก็ก็น่าจะได้ขึ้นมาก็ถ้าเขาไม่เราโกงเขารับก็ให้อภัยก็ได้ครับก็ได้ครับ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เราโกรธมันก็ไม่ได้อะไรอครับอืมครับครับก็ก็ก็เก็บไว้ไว้ระลึกไว้เป็นธรรมที่พระอาจารย์กล่าวถึงนะครับอ่าตอนนี้ช่วงนี้คุณคุณคุณปลาไม่อยู่ก็ได้โอกาสอยู่คนเดียวก็ฝึกไว้อยู่คนเดียวมีไหมนะอยู่คนเดียวก็ก็ได้ครับก็อยู่ได้คือทุกครั้งที่ที่บางทีเวลาคุณปาเขาไป ไปปฏิบัติแล้วเราอยู่โยงจังหวะที่เราอยู่โยงเราก็อยู่คนเดียวเราก็ทําคนเดียวก็ก็ได้อยู่ครับก็ฝึกไปแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านของเราไปใช่ครับดีอนะคนต่างแยกกันไปปฏิบัติอยู่ด้วยกันแล้วคนที่อจะไม่ได้ปฏิบัติได้ครับแต่จริงๆก็คือก็คือถ้าอยู่ตอนอยู่ปกติก็เช้าผมก็ก็นั่งอยู่นะครับแล้วบางทีมันมีมีคําถามอะไรเราก็ถามกันไปถามกันมาอย่างเงี้ยนะครับมีมีมีเรื่องก็ทําอะไรเราก็ถามกันไปถามกันมาแล้วก็ ถ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้คําตอบเราก็มาหามป้าจารยนนี่แหละอืมไว้มาถามะ้าจานครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์อาจารย์ถึงครับแต่ขอบคุณครับมันตายาก่ปัทย่าอาจารย์มันตายร้องกราบครับรอาจารย์ทีไม่กข้าแล้ววันนี้ไม่กล้าถามาเมื่อช้านี้เดี๋ยวกลัวจะหาว่าผิดครับ cool. อ ok. ก็ก็ออกนอกลู้นอกทางนิดนึงค่ะพระอาจารย์ใจมันก็เลยไม่ค่อยกล้าไค่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์เวลาทำผิดทีไยก็ก็ไม่กล้าทุกทผีก็พยายามทาเลยอย่าไปทำผิดก็มันนี่สิครับอาจารย์นิดเดียวเจอเพื่อนๆแล้วก็เลยสั่งเกี้พระอาจารย์บอกว่ากักห้องใครนะ บอกว่าอะไรนะไปกินเลี้ยงหรกินอะไรโอ้โหนูโดนเข้ากับเต็มหมัดเลย ม, มันก็เลยว่าโอ๊ยตายแล้วหนูไม่กล้าพสเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็เอาถือสีห้าเข้าไปได้ถ้าเราถือสีแตกเข้าไปได้ 8, ไ, ไ, ไ, ดได้ค่ะก็รีบๆกลับเข้ามามไปเตลิดสักวันสองวันแล้วก็เตลิดแล้วรีบกลับเข้ามาปล่อยปล่อยใจบ้างนะให้มันออกไป กลับไปกลับไปเชียงใหม่ค่ะพระอาจารย์ oh. ก็เลยอยู่กับเพื่อนตลอดเลย mm hmm. แม่มาอยู่แล้วก็เลยเพื่อนเลยก็เข้ามาหาตลอดไม่ได้เจอกันกับหกเดือน mm hmm. ก็มีนิดหน่อยนี่แหละค่ะที่ผิดกลับมาก็เลยรีบรีบทารีบกลันตัวใหม่ mm hmm. วันนี้ก็เลยเลยเทสิบแปดมันปกติแหละค่ะ ล้มลกคูกคราบไปก่อนอย่างเงี้ยการปฏิบัติใหม่ๆก็ไปได้บ้างเสียบ้างเดินเข้าไปข้างหน้าสองเก้าเดินถอยหลังสามเก้าแต่ก็แต่ก็ถือว่ายมก็ไปไปได้ไกลแล้วนะคะพระอาจารย์ถ้ามองมองกลับไปข้างหลังอ่ะก็รู้สึกว่าเก้าหน้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยอดีดี อาา<ม>่ า, า, าทําก้าวหน้าก็ถือว่าดีใชไหมคะแต่มันก็ยังไม่หมดหนูก็คิดว่าชาตินี้มันก็คงไม่หมดแต่ก็ก็ยังมไ ม, มาหมดก็<ะ>ทำไปเรื่อยๆทํำไปมากขึ้น ไ, ไปเรื่อยๆแต่หนูกล่า ว, ว่าถ้าหนูอายุยืนจริงๆนะ่ะอีกสักสิบปีให้หลังนะหนูจะบวชแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแรงหรือเปล่าจะดูไปจะดูไปค่ะอาจารย์โอเคก็พยายามทําไปนะ ครับขอบคุณมากครับกลับครับคุณหมอวีรพันธ์อันนี้อยู่พิษณุโลกนะอยู่กรุงเทพมันเก่ามยุ่งเทพหรือที่บอกค้นตกลอนนี้อยู่พิษณุโลกครับอาจารย์ครับอืมวันนั้นมากรุงเทพวันเดียวครับอาจารย์อือก็วันนั้นมีภาวนาพอดีนั่มีเวลาครับอาจารย์นู่นวันเสาร์แล้วก็ได้นั่งภาวนาไปเกินชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งครับก็รู้สึก เจอกับความสบายสงบนะครับอาจารย์ครับอืแล้วมีสติตอนแรกมันเกมันก็จะสงบครับผมแล้วหลังจากนั้นก็แฮปปี้มากครับอาจารย์แล้วก็ยังรู้สึกว่าความสงบมันอยู่อีกพักใหญ่ๆนะครับเออแล้วก็อยากได้อีกครับอาจารย์ก็มานั่งอีกวันเดียวกันตอนสายๆมานั่งอีกสี่สิบนาทีไม่เจอแล้วครับอาจารย์อยากไม่อยากอย่าไม่อยากให้อย่าไม่อยากได้ผลให้มีสติอยู่กับ ลงเลือดอยู่กับอะไรที่เราใช้อยู่ครับอาจารย์และหลังจากวันนั้นก็ผมก็เลยตื่นมาก่อนสองชั่วโมงนะครับเพื่อจะจะนั่นงสองชั่วโมงก็นั่งได้สองชั่วโมงคับอาจารย์ก็ไม่ไม่ขยับไม่ไม่ลืมตาครับแต่ว่าไอความสนุกแบบนั้นมันก็ไม่ไม่เจอนะครับอาจารย์สติมันไม่ต่อเ น, นื่องทีนี้มันเจอเวท น, นาเยอะเลยครับอาจารย์สติมันสติมั น, นนะอาจจะ หยุดเปนหาัจะเผอไปคิดว่าเมืม่อไหร่จะได้นดนี้เมื่อไหร่จะแทรกทันทีก็พยายามดืมอดีตที่น่าทุกที่เราเคยได้มาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้อยู่ครับการภาวนาอย่างเดียวไปมันเหมือนที่อาจารย์สายทีพูดเลยลวมันมันมีความเหมือนกับมันเหมือนาจะไม่สมแต่มันก็ยังสนสยอย่างเังี้ยมันเป็นอย่ังไงไม่ได้ไม่นอดไม่ได้นอนที่คิดถึงไม่ได้ บางทอย่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์เขาเล่าเรือป็นไปได้ไหมครับเหมือนกับบางทีมันเหมือนบางวันนี้มันเหมือนภาวนาไม่เป็นเลยครับมันเหมือนกับอมันเหมือนกับมันมันนั่งแล้วมันไม่ได้อะไรเลยครับก็สติไม่ดีสติมันขาดไปมันก็เลยมันก็ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ได้เป็นปกติใช่ไหมได้แต่ใหม่ๆเขาเล่าื่องกู้การสติยังไม่เสถียเนี่ังไม่ตั้งมากอย่างเราคอยตั้งอยู่เรื่อยๆคอยบังคับอย่างนี้เลย เอาไว้แบบครับตอนนี้กำมนาเนยนาหน้าอาจารย์ก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับอาจารย์ครับได้ได้สัมผัสความรู้สึกว่ามันสบายมากๆแล้วครับอาจารย์ครับหลวงตาท่านเคยเล่าบอกว่าท่านขนาดเข้าสมาธิได้แล้วพอท่านไปทําอะไรทํำกฎอยู่เดือนนี้หายไปหมดในสมาธินี้เข้าไงก็เข้าไม่ได้เมื่อท่านรู้สึกเครียดมากทุกมากไม่เคยทุกมาก่อน อย่างนี้เลยเั็น็้าเศรษฐีเป็นน้าเศรษฐีแล้วมายากจนอันทุกข์ากกว่าคนที่ยากจนแล้วยากจนมองคนที่ยากจนมันก็เคลียริงกับความยากจนมันก็ไม่รู้สึกว่าอะไรแต่คนที่เป็นเศรษฐีแล้วมายากจนเนี่ย ม, มันมัรู้สึกทรมานเมากไม่ก็บอกคนที่ได้สมาธิแล้วกลับเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันทร ม, มานเมื่อท่านประมาทท่านท่านทิ้งสมาธิไปทั้งเดือนอย่างนี้มื่อแต่ไปทํากฎอย่างเดียว ประเดนสุดท้ายก็จับประเด็นนะว่าต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนมันยังกลับเข้าไปได้ไห <c oughs> ยเหนต้องกลับมันจะสติหมออย่าไปคิดถึงในผลที่ยมันเกิดขึ้นแล้วแ น, น่ทีตอนนี้ทั้งวันเวลาเดิน <c oughs> ก็จะรู้เกือบ <c oughs> ตลอดนะครับถ้าเวลาอันนี้จะรู้ตัวตลอดถ้าอะไรครมบคุาครู้สึกกับตัวตลอดเวลาจะ <c oughs> ให้ใจไปที่นู่นที่นี่ ที่กายที่กาให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเวลานั่งใครอยู่กับลมตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็จะได้อย่าไปอยู่ว่าความสงหบที่เคยได้แล้วเมื่อไรจะสงบสักทีให้อย่างเงี้ยรับประกานน่าไม่มีวันได้ทำไมวันนี้ไม่ได้มันเป็นยังไงถึงไม่ได้ปูแต่งไปใหญ่พูุไม่ใหญ่ ขอบคุณครับแกบมาพูดพระอาจารย์ครับจะทาต่อไปครับผมสวัครับทุก่ะคุณพี่ลายกรโยมหญิงพุณธรรมชนสายสามนะคุณธรรมชนสายสองค่ะพระอาจารย์สายสองค่ะกลับนมรดกการพระอาจารย์ค่ะเอ่อโยมเป็นเหมือนที่คุณหมอวีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้ก็เป็นอยู่เลยค่ะเหมือนกันเลยทุกเรื่องเลยค่ะ ก็ตอนที่อย่างที่คุณหมอวีบอกอะค่ะที่ตอนทําสมาธิครั้งแรกอะค่ะโยมก็พบกับปิติสุขคือสุขมากค่ะพระอาจารย์คือรับรู้ถึงว่าความเย็นสบายของร่างกายจากที่เคยเจ็บเข่าเวทนาเจ็บปวดแทบแบบทรมานมากพระอาจารย์พอเราเจ็บสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็มีความสึกว่ามีลมมาปะทะแล้วก็มีความสุขมากพระอาจารย์สุขจนจนเวทนาหายหมดเลยค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วก็ติดอยู่ความสุขตรงนั้นนะคะเย็นแบบสักพักหนึ่งแล้วโยมก็ถอนมาจาก จากอารมณ์ตอนนั้นนะคะพระอาจารย์จนถึงวันนี้ยค่ะเป็นปีแล้วไม่เคยได้เลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พยายามแบบเหมือนอย่างคุณหมอวีพยายามแบบเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ก็ขึ้นขนลงลอย่างคุณหมอวีตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะต้องต้องอยากถ้าอยากก็จะไม่ได้ค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ขอถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะยมสงสัยมานานแล้วค่ะพระอาจารย์สมมุติว่าถ้าถ้าเราแบบว่า เทําความสะอาดบ้านนะคะพระอาจารย์แล้วเกิดเหมือนกับว่าเราต้องการจะลดน้ําหรือเราต้องการตั่างสมมุติว่าเราเราไปบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วมันมีฝุ่นเยอะแล้วถ้าเราไปละไปลาดน้ํำค่ะมันมีมดอยู่พระอาจารย์อย่างนี้มันบาป ไ, ไปก่อนได้มดไปก่อนบาไปได้มดออกไปก่อนาานาี้แค่มาอย่าไปทําที่ทําอะไรที่จะทาให้มันตายได้ค่ะ <c oughs> แล้วเคยมีที่เราลดน้ําต้นไม้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันมีมดอยู่ก็ <c oughs> ลดแบบที่มันไม่ไม่ทำลายมันทําแบบฝนต่อเนี่ย อย่ามันก็หนีได้อย่าไปรถที่ดินที่ดินที่ตัวนแล้วรถที่ไปมาแล้วให้น้ำมันหยดมาบ้างฝนตกอะไค่ะพระอาจารย์ยมก็จะเรียกโดยการที่ยมก็จะไม่ทำเลยก็ให้แฟนทำแฟนเขาก็อาจจะแบบว่าตั้งใจว่ายมที่เกียดแต่จริงๆแล้วคือยมกลัวตรงนี้ค่ะถ้าไม่ใชนก็ให้รักษาศีลยิ่งกว่ารักต้นไม้ดีกว่าให้เรียกระหวักงศีลกับต้นไม้เราจะเอาอย่างไรศีลค่ะนังนก็ปล่อยให้ต้นไม้มันตายไปไม่เป็นไรหรอกแต่ศีลตายนี่ลําบากนะ มีตายไปอ่บายนะค่ะค่ะพระอาจารย์โยมเข้าใจค่ะแล้วอย่างกําจัดปลวกอะครับพระอาจารย์ก็แบบเดียวกันหาวิธีการมันการมันได้การมันอืมค่ะทุกวันนี้โยมก็ไม่ไม่ไม่ได้เรียกปลวกมาก็คือมดจะเต็มบ้านเลยค่ะก็ ม, มีวิธีเรียกบาลีได้บอกว่ามีคนเข้ารับรับทํากําจัดปลวกแล้วก็โทรไปติดต่อพระแล้วก็บอกว่าที่บ้านมีปลวก แลต่เราอย่าไปเรียกเข้ามาเท่าไหร่เระเพยียงจะบอกให้เขาฟังว่าเรามีตัวถ้าก็อยากจะมาเองก็เรื่องคองเขาใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่งั้นก็เราเรียกบาหลีค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะาเห็นน้อ ง, น, องน้องโมอะค่ะเขาพิจารณากระดูกโยมยังไม่เคยพิจารณาเลยก็ต้องเริ่มพิจารณาใช่ไหมคะคือเราต้องจินตนาการใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันก็จะได้ดีจะได้รู้สึกว่าคนที่เราเห็นมันมันมันมีกระดูกอยู่ข้างในด้วยนะ เรากำลังจะหลงกับโเสื้อผ้าก็ใส่เท้าผมมันตัดมันก็ทําให้เราหลงหลายกับความสวยความงามของร่างกายแต่พอเราดึงถึงกระดูกที่อยู่ข้างใต้มันก็โอกมันก็มีแค่นี้มันเป็นของหลอกกันดีๆค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปนี้โยมจะลองเจนนักกระดูกดูบ้างคะ่ะพระอาจารย์น่าใส่มากเลยค่ะใ ช, ใช่ค่ะ รักเลยว่าอาจารย์โยมเป็นยังฟนชวาคุณกระซายใช่ค่ะเวลาโยมเห็นพระอาจารย์แล้วโยมมีความสุขมากเลยค่ะค่ะพระอาจารย์เกี่าวนวัตการมพระอาจารย์ในกรักษาธาตุขันธ์นะคะค่ะโยมก็ตั้งใจปฏิบัติทุกวันค่ะตื่นตื่นเช้าภาวนาทุกวันค่ะค่ะคุณพระค่ะค่ะคุณปรางวะลาจอยวงศิริชาญกับนวัตการเจ้าค่ะ วันนี้วันนี้หนูหนูชอบคําถามจากกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องการปฏิบัติซึ่งเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงกับตัวหนูด้วยแล้วก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เมื่อเช้ า, ชานี้นะคะที่พระอาจารย์ทักทักให้พรเมื่อเช้าค่ะว่าใจเย็นๆวันนี้ทั้งวันเลยนึกถึงคําพระอาจารย์สามคำอะค่ะช่วยหนูได้เยอะเลยค่ะใจะเย็นๆนอย่ารีบนอน เยน็นเไม่ได้ไปไหนอะไรเดี๋ยวก็ไปสารากันทุกคน <laughs> จะไปไหนกัน <laughs> จะรีบไปสาราฟัางกันทําไมไปช้าช้าดีกว่าไปเย็นเย็นดีกว่าจริงๆก็เหมือนก็เหมือนกับกับพร้อมกับเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามันก็รู้ว่าอยู่ไปก็คือมันก็ต้องไปเพราะฉะนั้นก็แต่มันไม่รู้จริ ง, รงถ้ารู้จริงมันก็จงเย็นมันไม่จริงก็อย่างร้อนอยู่มันลืมไงมันท่ามลืม มันรู้แถึงเวลาดีมันลืมในเวล า, าทาอะไรนี่มันลืมหมค่ะหมกูก็จะพยายามจะเย็นๆจูกลูกสาวยังทักเลยโอลูกสาวแบบว่าตอบกันแทบตายพอพระอาจารย์ทักนี่แม่เงียบเงียบกิบเลยอ่ะก็ขอบพระคุณคณ่ะน้นู้้ขอถามพระอาจารย์อ่าอีกเรื่องหนึ่งของเนสันเชอค่ะถ้า อย่างผนังเนี่ยค่ะถ้าสมมตินั่งแล้วนั่งนั่งติดกับผนังแล้วเราก็เอนหลับกับผนังไปเลยอันนี้ใช่ในสัตวชิกนะะก็ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อควอไม่ให้นอนนะไม่ให้ใช้ท่านอนนัองแต่ถ้ามาแล้วก็อย่าไปถึงในสัตวชิตก็มเสื่อมลาเปล่าเปล่ท่านจะนอนก็ไม่ไปถึงกันดีกว่าก็คือหลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาไปก็มาปฏิบัติดีกว่ามันก็หลับตัวเองไมนั่งพียงหาแล้วก็หลับอย่างอาจจะอาจจะ ทำหลับนั้นเพื่อมันจะได้หลับไม่มากก็ได้อาจจะหลับแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้านอนเองหลังนี่มันอนยาวหลับหลายชั่วโมงก็ได้อ่าที่อย่างนี้มันก็โอเคก็ทําได้ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวลูกสาวไปเรียนที่เชียงรายอะค่ะแล้วก็หนูบ่นกับแฟนว่าหนูอยากไปปีกวิเวกแฟนบอกว่าใช้ห้องลูกไปเลยให้ปีกวิเวกตามสบายก็หนูได้หนูได้ห้องมาโอเคดีค่ะขอบพระคุณค่ะนะถึง คุมาเรยค่ะมาเรย์ุฒากาศกล่าวนวัดการหลวงพ่อค่ะใช่ค่ะหนูอยู่วุฒากาศค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินหนูปะคะชัดเจนชัดเจนหลวงพ่อหนูเปลี่ยนเวลาปฏิบัติใหม่อ่ะหลวงพ่อหนูดหนูทําดี๋ยวนะวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงแล้วหนูก็ทําให้ไม่ต่ํางกว่าสี่ชั่วโมงตื่นตื่นตีสาม ทำถึงมีห้าแล้วพอไปถึงที่ออฟฟิศหนูก็ต่ออีกหกโมงถึงเจ็ดโมงอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็พักแล้วก็ทํางานแล้วเที่ยงถ้ามีเวลาก็สักครึ่งชั่วโมงเนี้ยหนูถ้าถ้ามีหนูก็ทําแล้วก็กลับมาตอนเย็นตอนไปทํางานช่วงบ่ายทํางานตอนเย็นแล้วก็กลับมาตอนค่ำก็ทําต่ออย่างเงี้ยค่ะวันจะพยายามตั้งแต่วันที่หรงพ่อบอกว่า ที่ที่มีคนถามหลวงพ่อในรายการหมอวิวว่าว่าพระต้องนอนกี่โมงคะละ ว, ว่าต้องกี่โมงอะไรเอย่างเใหมยคะ่ะหลวงพ่อแล้วพอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาหนูก็ลุกขึ้นมาได้ทำทาได้ดีขึ้นคะ่ะหลวงพ่ออย่างเมื่อคืนเนี้ยความอยาของหนูมันพอมันนั่งปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อครับมันมันเข้าแบบไวไวไวดีแล้วก็สงบ มากค่ะหล่อแล้วก็ทีนี้เออ่ถ้าเราเราอยากจะทําให้มากกว่าเ น, นี้ยมันก็จะไปติดที่ว่าเวลามันก็จะล็อกไปหมดแล้วหนูก็ต้องคอยหาเวลาว่าจะบีบตรงไหนเพื่อที่จะมาทําให้ได้มากแล้วจะถามหลวงพ่อว่าอย่างอย่างคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปค่ะ ว, ว่าอย่างนี้ยค่ะมันมันควรจะทํากี่ชั่วโมงค่ะปฏิบัติกี่ชั่วโมงก็ทำเท่าที่เวลาที่ มีให้เราทํานะ้ก็ทําได้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต้องรอวันหยุดวันที่เราไม่ต้องทำงานเราก็จะทําได้ทั้งวันแต่ทีนี้คือวันหยุดมันมันน้อยแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ทํางานหนักมากกว่าเขาหลวพ่อก็ได้ไงก็ทําเทั้งที่เวลาที่เราไปทําได้เราก็ทําไปเวลาอื่ที่เราต้องไปทํางานเราก็ทําไม่ได้เวลานอนก็ทําไม่ได้ ก็นอนยาวความจริงมวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงแล้วทํำยังไงมันก็มีเท่านี้แหละนอนได้แค่สี่สี่หรือไม่ไม่เกินห้าชั่วโมงคือเท่านี้เวลาหนูก็อ่าก็เหลือสิบเก้าเหลืออ่าเหลือยี่สิบแล้วต้องไปทํำงานอี่ชั่วโมงอีกแปดชั่วโมงแปดแปดแปดถึงเก้าชั่วโมงก็เหลือสิบสองสสองต้องเดินทางไปนู่นมานี่ต้องทำที่กินอย่างอื่นอางน้ำอาบถ้านล้างหน้าแปรงกินข้าว ก็เลืไม่มกี่ร่โม่ก่ก ห, หนูไม่รู้จะบีบตรงไหนให้มันก็ต้อออกจากการนั่นแหละถูกจะ้ะห <c oughs> ไม่บีบก็ได้ทางนี้แหละมันหมดหมดยอมรับความจริงถ้าอยากไปอย่าไปฝืนความจริงทําได้แค่นี้ก็ต้องทําไปหลวงพ่อคะแล้วแล้วมีความคิดว่าถ้าเราอยากปฏิบัติให้ก้าวหน้ามากกว่าเนี้ยโดยที่เหมือนที่หลวงพ่อมาสั่งสอนหนูอย่างเงี้ยอยากให้หลวงพ่อชื่นใจว่าเออลูกศิษย์ก็พยายาม จะทําให้มันก้าวหน้าอย่างเนี้ยถือว่าเป็นกีเลสไหมไม่ไม่ไม่ต้องทําให้เราชื่นใจทำน้อยเราชื่นใจไม่ชืนใจไม่เป็นไรบเราไม่เลยว่ามความชืนใจจากการทำของโยมเนาะมันมันได้เป็นแรงขับดันว่าเออเราไม่ใช่ฟังฟังแต่หลวงพ่อสอนแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นอย่างเนี้ค่ะหนูอาจจะมันก็ต้องมันก็ต้องมีขอบมีเขตไม่ใช่ทําไปเลยขาบเขียนมันก็จะทํามันอาจจะทำให้เรา เครียดขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาแทนที่จะดีกับเป็นพิษเป็นไัยกับเราไม่ได้ต้องทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่เต็มเกินไปเข้าใจ น, น ะ, ะหนูหนูเห็นเทที่เราไปฟังนี้ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วล่ะ <c oughs> มากกว่านี้ก็เต็มอ่ะหนูเห็นหนูเห็นว่าที่ที่ที่ยิ่งฝึกยิ่งได้เยอะมันมันมันเห็น มันเห็นว่าเราเราทําแบบเหมือนมันคืบคืบหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความคิดว่าอยากจะมากกว่า น, นี้อีกอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นกิเลสไปหรือว่าหนักไปอะไรอย่างเงี้ยความยินดีดในธรรมไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นฉันทาวิริยะเป็นธรรมเแต่ว่ามันต้องเป็นขอบมีเข้มมีเห็นมีผนทําได้ท่านนี้ก่อนแล้ท่านี้ก่อน เหมือนลอดดะลอดเหยียมมันแตนถึงถ้าขับลอดเหยี่ยมมันถึงพื้นเลยติดพื้นเลยก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ทํา ม, มา ก, กวันนี้ทําไงไปถอนหลังคาถอนกระจกถอนมันมันได้เค่านี้อทางนี้ก็เรางยอมรับความจริงว่าตอนเพศของเราฐานะของเราได้เท่านี้ถ้าอยากได้ไดมา ก, กวันนี้เราก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนเปฐาน่หน้าของเรา หลวงพ่ะแล้วแล้วทีนี้สมมติเราเราฝึกสมาธิมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราจะมาทางปัญญาเนี่ยคะ่ะแล้วสมมติเรามาพิจารณากายอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันต้องเห็นแล้วก็ต้องเข้าใจออกมาจากจากในใจใช่ไหมคะอย่างอย่างสมมติมันไมต้องไม่ลืมมันไม่ต้องไม่มต้องไม่ลืมพอถึงเวลาเกิดความโกตากขึ้นมามันจะได้ใช้ปัญญาที่พิจารณาว่ามันเป็น น, น้ําลงใส ไม่ใช่ตัวเราของเราลก็ดับความกลัวได้ต้องต้องไม่ลืมแล้วก็ต้องเข้าใจจากไม่ใช่เป็นความจำอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับมันก็มันก็มันจะให้เข้าใจยังไงมันก็มันก็มีแค่นี้แล้วมันก็เห็นว่านมาจากลีน้ำลงไปไม่มีตัวตน คือคือหนูยังอย่างยังบอกว่าให้ละละสกายยะอย่างเงี้ยคือมันมันจะละละอย่างไรที่ที่ก็ต้องมีฮะหาเวลาที่มันมาบังคับให้เราละสิเวลาเครื่องบินจะตกเนี่มันก็ต้องละอย่าไปอยู่กับร่างกายเราไม่จะเป็นร่างกายเราเป็นผู้ละลูกน่างกายร่างกายมันจะตกไปกับเครื่องบินครัมันตกไปมันต้องมีอะไรมาบังคับให้เราละถ้าอยู่ธรรมดามันก็ยังเกาะติดกันอยู่ คือต้องมีเหตุที่ทําให้เราแบบตัดสินใจไปเลย<ก>อย่างนี้หรอเกิดเป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยหมอบอกว่ารักษาก็ตายไม่รักษาแล้วตายยางไงดีจะรักษาหรือไม่รักษาแล้วแล้วคําที่บอกว่าล ะ, ละขันห้าได้แล้วแล้วเป็นเ้าเรียกว่าอะไรอ่ะหลุดพ้นอย่างเงี้ยมันมันหมายถึงเราเราต้อดพ้ น, าน จ, จากความทุกข์ระดับหนึ่งระดับแรกระดับความทุกข์เกี่ยวกับขันห้าไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับบ เมตนาแต่มันยังมีความทุกข์เกี่ยวกับ จ, จิตใจมันเป็นขั้นๆไปมันไม่ได้รัทีเดียวหมดไปแล้วจริงๆ <10 S 2> เราต้องสิบตัวสามนบตัวเราเราเร า, เราต้องทําทีละตัวหรือว่าเราต้องทําครบทุกตัวค่ะ ล, พลวพอก็มันมันแต่ละขั้นมันมาเป็นพวงไงขั้นแากมันมาสามตัวเป็นพวงเดีย ว, ว ก, ยกันนาสกายาทิฏฐินากละ มีจิตกิจชา้าควาลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมระสงม์นละศีลพัฒนาแล้วถึงไปต่อด้วยกามต่อด้วยกามาราค้างกับปฏิฆะมันก็มาโค้งอ่อาก็คือเป็นนะเหมือนขั 2, ้นบันไดมันก็จะตามมาเป็นสเต็ปไปไล่สองตัวนี้น้าก็ไปไล่ค่าตัวมันมาเป็นโค้งเหมือนกันวันนี้หนูมีคําถามเท่านี้ค่ะหนูก็อื กล่าวค่ว่าคุณหลวงพ่อค่ะทางสายกลางนะไม่หยอดเกินไปไม่เต็มเกินไปนะหนูหนูแบบคือพอมันมันเห็นว่าพอเราทําจริงๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันเห็นมันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเนี้ยมันก็เลยมีความคิดที่ <คน S 2> จะ <ำ S 1> ท, ทำยังไงได้ทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ก็ต้องก็ต้องว่าขอบเขตของมันมันทำํำได<ม>ู กำลังเราด้วยใช่ไห ม, มคะในเวลาที่เราจะทำในเวลาที่เราจะทำในเวลาเท่าไหร่ทำได้เท่านั้นค่ะหลวง่อโอเคนะคไม่ต้องกังวลถ้าเรา ท, ทําเต็มที่แล้วว่าก็โอเคแล้วแหละค่ะหลวงพ่อพยายามค่ะหนูหนูพยายามจะทําให้สม่ําเสมอแล้วก็ทําตลอดเออค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็จะันรล้ ก, ก็ได้ใครจะบรรลุนะ ทุกอย่างมันพร้อมถึงเวลามันก็สาทุกสาทุกอาจจะต้องมีอะไรแล้วก็ทุ้ปัญญาหน่อยทุกบอมีปัญญาบอกเกิดมันต้องมีอะไรความทุกข์มาทุ้ใจให้ใช้ปัญญาแก้ค่ะหลวงพ่อเจอมาเร็งเจอในก้อนก้อนก้อนมะเร็งในท้องนี้จะได้มีอะไรมันก็ทุ้งเแล้วเาจะทำยังไง ถ้ามาแล้วเราเฉยๆเราปกติก็แสดง<ช><ห>ว่าเราสอบห่างใช่ไหมคะหมอมันถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเราเป็นคนอื่นงนี้เราไม่เหลือร่างกันเรื่องของคนอืึ่งเขาไม่ใช่ไหมคนหนึ่งเขาเป็นกำลังเขาไปเขาไปมันเป็นอะไรในร่างกายเขาต้องถือว่าเป็นเป็นกำลังในร่างของคนหนึ่อเฉยๆไปรักษาได้กรักษาไม่รักษาก็ไม่ได้รักษาตายเท่ากันนี้นะ ไม่รักษาดีกว่าไม่ทรมานใช่ไหมบางทีรักษามันทรมานมากกว่าไม่รักษาคือยังไงเราก็ต้องตายจะจะ ช, ช้าหรือเร็วใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้าถ้าทําใจได้ก็ปกติก็ยอมรับสภาพไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าหลวงพ่อเราพิจารกังวลหวงใยัยมันก็แสดงว่าไม่ปล่อยค้าหลวงพ่อเนี่ยต้องพิจารณาอยเนื่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในธรรมดา ร่าง ก, กายกงแกลงเกียมันต้องตายเป็นธรรมดาลงพ้นต่ไม่ได้มไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นนิ่งน้ำลงไปะจะน้อมนาไปปฏิบัติต่อไปค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุสาธุครับขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อคุณตาเลนทอเจริญตาเลนท อ, ทอนเ น, น, นยังไงจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ วันที่สี่กรกฎาคมค่ะอาจารย์ก ล, ล ว, นะวันชาติชารัดพอีนะแล้วก็แล้วก็จองที่ปฏิบัติธรรมที่วัดยาแล้วค่ ะ, อะจองได้แล้วเหอโอเลยเลยตอนพระอาจารย์โยมกลับไปนี่จะไปลองอทดสอบความเป็นจริงเพราะว่าปกติโยมกลับไปที่ไรโ ย, ยมจะป่วยทุกครั้งเลย <laughs> เดี๋ยวคราวนี้โยมก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติเต็มที่แล้วก็ตั้งใจว่าจะทําสติให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะเพราะว่า ถ้าถ้าสติเราเต็มมีกําลังมากพอสมาธิกํากลังสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นโดยอัตโนมัติถูกไหมคะอาจารย์สมาธิเป็นพลังสติเนี่ยก็ตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าคราวนี้จะไปปฏิบัติสติให้เต็มที่อ่ะคะ่ะแล้วแลวที่พระอาจารย์บอกว่าตอนกลางคืนให้ออกมาเดินข้างนอกเนี่ยคะ่ะอันนี้นี่คือที่ที่วัดยานหรือว่าที่วัดที่เขาชิวนะคะก็ที่เขาชิวเพราะ ให้ทิวัยญาหรือขันยาอมเนียให้ออกมาตอนคืนหรือเปล่าไหพจ้ามเป็นแบบว่าพับใเราจองหอพากใช่ไมที่เป็นแบบเป็นหอรับในวันหยาดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะก็ก็ลองถามแม่ชีที่ท่องคุมอยู่ว่าตอนคืนอยากอมาเดินจักรงได้หมอะไรอย่างไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีข้อหยมอยากจะลองดูเหมือนกันว่ากลัวหรือเปล่าอาจจะกลัวไม่กล้าเดินออกมา ทไมแน่ก็ดูดูดูสถานที่ต่อนมันอาจจะไม่ค่้น่ากลัวก็ไเพราะในวันมันจะมีแสงสว่างเยอะมีเสาไฟมีไฟค่ะค่ะแต่ก็โยมก็ตั้งใจว่าจะไปฟังธรรมของพระอาจารย์ได้แค่ช่วงนั้นแล้วก็อ่าช่วงบ่ายสองโมงค่ะค่ะเจ้าค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะอีกสองอาทิตย์วันพฤหัสอีกจะไจจริงของจริงนททีนะโยมตื่นเต้นไหมก็บอกโอเห็นแต่พระอาจารย์ สองมิติตอนนี้จะได้ไปเจกับนักสักการะองค์จริงแล้วว่าตื่นเต้น <Okay. S 2> อ่าค่ะกล่าวขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์เแล้วลูกมาด้วยเปล่าลูกคงยังอ่ะคะ่ะคือ<ด>ยมตั้งรอร อ, อจิกมาเมืองไทยแล้วก็จะไปใส่บาตพระอาจารย์อีกทีอีกทีหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ถึงจะเอารูปไปด้วยอ่ะค่ะอืมค่ะพระอาจารย์อันนี้<ด>ขอโยมลองดูก่อนกันกล่าบ เ okay. ชิคุณพัทลาตอบพัทลาไซปรัสหน่อยยี่ไซปรัสหน่อยค่ะสุนัน์วัดสการ์ค่ะาอาจารย์ตอนนี้พอดีมามาางนรับปริญจาลูกสาวที่ <อา S 2> ไซ<ว> ป, ปรัสค่ะเอาคุณจบน้อค่ะประเทศไซปรัสค่ะก็เป็น ช่วงที่มาหนูไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่ได้เข้านั่งสมาธิเลยอะค่ะเพราะว่ามั น, ม, นมันติดเรื่องงานเรื่องสถานที่ด้วยอะค่ะแล้วก็พอหนูมาเข้านั่งเมื่อคืนนี้รู้สึกอึดอัด น, นะคะพ่อจนันหนจะเข้าไม่ได้อะคะ่ะมันจะไม่สงบอะค่ะใช่ครัรู้สึกสติเราอยไปทำมันก็รู้สึกอึดอันค่ะรู้สึกอึดอัดลองสวมดมนต์ไปก่อนนะสวมดมนต์ไปก่อน ค่ะก็ก็จริงๆแล้วที่นี่ก็ก็เป็นบ้านบ้านนั่นของตัวเองด้วยอะค่ะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้เคยมานั่งทําเลยเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่เมืองไทยช่วงผ่ดตัดหลังเพิ่งเพิ่งเพิ่จะมาแล้วก็จมไหล่ถ้านั่งหรือด่ า, า, า ก, ก็ส่วนบนไปภายในใจก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ในเมืองที่เมืงไทยบ้านที่เมืองไทย เข้าเข้าง่ายมากค่ะเข้าจะนั่เข้าสบายเลยค่ะพอมาค่าที่นี่แบบเอ๊ไมเป็นอย่างนี้แค่ห่างไปแค่สองอาทิตย์เองเจ้าค่ะจะช่วงช่วงสองาทิตย์นี้เราก็จะเจริญสติกันนะนะครับรู้สึกอึดอัดโลกหายใจไม่ค่อยคล่องตัวนี่เป็นอะไรทั้งที่ในห้องก็เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนลนไปลน่าจะช่วยได้ส่วนถ้าเครื่องช่วมกช่วยมอกแล้วหลับจะนั่งได้สบายด้เจ้าค่ะ ล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูนี่นนนนนีจะถามว่าเคยจะถามหลายครั้งแล้วคุดีเลยมค่ะว่ะาอาจารย์ตอนที่หนูตอนที่หนูเล็กๆะคะ่ะพ่อเขาชอบแบบบ้านอยู่ในสวนแล้วเขาไปชอป็อตปลาอย่างเงี้ยแล้วหนูเนี่ยต้องแบบเหมือนเดินตามแกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปช่วยแกจับจับใส่ใส่กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะห น, หนูหนูบาดด้วยหรือเปล่าคะใช่ถ้าไม่สวยอย่างไรหนูมีสวนใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> <S มันก็ไม่เรานไรหรอมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาบางทีตอนที่เราเด็กเราไม่รู้เหยียบขาเราก็ต้องทับตาผู้ใหญ่ถ้าเราโตแล้วเรารู้ว่ามันบาปเราก็พยายามอย่าไปทำมันกลัวก็มีเพราะว่าตอนนี้ถือศีลห้าอยู่ค่ะบ้าจารก็เลยรู้สึกกลัวๆหวั่นๆอี่กว่าจะถามแล้วจ็พยายามพยายามทำบุญไว้เยอะๆเพื่อที่จะต้านบาปที่เราได้ทำไว้ได้อ๋อค่ะแต่เรารูว่บาปไม่ได้แต่เราเอาบุญมาต้านมันได้ ให้บุญทางรับาศน้ว บ, บุญมันจะเป็นเราไปทางทางของบุญก่อนค่ะก็จะช่วงอยู่บนทาาา้าวเจ้าใส่บาแล้วก็ทำสัง า, าทานทำบุญก็ถ้า <ทำ S 2> ใสาา <ไป S 2> ่บาตรไทุกวันไ<ป>เได้ทาได้มากเท่าไหร่ทาได้เลยเจ้ค่ะเดี๋ยวเจ้กลับไปรอบนี้เดี๋ยวสักประมาณเดือนกรกฎาให้ข้าพรรษาจะไปใส่บาพระอาจารย์จะไปยินกัาบพระอาจารย์ด้เจ้าค่ะได้จ้ นลคะแล้วให้า อ, อาจารย์พระ3ารพระแข่งด้วยนะคะรับสาธุพยายามนะลนั่งต่อไปพยายามนะั่งถ้านั่ ง, งนั่งมนึดอาจัดก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปภาในใจนัส่วนในใี้นนถ้านั่งสบายที่เลยนัก็ไ่า ไ, ไม่ต้องพนมมือไม่ต้องอะไรสวดในใจแล้วค่ะ้วค่ะ บ, บ, ทบทสั้นๆก็ได้บทที่เราจำได้ที่พิเศษว่าอะไรสวดอะไรๆไ ร, ๆรา ค่ะก็สนส่วนใหญ่ก็จะทำว่าเช้าว่าิยนนะคะก็ <Okay. S 2> สวเป็นประจำเจ้าค่ะทำเสร็จกันั่งสมาธิต่อไหใช่ค่ะก็ค่ะคำถามเท่า น, นี้เจ้าค่ะโอเคสาธุคุกกณพระาจารย์จาก Dallas, Texas จาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเค แล้วไปฉีดวัคซีนเขนะ็มสี่ได้ยังแล้ไม่ฉีด น, นะเข็มสามยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะไม่ยังไม่ฉีดเราอยู่บ้านไม่อยู่กับใครก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ต้องเปนเจอค่ะไปก็ใส่หน้ากากออกมาข้างนอกก็ใส่แมสก์เสมอเจ้าค่ะเลือกอยู่บ้านเป็นหลักเจ้าค่ะไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกนไปก็ไปซื้อจ่ายของเดือนนึงก็กประมาณประมาณสองสาครั้งเองเจ้าค่ะที่ออกไปชอบอยู<ช>่บ้านมีความสุขน่าเสียดาย เจ้าค่ะการปฏิบัติก็ก็ไปได้ดีนะเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ล้มลุกคลุกคานแต่ก็เข้าใจว่าก็ก็ยังอย่างนี้แหละเจ้าค่ะก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะตั้งตารางไว้เหมือนที่พระอาจารย์สอนก็วันไหนขี้เกียจก็ก็ดันไปอ่ะเจ้าค่ะก็ทําถึงขี้เกียจก็ต้องทํามีตารางไว้ก็ก็ทําตามตารางอะเจ้าค่ะถ้าอยากจะให้มันคืดนะเราลองนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พยายามใช้สตินิปัญญา อ่นไ้ได้โดที่ไม่ต้องไปขยับร่างกายได้เจ้าค่ะตอนนี้ก็พยายามเจ้าค่ะพยายามเรียนรู้เวทนาตอนเนี้เจ้าค่ะก็ก็นั่งแล้วก็พยายามอยู่แล้วก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปกันนะไม่ต้องไปขยับเจ้าค่ะพอเวลาร่างกายแบบเจ้าค่ะเวลาร่างกายไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงตอนนั่งสมาธิว่าเราก็อยู่กับ พูดโทแล้วก็หายแบบคือไม่ได้หายแต่คือไม่ทุกข์กับมันก็ก็ใช้กับร่างกายที่เจอปัจจุบันเวลามีอะไรเข้ามาเจ้าค่ะก็ใช้เทคนิคเนี้ยตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะก็ทําให้ไม่ค่อยทุกข์ร้อนอะไรกับกับเวลาร่างกายเจออะไรเข้ามาเจ้าค่ะต้องกินยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดม่ต้องกินนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทําตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไปเรื่อยๆก็ก็ ล้มลุกครูกคานแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งหรือพบชาติหนึ่งคงคงได้ได้ได ส, ดส <c oughs> ำเร็จทํ า, า, าไม่ท้อเจ้าค่ะไม่ยอมตายทำสักวันหนึ่ง น, นะ <c oughs> ใชเจ้าค่ะทําไม่ท้อเจ้าค่ะก็จะทําอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ไม่ท้อจะดันตัวเองไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเ <Yeah. S 1> จ้าค่ะ <c oughs> มีพระอาจารย์เป็นกําลังใจเจ้าคิดถึงตลอดไม่ท้อเจ้าค่ะไม่ท้อกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะมโนเสวัชเน มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะนมามส ก, การท่า น, านอาจารย์เจ้าค่ะนะทุกอ ย, อ, ยอย่างจอยจอยนภัสัิยากล่า ว, วได้ยินไหไมคะได้ยินได้ยินอ๋อก็เหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรก็ฟังสอนฟังพีะอาจาสอนตลอดค่ะคํ<ห><ส>าอภัย ใ, ให้อภัยอย่ากโกรธใครนะอย่ากโกรธแฟน นั่นแหละค่ะที่สุดเลชอบผ่านเรื eh ่องข้อสอบของเราคือคือแฟนเราคนใกล้ตัวเนียข้อสอบเ้ากำในเรงของเราอ๋อแล้วเราต้องใช้สติหรือว่าใช้ถ้าใช้เมตตาใช้ให้อภัยนะค่ะอย่าไปกดอันอย่าไปชี้งสาเราที่เป็นเด็กหมันลูกคนแรกเราเพาะฉันรู้ ใช่เลยค่ะก็ทุกคนชอบทักอย่างนั้นตลอดว่ามีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งมีรูปคนเราเราก็ไปรูปเราก็จะไปกดเขาใช่ไหมทำไมมาว่าเป็นแายก็จะกดเขาใช่ค่ะใช่เลยค่ะเนั้นต้องเปลี่ยนมองเปลี่ยนทัศนคติของเราอย่างเป็นมาพอเป็นชายมาก็เป็นลูกตรอก็ก็คิดแบบพยายามอย่างนั้นก็พยายามแต่ว่าได้บางไม่ได้บางแต่ก็ ผ่านไปแต่ละวันให้ได้เพราะเราไม่เ่ยโไร้ลูกของเราใช่ให้ตัวเองมันจะทากันแล้วก็ไม่กรธเราให้ไปก็ได้ใช่มันได้เอดูให้ลุงองท่ผ่านมานาด้มาแล้วใช่เสียนเขาไใช่ได้ยอกไปเลยค่ะเดี๋ยวว่าที่จะพาแม่ไปใส่หมอด้วยค่ะก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะไ่สาธุค่ะมีคสมใจ เลคเอรีเพนซเวเนียใช่กลับเ<ม>่านะูาจัครับเป็นเทรศ า, าพที่คุณอยู่นี่มันน้ำเข็มหรือน้ำจืดน้ำจืดครับท่านน้ำจืดเลกด็ดีนะอน้ำรากมไม่ต้องมันต่างกันน้ำเข็มไหมเคยไม่ไมอาบใช่ครับเขาพอมันมันติดกับแคนาดาเลคเอรีเลคออนโทริโอนะครับ เลขเลขคิว ร, นรอนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นน้ำจืดหมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาวิวัฒนาการขึ้นมากเขาไม่ให้สารอะไรขึ้นเขาก็ปัมเขาก็ปั้มปัมขึ้นมาให้คนอาบคนเติมอยู่นานแหละเป็นเลกที่ใหญ่พอสมควรครับใหญ่ตัวใหญ่เหมือนมาหาสมุทรใหญ่มากมากครับน้วเลขพ ว, ก, ก, พว ก, กพวกนี้เราสามารถ นั่งเรือไปเชื่อมกับแอตแลนติกได้ใช่ไหมออกไปได้ได้ครับเขาใช่ครับเพราะว่าตอนที่บริษัทที่ผมทําอยู่นี่เมื่ออาทิตย์แล้วก็ไปซ่อมเรือใหญ่ๆ ใ, ให้เขาเป็นเครื่องปับให้ปลาใหญ่แล้วเขาจะมีบันไดเรือครับขึ้นมามาจากแอตแลนติกเขาก็มีบันไดเรือยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วมาส่งของเสร็จแล้วเขาก็ลงเหมือนบันไดเรือน่าดูครับ ท่านท่านมาดูที่แคนาดานะฮะมีเวลาก็ก็รกราบขอบคุณที่ท่านให้ความแนะนำมาก็ก็ใช้มาครับใช้สตกิการทำงานแล้วก็เอ่อ ก, การพูดเพราะว่ามาอยู่ในในเมืองที่หลายประเทศมา ก็ต้องใช้ความพิจารณาว่าใช้พิจารณาว่าต้องต้องเพราะว่าทุกคนที่มานี่จิตใจไม่เหมือนกันครับผมก็ใช้เมื่อก่อนผมก็มุทะลุเหมือนกันก็นกนพูดจาเดี๋ยวนี้เขามองดูแล้วเาผมก็ปล่อยอย่างเดิที่ท่านเคยสอนแล้วก็การนับถือศีลการใช้สมาธิ แล้วการใช้พุโทโธพุโทโธนี้ช่วยได้มากครับเวลาบางครั้งรอดนอนตื่นหรือว่าก่อนนอนนี้อ่าใช้นี้จะจะหลับไม่รู้ตัวครับเมื่อก่อนต้องใช้อย่างอื่นช่วยครับอันนี้ก็ก็ดีอย่างที่สุดครับที่คือคืออย่างท่านนี้พูด พูดได้พูดคืนได้แล้วทัานสอนคืนได้แต่ที่อยู่ที่นี่อย่างท่านเป็นวัดถ้าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ยินครับอย่างช่านนี้ดีที่สุดผมเลยชอบที่สุดไปครับเพราะว่าเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโทรศัพท์แล้วก็เห็นเลยอย่างนี้เป็นเป็นความเป็นความทันใจของเทคโนโลยียุคใหม่ใช่ครับ mm hmm. ผม ผมเองก็เป็นเมื่อก่อนนี้ไม่มีสามสี่ห้าสิบหปีก่อนก็ไม่มีหรอกเพราะว่าผมผมก็อย่างเป็นแทมไรโอข้อการที่การสื่อสารขายการบังคับโปรแกรมการอะไรเนะียก็เป็นต่างที่เห็นท่านนะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณคุณแอดมินที่ที่ช่วยแนะนำทุกอย่างเห็นท่านทุกท่านบอกจะ จะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิผมก็พยายามทำอยู่เรื่อยอยู่แต่การใช้จิตนี้พลังจิตนี้สูงที่สุดครับพยายามแนะนำให้เพื่อนเข้าอยู่ก็ครับ ก, ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีข้อถามเท่าไหร่แต่ก็ progress ที่เคยทำมาก็จะ จะตอบให้ท่านได้รู้ว่าการนับถือสินห้ามาสินแปดนี้สินแปดการกินอาหารตอนเย็นนี้ผมทำผิดมาบ่อยบ่อยหน่อยครับอันนี้ที่บอกให้ท่านได้รู้ครับใ น, นราะวะการการที่กินข้าวตอนเย็นเนี่ยบางครั้งเข้าไปแล้วก็ลืมมั่งอะไรมั่งครับก็ progress ที่ทำมาก็ก็สูงขึ้นดีครับเี่ยทำไปให้มากมากขึ้นนะ โอเคดีไปที่ท่านต่อไปคุณปุ้ยจากลักสมบัติข้ามข้ามแอตแลนติกไปแล้วเนี่ยจากเ็นซิลเวเนียไปแอตไปลักสมบร์กน่ะยุโรปเลยถามนักการศครัาอาจารย์คุณปุ้ยวันนี้วันนี้ ไม่มีอะไรจะถามค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดที่ลักชัมเบิกเป็นวันชาติค่ะพระ้าจานอ๋อค่ะคืนนี้เขามีฉลองแต่ฝนตกหนักมากเลยอ๋ีช่วงนี้อดอช่วงนี้ก็มั น, น, มนรอ้นอนไม่ใช่ที่ยุหายร้อนเลยอ๋อร้อนค่ะแต่ว่ายกเว้นวันเนี้ยวันเนี้ยฝนมันตกอะ่ะฝนมันตกเยอะเลยอะ่ะ ม, มันมันร้อนมาตั้งตั้ ง, ต, งตั้งหลายอาทิตย์แล้วมันร้อนจนจนทัน้งถึงวันที่วันอังคารนะคะ แล้ววันเมื่อวานเนี่ยค่ะแต่วันนี้ฝนมันตกเยอะมากแล้วเขามีงานฉลองกันด้วยไงไม่รู้เขาจะฉลองกันยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะฉลองอีกวันหนึ่งกลางวันเขาจะมีเดินขบวงขบวนอะไรของเขาเนี่ยแหละค่ะวันหยุดเลยคุณปุ้ยหยุดยาวเลยหยุดเอวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะถือศีล น, นะคะพระอาจารย์คุณปุ้ยถือศีลแปดแต่ว่าลืมอเหมือนที่คุณผู้ชายเขาพูดอ่ะ แล้วเออแปลว่าเชฟเขาหยิบเขาเก็บให้เออจานไวทำไม่เป็นไรมันทามันถายมันก็ผ่านไปเดี๋ยวถือสินทบทวนใหม่ชนชัยถือชนชัยค่ะคุณคุ้ยไม่มีอะไรละคาก็ปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์บอกทุกวันนะคะตื่นแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ชัโมงกว่าแล้วก็ปวแผ่บุญแล้วก็ยักลางเย็นตอนเย็นก็ทําเหมือนกันค่ะขอให้เสกให้เจนิญให้น้อให้รวยสวยไม่สาบานเมตุรวยนะขอบพระคุณค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะขอบพระคุณมากที่พระอาจารย์สอนค่ะค่ะมาที่กรุงเทพนะสมบูรณ์พิดาสนุกจัง กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ hmm. ค่ะหนู <Yeah. S 1> ไม่มีคำถามค่ะวันนี้ก็ก็ไปเริ่มทำงานมาได้สักเกือบอาทิตย์ละค่ะ <Yeah. S 1> ก็ะนะช่วงวันแรกก็มีมีเผลอสติแต่ว่าเผลอในแง่ว่าเรากังวลไปล่วงหน้าค่ะ hmm. ทีนี้พอเราแบบเหมือนกับดึงกลับมาว่าเราอยู่กับปัจจุบันสิมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ hmm. ก็เลยเลิกกังวลก็เหมือนกับแก้ไปได้ค่ะหายไป พยาาตั้งอยในปัจจุบันนะอดีตผ่านไปแล้วนาค่อยันมาไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ค่ะคแล้วก็ต้องพยายามปรับเวลามานั่งสมาธิตอนเช้าแทนค่ะ <ขา S 1> เพราะเดิมนี่จะนั่งได้หลายรอบมากกว่านี้ค่ะนำจิตให้นิ่งก็จะมีความสุขไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราค่ะพระอาจารย์กาขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะจากกคุงมารีตไปไปย่ำหมนะมาเลย กาบรายการเขาหลวงพ่อก็ก็ ก, ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจจะก็เรียกว่าจิตระติในระหว่างวันก็จะแบบมันจะรู้สึกตัวเนืองๆว่าเอ๊ะเราเราแรงผักดันของเราคือแรงผักดันด้วยกิเลสหรือแรงผักดันโดยการละกิเลสซึ่งมันก็จะแบบมันจะรู้สึกนเนืองๆว่าทุกการทุกความคิดของเราที่จะกระทําในสิ่งต่างๆใแต่ละวันอย่างนี้ครับหลวงพ่อก็ ก็มันมันเรียกว่าสติคุมความคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกทําอะไรยังไงแบบนี้ครับถ้ามีสติแล้วก็เลือกได้ถ้าไม่มีสติมันก็ถูกอาลงณ์พาไปอารมณพาไปนั่นต้องฝึกสติเรื่อยๆเวลาอารมณ์พาไปเลยทางไม่ดีแล้วก็หยุดไปครับอืมถ้าอารมณ์ไม่ดีถ้าแบบแบบร่างกายมันรู้สึกอ่อนเพลียมันจะให้แบบมันมึนอๆ น, น, นอย่างเนี้ครับหลวงพ่อมัน อารมณ์ไม่เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ยวกับกิเลสมันเกี่ยวกับกิเลสอ๋อครับก็แต่ร่างกายอาจจะมีส่วนกระต้นให้กิเลสมันทํางานมากขึ้นขนาดแต่มันไม่ได้มาจากร่างกายมันอยอารมณ์แรงมาจากกิเลสครับก็ฟังธรรมะไว้ก็ใช้หัดท่อพุทโธพุทโธไว้พอรู้ว่ากิเลสมันมันถักไปกา็อยู่มันพุทโธพุทโธไป ก็ก็พยายามมรณา น, นุสติบ่อยๆครับจะได้แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อไปกับชีวิตอะไรเวลาเข้ามาแบบพยายามีมก็จะก็พยายามต่อแค่นี้ครับหลวงพ่อก็พยายามทำไปน ะ, ะถึงมันพูต่ตางมันพู่ไงไปลยยุ่นไที่ไหนมันพุง สวัสดีครับอาจารย์ครับหวัดดีครับผมยุงเทพครับอาจารย์ครับก็คราวนี้มีครั้งที่สองครับอาจารย์ที่ได้เข้ามาใน Zoom นะครับวันนี้ผมมีคําถามจะถามพระอาจารย์ประมาณสี่ข้อครับอาจารย์ครับหลังจากล่าสุดคือผมพยายามภาวนาพุทโธครับผมแล้วก็กําหนดแค่รู้ลมหายใจครับทีนี้ผมอยากสอบถามสภาวะครับพอดีผมมีผมรู้สึกถึงในใบหน้าผมนะครับว่ามันเริ่มแข็งนะครับจากจุดที่แก้มนะครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่าความแข็งที่แก้มผมมันค่อยๆลามไปยังทั่วหน้าทั่วหัวผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมปล่อยไปเรื่อยๆพูดโธภาวนาไปเรื่อยๆครับมันอาจจะทั้งตัวแน่ๆเลยผมก็เลยรู้สึกว่ากลัวผมกลัวตายก็เลยหลุดออกมาก่อนก็เลยอยากอยากจะสอบถามว่าถ้าอาการแบบนี้มันเป็นคืออะไรครับอาจารย์อ๋อมันเป็นเป็นเรื่องของงานการไม่ต้องไปกังวลกันเนะครับที่จิตไม่ไปยุ่งกันมันก็อาจจะ แข่งตรงนั้นแข่งแตง่ส่วนใหญ่วม่ใช่แข็งตรงที่ฝ่ามือในมีอสองที่เราวางไว้ทับกันนี่มันจะมืนมันจะดูดติดกันไปอะไรก็มีแต่สถานการณ์ที่เราไม่ไม่มีโทษมีแพ้พอออกจากสมาธิมามนก็กลับมาเป็นปกตคิครับครับคือตอนที่ผมนั่งแข่งคือปรบับผมก็เบี้ยวครับแต่ผมรู้ว่ามันเบี้ยวนะครับผมก็เลยให้มันให้มันแข็งไปเรื่อยเรื่อยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจครับนน <ไป S 1> ครับนันครับผมข้ตอนที่สองครับผมคือผมอ่ะพับอยู่ใน ห้องที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากครับเป็นคอนโดแล้วบางวันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของเสียงนะครับผมก็เลยทำยังไงดีคือแบบน้องเขาเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยมันจะเป็นอุปสรรคผมก็เลยทาแบบนี้ได้ไหมครับท่านอ า, าจารย์เอาหูฟังปาใส่ครับแต่ว่าผมกลั ว, วว่ามันจะเป็นกิีดหรืาาอเปล่าก็เลยแบบเปิดเสียงธรรมชาติคือตบเสียงที่อย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่ามันจะอย่าไปอย่าไปเปิดเสียงอะไรดีน ะ, ะที่ที่อุดทูบมาอุดไวครับผมไม่เป็นไรครับผมโอเคครับแล้วก็เอ อ่าผมพยายามอ่าลองอ่าฝึกสินแปดครับรู้สึกว่าตามที่อาจารย์เคยสอนแล้วบอกว่าเเป็นการปิดทวารนะครับรู้สึกว่าดีดีขึ้นครับแต่ว่าบางวันเราตั้งใจมากเลยเหมือนเราพูดโธวอมาทั้งวันแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่ว่าเออมันเข้าไม่ได้แต่บางวันเราไม่ได้ตั้งใจมันก็ไปได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเหตุปัจจัยมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยครับคือจะเข้าสมาธิจิตทั้งว่าถ้ามีความอยากแล้วมันจะขวางไว้นีอยากไม่อยาก ครับพ่อจาย์ครับทีนี้ผมก็เลยพยายามจากเดิมที่เป็นคนดูหนังเยอะเข้าลงหนังบ่อยมากก็ไม่ไม่เสพเรื่องหนังครับแล้วก็เพลงก็จะไม่ค่อยฟังครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ารู้สึกสงบขึ้นมีสติมากขึ้นครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ผมกําลังจะลดน้าหนักด้วยครับก็จะมีในเรื่องของความหิวแบบขีดเลนอขึ้นมาครับพ่อจางาพอจะมีออะไรแบบให้เราพิจารณาไหมครับมีปฏิกริไงยมนะพิจารณาความสกขภพอของอาหาร เวลามันเข้าไปในปา่าผสมดอกดลิ้นเล้าเคี้ยวลองคายมัออกมาดูได้ว่าอยากตัดกบเขา้เขาไปกินใหม่ได้ไหมครับหรือเวลามันออกมาจากทางทวาวรกันแนละ้วมันก็เป็นอาหารเหมือนกันต้องต้องมองภาพอาหารที่มันไม่น่าน่ากินถ้ามันจะทําให้ไม่อยากกินอืมโอเคคือไม่อยากครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับอพอดีผมก็มีแฟนนะครับแต่คือด้วยความที่ว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ หันมาหลอสนใจในเรื่องเนี้ยครับแล้วก็ทําปฏิบัติแบบเนี้ยครับเวลาผมคุยเรื่องความเชื่อต่อแฟนผมแบบนี้ยเหมือนเหมือนใช้คํานี้ได้ไหมครับอาจารย์เหมือนเหมือนสิทธิ์ไม่เสมอกันนะครับเขายังอยากครับผมก็ควรจะพูดในเรื่องที่เราคุยกันได้เรื่องที่คุยกันไม่ได้ก็อย่าพูดครับอาจารย์ครับครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เรียกว่าเสมหวนส่วนต่างประสาส่วนเหมือนเข้าใจไหมครับอาจารย์ครับผมแล้วก็ชอบดูหนังฟังเพลงแล้ว เราชอบก็คุยได้แล้วก็ไม่ชอบเรื่องเรืองที่เราชอบเราก็ยาวมาคุยกันนะครับคครับโอเคครับอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์ในกรณีที่ผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการแบบนี้ครับมันจะสามารถเป็นอีกได้ไหมครับหรือว่ามันจะเปลี่ยนที่หน้าแข็งครับหรือมันจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นมังค่ามังคาว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้ไม่ต้องไปกังวลมันเป็นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับมันเป็นเชื่อขณะเชื่อขณะที่นั่งนั่นเองนอนจากสมาธิมามันก็หายไป สมมติถ้าผมเป็นอีกคือผมปล่อยผมปล่อยเฉยใฉยไปไม่ได้ไม่สนใจขอบคุครับอาจารย์ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบมากครับอที่คุณลีคทะเที่เสียชายทะเลนั่้คุณปามอะไรกาวนมัสการอาจารย์เจ้ะค่ะมีอะไรไหมก็มาร่วมรับฟังค่ะแล้วก็เอาไปปฏิบัติ แล้วก็ชอบตอนท่อนที่พระอาจารย์สอนน้องมามาลีใช่ไหมคะมค่ ะ, ะ, คะพูดถึงเรื่องร่างกายพูดถึงเรื่องมะเร็งพูดถึงทุกอย่างลูกก็พยายามเอากลับมาคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาเจ้าคะ่ะไปทบทวนกันทำไมเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเลย่ค ว, ว่าเราเป็นร่างกายเท่านี้นพอเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายมันไม่เป็นลาวแล้วใจล่อสบาย เป็นก็เป็นไปเลยเป็นก็เป็นไปผมไม่ได้เป็นไปของันคนผู้่ค่ะพรอาจารย์นะคะหนูหนูมีคําถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเดินจงกรมเพราะว่ายังไม่เคยทําเลยแต่ว่าถ้าเราเดินตามปกติไปอ๋อจําเป็นนกสปีดที่สโลนิดนึงไหมคะเดินแบบสบายๆข้อสําคัญเวลาเดินคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ ให้มันเฝ้าอยู่ที่เท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินเดินล้วพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แค่ <Okay. S 1> นั้นเอง <Okay. S 1> เอง <Okay. S 1> ดินแบบสบายสบายอันที่เขาสอนแบบนั้นก็เหมือ น, น, นว่าให้เราให้เราดูแบบมีสติอย่างใกล้ชิดยกนองก้าวนอวางนา้องไม่ต้องอะไรต้องเลยอ่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกจริต ก, กันหนูหนุ่นมไม่ เ, เป็นไ <c oughs> ก็เราก็ทํายกหนอก้าหน่อวางหนอแบบเดินเดียวก็ได้เราก็รู้ว่าเราต้องยกเราต้องเจ้าเราต้องวางใช่ไหมค่ะค่ะก็คือให้มีสติอ่าให้อยู่อาการก้าวเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็พอแล้วแค่นี้ก็ือพูดโทรพูดโทรไปก็ได้ค่ะค่ะหนูมีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์อ่าสาธุย่อยหญิงเชิญย่อยหญิงเชื่อมหมายให้บอกย่อยหญิงน ยอหญิงเช็ไหนเจ้คาค่ะนมรสกรรมอาจารย์เจ้คจาคนะ่ะชอบแมวด้วยนะพะอาจารย์อยแตวชอบแมวด้วยม้าด้วยใช่เจ้าคะ่ะกาน้องสาวเจ้าค่ะน้องสาวนะฮะ น, นะน้องสาวชื่อคุณพี่เจ้าคะ่ะคุณพี่น้องแต่ชื่อพี่ใช่คะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหญิงมีคําถามเกี่ยวกับความโกรธแล้วก็การเอปฏิสัมพันธ์กับคนเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับว่า แต่ก่อนหญิงเป็นคนโกรธช้าแต่ว่าอยู่นานแล้วพอตอนหลังมานี้เจ้าค่ะหญิงรู้สึกว่าหญิงโกรธคนอะหญิงรู้เร็วขึ้นแล้วก็พอรู้ปุ๊บอะมันเลยอยู่ไม่นานมันพัฒนาดีขึ้นเจ้าค่ะแต่มันมาถึงจุดที่หญิงมีคำถามแล้วเจ้าค่ะหญิงเคยได้ฟังเรื่องคำว่าอีตอแหลของของหลวงพ่อ ท, ที่ที่มีคนบอกว่า ไม่โกอธแล้วอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้มันก็มีความสงสัยแล้วก็จะสํารวจตัวเองเจ้าค่ะว่าเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างี้เจ้าค่ะทีนี้ยบ่อยครั้งที่หญิงคุยกับคนอื่นแล้วหญิงรู้ว่าคาพูดของเขาทําให้หญิงแบบเออมันไม่โอเคมันไม่ใช่แล้วอะไรอ่างนี้หญิงก็จะพูดกับเขาไปตรงๆเลยว่าเออหนูว่าอันนี้มันไม่ใช่หนูคิดว่าของหนูคือแบบนี้แล้วที่พี่พูดมาคือหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเค เขาคือหนูพูดกับเขาตรงๆด้วยคําอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะทีเนี้ยคนที่เขาคุยกับหนูอ่ะเขากลายเป็นเขาโกรธหนูแต่หนูอ่ะรู้หนูรู้แล้วก็หนูก็ไม่โกรธแล้วแต่หนูแค่แค่บอกเขาเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันท้าหน้าท้าหน้าท่านรู้ว่าพูดแล้วทําให้เขาโกรธก็อย่าไปคูดกันแล้วนะแตบเออใช่เจ้าค่ะเออ แต่มันมักจะมันจะมักจะมาหยุดที่สเต็ปนี้ตลอดเลยคอาจารย์แล้วแต่บางครั้งเอาโอเคหนูรู้ปุ๊บหนูก็กลืนลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะหนูทําไม่ได้หนูก็จะไปที่สเต็ปที่พาจารย์บอกว่าถ้าเขาน่ารู้จะแล้วมันก็ข่าวหน้าไปเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะทีเนี้ยหนูมีคําถามอีกอะ่ะเจ้าคะว่าการที่หนูอะ่ะมีความสงสยัยว่าโอ้เขา่าทําไมเขาพูดแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยคือหนู่โกรธหรือเปล่าพาจารย์อ๋อการสงสัยแม่เรา เป็นแต่ว่าเราไม่เข้าใจเขาความจริงเราไม่ต้องไปสงสัยแล้วเขาเป็นเขาเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อ oh. เราต้องนื้มองเขาตามความเป็นจริงของเขาแล้วก็อยากไปอยากไปเปลี่ยนเขาอยากไปอะไรของเขาเขาอยากจะพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เรื่อมพูดเขาไปเราห้ามเขาไม่ได้หลังหลังก็คิดอย่างนั้นพอพอเขาเขาตอบอะไรมาเหมือนเดิมก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเค ก็ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์อกแต่ว่าอาจารย์ไม่ถึงสเต็ทที่ว่าหยุดแบบพระอาจารย์คือมันไม่มันอยากจะแตะสเต็ทนั้นให้ได้บ่อยๆก็าลองฝึกสเตทให้มากเป็นนั่งสมาธิให้จิตมันเข้าสู่สมาธิให้ได้แล้วมันก็จะเน้นได้ที่ผ่านมาหนูไม่ได้นั่งสมาธิเพราะหนูมีปัญหาแต่หนูใช้ฟังเทศเอาหนูฟังเทศเช้าก็วันเย็นแล้วก็อ่านธรรมะก่อนมันเป็นที่เรี่างาพระอาจารย์สอนหน่อยเจ้าค่ะ ก็ดูลมหายใจหน้าแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปที่ปลายจมูไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออนั่งในเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้แบบว่าสอนหนูว่าว่าหนูหน่อยเี้แบบว่าหนูว่าท่าไงว่าหนูว่าหนูยังเป็นตัวเลยพระอาจารย์ว่าในกิเลสของเราที่ว่าหนูนึกว่าพอาจารย์รักหนูเนี่ยอันนี้ว่าแล้วโอเคแล้ว คอาเดกกิเลของเราใบอ้างว่ามันมีปัญหาปัญหาคือกิเลสของเรานั่นแหละมันไม่อยากนั่งมันไม่อยากนั่งอะไรหาหาก็อ้างใช่ไหมอาจารย์เออเมื่อง้มันก็ไม่มีความก้าวหน้าถะคุณไม่นั่งสมาธิสมาธินี่เป็นขั้นสําคัญของการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าหนูจานหนังสือมาเยอะเท่าไหร่ก็ตามถ้าหนูไม่ทำนั้นมันก็ไม่ไม่ได้น้องอาาม่พอทำมันไม่เข้าไปในใจถ้าใจไม่ครับไม่มีสมาธิถูกกิเลสขวางไวย Mm hmm. หนูนอนปุ๊บหลับเลยค่ะอจารย์ mm hmm. ตอนแรงงกหนูกะว่าจะ น, นอนแต่ว่าไม่ได้ต้องนั่งเนาะอื mm hmm. มต้องผ่าหนั่งเราอย่าไปนั่งตอนตอนจะนอนเพราะมันจะ ง, ง่วงนั่งตอนที่ตืนขึ้นมาแล้วอนะหนูนั่งทุกตอนก็ ก, ก็ก็ไม่ได้อะค่ะอาจารย์หนูพยายามนี่คือกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะใช่กิเลสาารเห็นยุ้ง ไ, ไหมอ่ะอะไรนะกิเลสในตัวหนูอะ่พอะพรม้นี้ด้วยกันทุกคนไม่ต้องม้องให้เห็นนะ ไม่มีกาไม่มีกิเลสเราอย่าม<น>อกพระเจ้จานะว่าอ่อืมเจ้าค่ะหนูนั่งฟังคนที่เขาพูดอะไรเงี้ยเออชีวิตหนูมันสุขสบายมากเลยพ่ะอาจารย์อ่าสุขสบายแบบแบบแบบจะหนูก็จะหนูก็เอาไปเชื่อจริ ง, ง, รงหรอเดี๋ยวถ้าวันั้นต้องเจ็บต้องตายตอนนั้นอ๋อถึงเวลานั้นเราจะลองมีนิดใช่ไหมพ่ะอาจารย์อ่ใช่งั้นอย่าประมาทต้องคิดถึงเวลาที่ก็จะเอาไปเชื่อมะ มเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดเรื่องว่าเขาจะลดความอ้วนอ่ะคือหนูอ่ะพรจ้าบอกให้ให้ผิดจรณ ะ, ะอ่ะปฏิกูลปฏิกูลคืออืนได้หรือเปล่า<ม>พระเจ้าได้มันองเปน็นอาหารไม่ใช่โอเคงั้นหนูหนูจะบอกว่าหนูผ่านจุดนั้นมาแล้วว่าหนูไม่สามารถเพราะว่า ทุกวันนี้หมาตัวเนี้ยของหนูอ่ะมันเดินไม่ได้แล้วหนูต้องคอยบีบอือ <นำ S 1> ให้มันทุกวันเลาหนูบีบอือให้มันเสร็จหนูไปกินข้าวต่อได้ด้วยอค่ะอาจารย์แล้วคือหนูหิวด้วยตอนที่หนูบีบอืให้มันอ๋อเราถ้าตอนที่จะกินต้องได้ถืออื่ด้วยเนื่องจากอาหารที่จะเข้าไปในปากเราต่อไปไมันก็ยังปเป็นอืต่อไปมันชิวมากเลยนะค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนั้นเราเวลาคิวเราถอดข้าวามาดู เกี่ยวกับข้าวที่เรากินนะเอาดื่มเอาหน่อยแลก่อนจะขึ้นก็่อนดูหน้าตามันหน่อยคลายมันออกมาแสงในชามแล้วค่อยตักเข้าไปกินโอเคพระอาจารย์อันนี้ยคําถามใหญ่เลยคือ <c oughs> หนูเคยได้ยินคํานี้ของพระอาจารย์ที่บอกคนอื่นไปแล้วแล้วหนูก็ลองทําดูแล้วเสร็จแล้วหนู <c oughs> ดันกินได้พระอาจารย์ทุกอย่างหนูเอามารวมกันมาคุกกันหนูก็กินได้คําถามคือตอนนี้คือหนูอ่ะตัณหาหนักปะ <c oughs> มันโมหะมากมันโมหะ<า> คือเอาอชนะตัวเองอะไรเงี้ยหรอมองมองไม่เห็นเส้นที่เป็นปฏิกริยาเป็นปฏิกริอันนี้หนักสุดเลยใช่ไหมพระอาจารย์ก็หลงน่ะน้องเส้น ท, ที่เป็นปฏิกริว่าเป็นสิ้นที่น่ากินเขาเขาเขากินข้าวต่อจากของเหลือของคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยหนูสบายมากใช่หนู ก, กินทุกอย่างของคนอื่นได้ด้วยก็ต า, า, ามไใจเราไม่กินมากก็ไปก็โอเคไม่เป็นไ ไม่มากเจ้าค่ะกินพอพอให้มันกินเพื่ออยู่แล้วกันอย่าไปอยู่เพื่อกินเจ้าค่ะอ๋อโอเคโอเคหนูหนูพอแค่นี้นะค่ะเดี๋ยวคนอื่นพอจะบันเทิงโอเคฮะ <laughs> ในการลาค่ะพอดนเคจา้าพอดีเอ็นเคอยู่ที่ไหนใช่มาสักงานค่ะค่ะอ า, าจารย์อยู่โตเกียวค่ะโตเกียวมีอะไรไหมวั น, นวันนี้มีคําถามอาจจะไม่เกี่ยวกับ การสมาธิเท่าไหร่เกี่ยวกับอมีมีสุนัขเลี้ยงไว้นะคะตัวหนึ่งแล้วทีนี้พยายามทําสมาธิแล้วก็มีสติที่จะไม่โกรธเขาคือเขาชอบอขับถ่ายไว่เป็นที่แล้วก็ร้องปลุกตั้งแต่ตีสามตีสี่อะไรอย่างเนี้ยค่ะกำลังคิดว่าจะทํายังไงดีจะส่งไปให้ที่บ้านเลี้ยงที่ไทยไหมเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องอยู่ในกรงตอนที่เรานอนนะคะหรือว่า จะเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้อยู่ในกองบ้างอยู่ข้างนอกบ้างกลัวว่าจะเป็นการทิ้งเขาหรือเปล่าถ้าเราส่งกลับไทยอย่างเนี้ยค่ะถ้าตามใจมีคนดูแลเขาตอบก็ไม่เป็นปัญหาคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นการว่าเราทิ้งเขาแล้วเราจะ อ, อมีมีเขาเรียกว่า อ, อะไรคะมีมีบาดติดตัวอะไรอย่างนี้ไหมคไม่มีแบบไม่มีนะเพื่อแต่ว่าเราไปได้จะถูกเ้าทิ้งก็ได้แต่ไปอาจจะถูกคนอื่นทิ้งเราก็ได้ อ๋อท่านด า, าค่ะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจะยังไงดีแต่เขาเขาอยู่ในกรงกำลังซึ่งก็สงสารเขาเหมือนกันนะคะในยังตัดสินใจไม่ถูกเพราะบางทีพยายามมีสติเท่าไหร่ก็อดอดโมโหอดโกรธเขาไม่ได้ว่าทําไมถึงไม่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เข้าใจว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะค่ะบอกออยู่ยีางไรเราเราไม่อ<ด>สอนเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กถ้าสอนท่านตอเป็นเด็กเขาก็จะรู้ก็จะเข้าใจ ถ้าโตเราก็สอนอยากค่ะให้เขาอยู่เด็กป้งบ้างร้องบ้างอย่างนี้มันมันก็ยังพอโอเคใช่ไหมคะถือว่าเราก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งเขาหรือเปล่าคะก็เรายังดูแลเขาอยู่นะเรายัยางไม่ได้เาอยู่ยอืมไม่ได้เป็นการทำบาตรทำกรรมหรือว่าเบียดเบียนสักใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นการห้ามปรามครับถ้าเขาทาไม่ดีเราก็ขังเขาได้เป็นคน ทำผิดเขาก็จะไปถูกค้างในคุ่ในตลาดนัดใช่หไหมไม่ปล่อยให้ออกมาเพิ่มพันท่าท<ไ>ำเดือนร้อยให้กับผู้ค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเด็กด้วยค่ะถ้าเขาออกมาสีออกมาอีกระเก็ะระกะก็กลัวเสียโลกด้วยอะค่ะแต่ก็กําลังคิดว่าจะเป็นการแบบเบียเดเบียนสัตว์หรือเปล่าทําให้เราจเจริญสติไม่ค่อยเข้าใจนะคะไม่ค่อยรับรื่นสมูทอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็มีอะไรมันก็เป็นเรื่องอุปสรรคคอะ มีอะไรมันก็ทำให้เราคอยห่วงคอยก้งวลอย่างนี้งั้นไม่มีอะไรดีค่ะแล้ว เ, เอามาันเป็นวันเดยวต่อไปอย่ากไปต่อไปทางเขาตายไปแล้วไปอยากไปหาตัวใหม่ามาทดแทน น, แนนี่นาค่โอเคลาไแล้วทิ้งก็ต้องเลยตามเลยค่ะก็เลยบอกว่าสติหลุดทุกทีเวลาแบบหันไปโกรธเขาโอ๊ยหลุดอีกแล้วหรือจ้มองในแงน่ดีก็ได้ว่ า, ว า, าก็าเป็น ตัวทดสอบใจเราอยู่ด้วยเนี่ยอ๋อค่ะก็เลยช่วงนี้ไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิเลยสองสามอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าเขาพีคอะไรของเขาก็ไม่ทราบก็ทำไม่โกดธแทนก็แล้วกันอย่าไปโกดธเขาฝึกความไม่กรธเขาก็แล้วกันค่ะขามให้คุณค่ะพระอาจารย์ไม่ว่าแผ่เมตตาถ้าเราไม่กดธเขาแสดงว่าเรามีความเมตตาเราลากเขาออเราให้อภัยเขาไม่โกรธไม่กรธเขา อ๋อก็เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะคะเจริญเมตตาภาวนาแทนค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ลาเธอค่ะผมป่วไอโฟนิสป่วอยู่ที่ไหนคุณยวันใดอะไรป่วกับสวัสดีค่ะพระอาจารย์คือปักติดแล้วว่ะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเข้าเข้ามาเมื่อสัปดาห์ เมื่อพูดที่แล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นครอ้งแรกวันนี้คั้ที่2องก็ปกติแล้วอะคะ่ะโยมก็จะชอบนั่งสมาธิตอนกลางคืนแต่ความที่เราง่วงมันก็เลยจะไปไม่ได้ถึงไหนนะคะเสร็จแล้วเมื่อพูดที่แล้วที่เข้ามาฟังพระอาจารย์ก็เลยตั้งตั้งใจตั้งมั่นว่าจะต้องนั่งให้ได้นะคะก็เลยเช้าวันเสาร์นอนอิ่มแล้วก็นั่งปรากฏว่านั่งไปนหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ เอสติมันก็เหมือนกับเราเรารู้ว่าบางครั้งมันก็อยู่ที่ลมหายใจพุโธบางแต่ว่าเอสติมันจะเหมือนเหมือนมันอ่อนนะคะหก็จะพยายามเพ่งเพ่งไปที่หวางคิ้วก็จะรู้สึกว่ามันมันสติมันเข้มขึ้นแต่มันก็จะรู้สึกหนักหนักหัวแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังรู้สึกได้ว่าจิตเราอ่ะมันไปไปทางอื่นไปคิดเรื่องอื่นก็พยายามดึงกลับมาเสร็จแล้ว น่าจะสักหนึ่งชั่วโมงอะค่ะมันมันรู้สึกเหมือนเห็นแสงมันจะว้าวอะไรเนี่ยแล้วขนมันลุกแต่ก็ก็จําได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าอย่าอย่าไปตกใจอย่าอะไรเงี้ยให้ให้คุมสติต่อไปแต่มันคุมไม่ได้แล้วค่ะเออลมหายใจเราเรารับรู้เลยอะว่าลมหายใจมันมันแรงอ่ะหายใจแรงแรงแรงในขณะที่ก่อนหน้าเนี้ยมันมันเหมือนมัน มันบางลงไปเยอะเลยค่ะมันละเอียดลงไปอ่ะอื ม, มันก็คุมไม่ได้ก็ก็เลยพยายามคุมยังไงก็คุมไม่อยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์เราใช้คำบริกรรมออแทนถ้าเกิดในสภาพที่ใช้นมไม่ได้ก็ลองใช้พุทโธพุทโธแทนใช้คํา บ, บริกรรมแทนก็ใช้อะค่ะแต่มันก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะคะ่ะอยู่แต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ใช้สองสามคำแล้วมันจะอยู่ไม่อยู่ แล้วก็พุธ oh. พุธพุธพุธไปเรื่ยพักนึ่งก็อยู่ถ้า ม, มันยังไม่อยู่เราอยากไปหยุดพุดโทโธเออค่ะเหมืนอนเหย AK, ียบเบรกรถน่ยถ้ารถยังไม่หยุดเรคหยุดเราก็อยาเพิ่มถอนถอนเบรคใช่ไหมเหยี mm hmm. ยบเบรกไปเรื่ย mm hmm. อยๆจกนกวมันจะหยุดพอรถหยุดแล้วเราคอ่อยปล่อยเบรกได้พุทธก็เหมือนเบรกเวลาายมันเรื่องพยนต์เรากใชะพุโทโธพุทธพุโทโธพุทธไป คือคือก่อนที่เราจะเห็นแสงวาบแล้วก็ขนลุกไหมนะครับไม่เป็นไรการลุ้ยเฉยๆเป็นลุ้ยเฉยๆมันเป็นปกติค่ะคื อ, ค, อคือก่อนนั้นอนะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราเราเคมิเคมๆไปครั้งเคิมๆไปอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนั้นสติเราหลุดหรือเปล่าอ่ะค่ะตั้งแว่าหลุดตัแสดงว่าสติแสดงว่าการที่มันวาบการที่มันวาบนี่มันก็กลายเป็นไม่จำไม่จำเป็นจะต้องมันลุมันทําไม ให้เรารู้วิธีปฏิบัติธรรมก็คือให้เรารู้เฉยๆได้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นทางไหนว่ารู้ว่ามันดับไปมันเป็นของไม่เทียมเราไปสั่งห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปให้รู้แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวกลางกลางคืนนั่งอีกเพราะว่าตอนเช้ามันมันไม่สําเร็จใช่ไหมคะก็เลย กลาคืนนั่งอีกแต่ปรากฏว่าง่วงอไปไม่ถึงไหนก็เลยก็เลยไม่ได้นั่งต่อก็เลยมาต่อทิ้งเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์นะคะ่ะก็ใช้เวลาหน่อยลงกลายเป็นว่าครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันว่าว่าแบบแบบเมื่อวานนี้เลยอะคะ่ะแต่แต่มันว่าแบบนิ่งนานขึ้นสักพักหนึ่งสักแบบได้สักสามสามสี่วิได้อ่ะคะ่ะแล้วมันก็นดีมาทำไปแล้วแล้วแล้วก็เอ่อลมหายใจมันก็ ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนเมื่อวานแต่แต่เบาลง mm hmm. ก, ก็พยายามคุมมันแล้วมันก็ว้าวอีกทีหนึง่งแล้วลมหายใจก็ก็เพิ่มอีกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์สองวันนี้เอาเอาไม่อยู่เลยพอพอเสร็จแล้วก็เลยมาทําวันจันทร์อไปทําต้องทํางานนะคะก็ทําอะไรไม่ได้เลยอะเพราะว่า มันเหมือนมันมีกังวลว่าจะถึงเวลาต้องต้องทํางานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําไปเท่าที่เราทําได้ค่ะค่ะพยายามทำไปเรื่อ<ๆ>ยๆผล ม, มันก็มีขึ้นบ้างมีลงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้งงงางเป็นธรรมดาไม่ต้องไปวุ่นวายกับการปรากฏของผลแต่ละขั้นแล้วแต่พอทำงานก็เราทําไปอย่างสม่ําเสมอค่ะแล้ว อาจารย์ขายอย่างกรณีที่เดินจงกรมอะค่ะโยมเดินจงกรมไม่เหมือนกับเดินเดินแล้วมันไม่ไม่มีความก้าวหน้าอะไรไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเขาเดินเดินแล้ว<ร>มันเดินเพื่อไมให้เราคิดให้ให้เราในปัจจุบันให้เราอยู่กับท้าอยู่แบบร่างกายเคลื่นนอนไหวฝึกสติเปการฝึกสติเล่นใจลอยไม่เล่นเข้าสมาธิจากการเดินแต่เข้าสมาธิต้องไปนั่ง แต่เราเปลี่ยนเพราะบางทีนั่ง น, นั่ง น, นานๆแล้วร่างกายเราไม่นั่งไม่ไหวเรก็ลุกขึ้นมาจา่านแทนค่ะออเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ใครอย่างการเจริญภาวนาเพื่อละกิเลสเนี่ยค่ะสมมติคนที่เขามีเป้าหมายที่จะที่จะแบบนิพพานในชาตินี้นะคะแต่เผอิญไม่ได้นิพพานเนี่ย กลายเป็นว่าเขาอาจจะขึ้นไปอยู่ในชั้นที่ที่ที่สูงกว่ามนุษย์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขาเสียเวลาไปเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งอยู่นานแค่ไหนเรามีวิธียังไงไหมคะว่าอยากจะกลับมาว่าชาติหน้าเนี่ยอยากจะเกิดเป็นคนอีกอะค่ะก็เราปฏิบัติให้ถึงขั้นพระญาติบุคคลตั้งแต่พระสวสดามานขึ้นไป แตทุกคนาตายไปแล้วไม่ช้าก็เลยเต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กันทุกคนแต่ก่อนจะกลับมาจะไปรับผลบุญก่อนหรือไปใช้บาปก่อนก็ได้ถ้าเราทําบาปมากบาปมีกําลังมากก็ดึงเราไปรับผลบาปถ้ า, าทําบุญมากบุญก็จะดึงเราไปรับผลบุญอันเดียวกับาปประมูลมันมีกําลังเท่ากันมันก็จะปล่อยให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ ้า ก, ก็คือโกว่าสมมตินะคนคนที่เขาสมมติไปได้มีโอกาสไปรับผลบุญแล้วเขาบอกมันใช้เวลาเยอะใไหมก็กลวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครบ5้าพันปีอ๋อไม่ต้องเป็นกลัวะตอนนี้เราเร า, เราควบคุมได้พยายามปฏิบัติไปเยอะๆเราต้องกันอย่าไปกังวลแบบไม่ทำอะไรมันก็เปลี่ยนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทำให้มันมากตอนนี้ปฏิบัติให้มากท่านั้นแหะ ครัในไม่นีอาจะสําเร็จในภพนิชานนี้ก็ได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆพระเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดืนก็เจ็ดปีป <ะ S 1> เราคําพูดนี้มาคิดดีบ่ดีกว่าเป็นกังวลว่าไปอยู่ไปเกิดมันสวรรค์ห้าพันปีกลับมาไม่มีศาสนาไปคิดทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คิดตามที่พระเจ้าคิดถึงทําตอนนี้เทํา ตลอดเวลาจริญสติตลอดเวลาเดี๋ยวไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีบรรลุแน่แน่เนียนะคิดแบบนี้ดีกว่านะดีกว่าค่ะอ่าโอเคเอาท่านนี้ก่อนนะมีคนอยู่ยังรองอยู่ค่ณธรรมิสาเชิญคุณธริส า, ากับสวิทเขาเหลอมีอยู่กรุงไทยอยู่กาตมสการ์ข่าวพาจาร์อยู่มืองไทยอยู่ค่อะอยู่คอนแกนอยู่นะ ค่ะพระอาจารย์ยมก็วันนี้ก็เลยไม่ได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์ก่อนกลับเลยค่ะก็เลยมาขอกลับลาพระอาจารย์ในซุน้มค่ะว่าจา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก, <ข>กลับกลับมอไหรกลับบรรศุกนี้ค่ะพระอาจารย์ศุกร์น้น<ข>มีมีกลับสักหน่ตรองเลยค่ะพระอาจารย์ตอ<ข>นแรกยมก็แบบว่าจัดสรรเวลาตัวเองไม่ได้เลยไม่ไเป็นไรแล้วใส่บาตรที่ไหนก็ใส่ได้ทําุที่ไหนก็ทําได้ไม่จำเป็นยังต้องมาใส่ค่ะพระ ค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมก็เลยเออเดี๋ยวข้างหน้าสิ้นปีโยมจะมาใหม่ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ข้าแข็งแรงนะเจ้าค่ะไได้สาธุดค่ะสาธุดเมื่อกี้คุณมารอยอยู่มาจะพูดไหมเห็นปิดกล้องนะเปิดได้วามา กรจำนะมาสการค่ะอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะมีอะไรไมั้ยอ๋อไม่มีค่ะไม่เจอเลยนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปที่เมื่อกี้คุณไม่คนเกิดทวนล่าตอนนี้ไปที่เฟซบุ๊กมากันแล้วกันนะได้เวลาจนุนนะเฟซบุ๊กก่อน มีคำถามทั้งหมด15คำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าคะ่ะ<ม>คำถามแรกจากคุณซิลินยากราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ะหนูขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์หากจำเป็นต้องฟังผู้ใหญ่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นหนูควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็วางใจเฉยๆไม่ต้องไปอินกับคำพูดครงบเพราจาใครเขาจะว่ารก็ฟังไว้รับรับฟังไว้เฉยๆแล้วก็ผ่านไป คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาขอถามเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วจิตเหมือนลงเหวควรทำใจอย่างไรเจ้าคะก็ให้มันลงไปเดี๋ยว่าจิตจะสร้างหวั่าเหมือนกับตกตกบ่อตกเหวนะก็ให้มีสติรู้เฉยๆไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากรรมการที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันตอไปปุ๊บมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็เย็นสบาย มีสามคำถามจากคุณสุพันธ์ค่ะขอถามผู้ที่ได้บวชมีความเห็นถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิไม่มีอุปสรรคใดๆเทศตรงร้ามไม่มีการขัดขวางต่อการบวชท่านสั่งสมบุญอันใดมาเจ้าคะท่านก็รักษาศีลท่านก็ทำาทำทานรักษาศีลฝึกสมาธิมามันก็ โอกาสที่จะได้มวแม้วก็มันก็มีมากกา่คนที่ไม่เดนทำทางรักษาศีลเนื้อฝึกสมาธิเนืญอบัญญามาคำถามที่สองของคุณสุพันผู้ที่มีรูปกายงดงามสั่งสมบุญด้านใดมาเจ้าคะก็ะอยู่ที่ศีลอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ทางอย่างทนาทำให้คนที่มาเกิดนีนื้อลุ่มหน้าหน้าตาสัยงานไม่ ไม่ไม่น่าเกลียดคนที่ทำบาปนี้มักจะเกิดมาแล้วหน้าตาเนี่ยน่าเกลียดอาการจะไม่เข้าประตาทานอีกต่อาจจะไม่สวยไม่น่าแต่ถ้าได้ทําบุญด้วยได้ทําทําทานเรื่องมันไม่จะทำให้ร่างกายมีความโปร่งใสสวยสดงดามขึ้นมาสวยด้วยทานแล้วก็ไม่ไม่ขี้เลี้ยงเกลียดด้วยสิไม่ขีก่อพตการด้วยสิ ชิงป้องกันแต่ทานเป็นตัวเสริมตามนามให้กับร่างกายาต้องทำทั้งสองอย่างรัาษสาสิ่ง้ายดีแล้วทำบุญเรื่อยๆทำบุญเอยอะๆคำถามที่สามการภาวนาที่ตกลงรูปลึกประมาณสามเมตรลมหายใจหาย ตายหายพยายามหายใจดังๆก็ไม่มีสามชั่วโมงกว่ากว่าว่างสว่างข้างในตื่นอยู่ออกจากสมาธิก็ไม่ง่ายเกินไปแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่คะก็ใช้ได้นะท่านจิตว่างจิตสงบได้นานเท่าไหร่ได้ย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณชัดพระอาจารย์สุชาติไม่เคยรับนิมนต์ไปนอกวัด หรือไปไหนนอกวัดเลยมานานเป็นสิสิบปีพระอาจารย์ไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือครับพระอาจารย์ทำใจอย่างไรครับก็ทำใจให้สงบเลยใจใสงบแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนใจมันอิกมันสบายมไม่หิวแบบไหนคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity ทุกมีตลอดเวลาทำอย่างไรไม่ทุกครับก็ยอมรับยอมรับทุกแล้วก็ยอยาไปอยากให้มานานันหาย อยู่กับทุ่งไปคำถามต่อไปจากน้องหลินหลินขอสอบถามค่ะทานข้าวมื้อเช้ามื้อเดียวไม่มีความหิวในมื้ออื่นๆหรือความอยากทานอาหารและไม่มีอาการเหนื่อยในการทำงานระยะเวลาการนอนลดลง4ชั่วโมงตื่นมานั่งสมาธิได้ยาวค่ะสลับเดินจงกรมและนอนตะแคงสมาธิค่ะ สามารถไปทํางานได้ไม่มีง่วงเจ้าค่ะปัจจุบันเปลี่ยนเตียงมานอนพื้นเจ้าค่ะนี่คือผลของการปฏิบัติหรือเปล่าเจ้าค่ะถูกต้องถ้ามีสติจหนึ่งฉัมาที่รจิตจะไม่คล้อยยงโวยกับอะไรจิตจะมีพลังมีกําลังมากคํถาถามต่อไปจากคุณปูเป้ถ้าคนที่จะรวยในชาตินี้แสดงว่าเขาทําทานเมื่อชาติที่แล้วไว้เยอะหรือไม่เกี่ยว เป็นเพราะเราขยันบากบั่นในภพชาตินี้ครับก็อย่างพี่พูดนะว่าคนการจะรวยนี่มันรวยได้หลายแบบรดยเพราะบุญเก่าก็ได้โดยเพราะบุญร ว, วยเพราะความขยัดหาเงินหาทองความประหยัดมัธยัต ก, ก็ได้รวยเพราะกงก็ได้มันมีหลายวิธีด้วยกันคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นไปได้ไหมคะ ที่จะละกามลาคะได้ก่อนการละส ก, กยาทิฐิหรือต้องเป็นขั้นตอนโสดาบันไปสกิทาไปอนาคาไปอรหันต์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนคะก็คงจะเป็นตามขั้นเนอร์ความยากง่ายคำถามต่อไปจากคุณเดอะมัลติเวิร์สเลยูนิตี้ถ้าตบยุงอย่างรวดเร็วตอนยุงหิวอยากกินเลือด ยุงตายแล้วจิตยุงจะไปไหนครับเขาไม่ต้องหิวไม่ต้องกัดใครแล้วไปดีกว่าเดิมไหมครับหรือไปเป็นเปรตยุงเพราะหิวครับอ๋อแล้วแต่บาปที่เขาทำอยู่เยอะมาก น, น้อยเท่าไหร่บาปบุญที่เขาทำอยู่ถ้าบุญมากกว่าก็ไปดีถ้าบาปไม่มากกว่าก็ยังอาจจะกลับมาเกิดเป็นสัตอย่างอยู่ต่อไม่เป็นเ ป, นเ ป, นเปนรตก็ได้คําถามต่อไปจากคุณโดรา กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้ามีหอยมากินต้นไม้แล้วเราจับเขาโยนไปที่กองใบไม้แห้งบาปไหมเจ้าคะถ้าเขาไม่ตายเขาไม่บาปคำถามต่อไปจากคุณก้องกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ อ, อย่างสูงครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องทางสายกลางว่าผมเป็นคนที่ทานเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงที่ว่างงานหรือเบื่อมากๆ ถึงแม้นเงินจะหมดผมพยายามลดละเลิกอาหารและเกิดความเครียดตามมามากผมคิดว่าคงต้องยอมเครียดบ้างเพื่อผลที่จะดีขึ้นแต่ถ้าเครียดเกินไปจนทนไม่ไหวยอมทานผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอความเมตตาพระอาจารย์ชีน้แนะผมด้วยครับก็เป็นธรรมด า, าเวลาที่เราต้องลดละนี่มันก็จะเกิดความทบขึ้นมา เราก็ต้องใช้ความอดทนใช้สติใช้สมาธิช่วยมันก็จะทำให้เราทนกับความทุกงต่างๆได้ถ้าเราไม่มีเครืงมือเราก็จะทนไม่ไหวเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทำแบบเดิมต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวันนีปราพระจาคะ์ค่ะติดโควิดรู้สึกแย่เป็นวิบากจิตตกอยากขอคำแนะนำสวนมนก็ไม่นิ่งเจ้าคะ่ะ ก็สวดไปเรื่อยๆเนื้อท่องพุทโไปเรื่อยๆถ้ายังไม่นิ่งก็อย่าพูดอย่าหยุดสวดสวดไปานกว่ามันจะนิ่งถึงจะหยุดได้คำ ถ, ถามสุดท้ายจากคุณนัดิชาพระอาจารย์เจ้าคะอย่างคนที่มีภาวะทางจิตต้องกินยาควบคุมให้สมองลืมและไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเพื่อที่จะให้คนไข้หลับได้ง่ายคนไข้เป็นโรคแพนิคเจ้าคะ คือตัวหนูเองสามารถไปนิพพานได้ไหมคะชาตินี้อถ้าข้อพกดจิตไม่ได้ไปไม่ได้ต้องข้อบูดจิตให้สงบให้ได้นะมีคำถามเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคำถามจากคุณหน่อยค่ะน้อมกลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตถามเคยภาวนาจนรู้สึกถึงความเป็นอนิจจังอย่างละเอียดมาก และรู้สึกเศร้าคล้ายการสูญเสียสิ่งที่เคยยึดถือไม่ทราบว่าควรทําอย่างไรต่อเจ้าคะความรู้สึกเศร้าหนักมากเจ้าคะ่ะต้องทําสมาธิก่อนนะค่ะมาพิจารณาทาสมาธิให้จิตสงบให้เป็นอเบ็ขาก่อนแล้วค่อยพิจารณาเราจะไม่เศร้ามีอีกหนึ่งคำถามเจ้าคะคําถามจากคุณแปนเดิมที่บ้านเคยตั้งสารพระภูมิ พระพรมตั้งแต่สมัยคุณพ่อยังอยู่มาหลายสิบปีแล้วค่ะเมื่อก่อนคุณแม่ก็มีซื้อของมาไหว้ทุกวันพระแตห่หลังมาไม่ได้ทำเลยเมื่อแตนได้มาฟังเทศฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์แล้วจึงได้มีความเข้าใจค่ะควรปล่อยไว้แบบเดิมหรือควรทำอย่างไรดีคะจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ควาจริงเรื่องบูชาสาระพวงไี่จะบูชาก็ได้ไม่บูชาก็ได้มันไ ม, ม่มีผลต่างกันหรอกพรามันไป็นามเชื่อเฉยๆไม่ใช่เป็นความจริงดังั้นจะปล่อยมันไว้เฉยๆก็ได้ไม่จะไปเอาออกก็ได้แล้วแต่เราหมดแล้วเะคําถามมีพึ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณลิตเติ้ลแบร์สอบถามพระอาจารย์ค่ะ อยากฝึกสมาธิค่ะอยากอยากทราบแก่นว่าการดูลมหายใจเข้าออกคือการดูที่ลมอยู่ตรงไหนคะปลายจมูกหรือท้องคะควรเริ่มต้นควรจับลมตรงไหนคะกลับน้ำมัส ก, กาดค่ะลมเรมิ่มได้ถ้าเราเห็นลมชาติตรงไหนเราก็ทกได้ปลายจมูกก็ได้ที่หน้าท้องก็ได้หมดแล้วใช่ไหมคำ ถ, ถามหมดแล้วเจ้าค่ะ โอเคแล้วเวลาอันนี้หนึ่งมีใครอยากจะถามอะไรก็ตามนะบรรยา ก, กาศให้ถามได้แล้วข้อสองข้อบริกครกับริกบาริกมามาครับหลวงพ่อก็ที่หลวงพอ่อบอกเพ็กกายบอกกายไม่ใช่เราแบบเจออะไรแบบกายเห็นไหมไม่ใช่ของเราแบบนี้ใช้เทคนิค น, นี้กับเวลาเราเจอเกีดรติไหมความโกรดนี่ก็ไม่ใช่เราแล้วก็บอกอะไรนี้ความอยากนี้เออความอยากนี้ไม่ใช่ความอยากของเราใช้เทคนิคนี้มันถือือว่าถูกใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ได้แร้ว ความโกรธต้องหยุดไหมความโกรธใช่ของความโกรธคือความอยากอยากให้อยากได้นั้นอยากได้นี่พรไม่ได้ก <ve> ็โกรธก็ต้องไปหยุดความอยากเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ไม่เอาว่าจะหายโกรธอยากได้แฟนอยากให้เขามาเป็นแฟนเพอาก็มาเป็นแฟนเราก็โกรธถ้าอยากจะหายโกรธเขาไม่เอาก็ได้โอ้โกร มันใช้ไม่ได้ทุกอย่างหรอกอตาต้องแล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งของนะอนัตตาได้เหมันก็ไม่น่าถ้าเป็นทุกข์ความเจ็บนี่มันก็พิจารณาว่ามันต้องเป็นความเจ็บของทางร่างกายนะต้องพิจาแล้วว่ามันเป็นอนัตตาก็ได้มันเป็นมันเป็นสภาวะธรรมมันกับดินฟ้าอากาศนี้ได้ก็กลุ้มบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันหายไปไม่ได้ต้องอยู่ของมันไปถ้าหัดทำใจอยู่ของมันไป ก็เวลาเวลาฟุ้งซ่านก็บอกเอ๊ะก็ฟุ้งซ่านก็เรียกสติมาจำบทชี่ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่เราผมก็ไม่อยู่นะผมก็ต้องใช้สติหยุดมันพุดท้อพูดท้โอโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับนะทุกถ้าแล้วนะพูดที่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะคับเอาเอาที่นหน้าค่ว่ากันเสร็กแล้วเขาบอกนอนนะ ขอให้ท่านจงนำวสิิที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ